กข้าแกรม์ที่ตั้งใจในการทํำพระธรรมในครั้งนี้ก็จะต่อในการบรรยายพระสุการตพิโตในทีขณิกายปาติกะวังในสังขีติสุในครั้งที่แล้วเราพูดในเรื่องของหมวดที่สอง พูดไปค่อนข้านจะเก็บดอาจจะไม่หมดดียนยะแต่ค่อนข้างก็งไปกวหมดแล้วในหมวดที่สองในหมวดที่สองที่พูดอาจจะเป็นทิ้งๆเขาไว้หน่อยก็คือในช่วงของคลิปถี่วิสุทธิความหมดจดแห่งคิดถี่ และวปะัญญาาทิฏฐิประธานาความเพียรที่สมควรแก่สัมมาทิฏฐิเกิในหมวดสองนี้ค่อนข้างที่จะต่างจากสีและวิสุทธิแลว้แลวกะทิฏฐิวิสุทธิเกิในบทคําว่าทิฏฐิวิสุทธิโขปณยะถาทิฏฐิจะประธานาความหมดจดแห่งทิฏฐิความหมดจดแห่งทิฏฐิ คำว่าความหมดเจริญทิฏฐิในที่นี้เป็นชื่อของปัญญาเนี่ยและความเพียนของผู้มีทิฏฐินี้เรียกว่าญาณทัศนนะเขาเรียกว่าทิฏฐิวิสุทธิไอคําว่ายถาทิฏฐิศาสจะประทานนังหมายถึงความเพียรที่ประกอบไปด้วยญาณทัศนะเออได้จะพูดกันตรงประเด็นเลยก็คือว่าท่านหมายถึงเจตดวงมหายา ก็มีโสดาปิมัคสการาคามีมาคอนาคามิมาคและก็อารหาัตมคที่จริงถ้าพูดถึงในเรื่องของพาวิธ ร, รมเนี่ยนะถ้าแจกแจงทั้งหมดสองคู่นี้ไว้เนี่ยทิศทีวิสุทธิโขกันนะก็ได้ความรู้ความเข้าใจความไม่หลงความสอบสองธรรมหรือเรียกว่าสัมมาทิสสีไอ้สัมมาทิสสีนี่เป็นเป็นองค์มาองค์แรก่ไ ครัว่าสัมมาทิฏฐิมี screen, ความเห็นเนี่ยความเห็นที่เป็นสัมมาทิฏฐิเห็นในอะไรเห็นในทุกว่าทุกนี้เป็นธรรมที่ควรกำหนดรู้เนี่ยเห็นในทุกคือส ม, มุทยัยว่าเป็นธรรมที่ควรละเห็นในทุกข์หันยโรว่าเป็นธรรมที่ควรทําให้แจ้งแล้วก็เห็นในทุกข์หันยโรถ้าธรรมมีปฏิปทาว่าเป็ น, เ ป, น, เ, ป น, น เ, เป็นเป็นธรรมที่ควรเจอเนี่ยเป็นภาวะธรรม ที่จริงนะว่าเห็นในทุกเนี่ยคือเห็นอริยสัจเนี่ยนะตัวสัมมาทิฏฐิที่ไปเห็นนะเห็นว่าทุกนี้เป็นเป็นป ร, ริญญาญาธรรมนะป ร, ะริญญาญาธรรมเยยแปลว่าธรรมที่ควรครอบรู้หรือควรกําหนดรู้เห็นในทุกขจักรูปไทยก็เป็นปหาจัรธรรมเป็นธรรมที่ควรรัก แล้วก็เห็นในโทุกขันธิโรว่าเป็นสัจจิการะประทรรมเป็นธรรมที่ควรทำให้แก่แล้วก็เห็นในโทุกขันธิโรแะนะครับนีปฏิปทาว่าเป็นภาริยะประทรรมเป็นธรรมที่ควรจะเลสาาะเยส่วนธรรมจักรกันได้เนาะเวลาเขาสวดธรรมจักันก็จะสวดถึงทุกข์บอว่าอีธรรมทุกขังอริยสัจจ์นะ แต่บางทีก็สวดทํานองนะเขาสวดธรรมจังแต่ปัจจุบันนี้ไม่ไปไม่ก็เห็นสมัยก่อนก็จะสวดธํานองถ้าเขาเรียนบาลีกันแต่เก่าๆมก็จะสวดอย่างเช่นเาสวดเอเลนาเเลวามสุตังเอกังมยังภควาาราียงวิหารตอิสิปัตนะมิพิงคาไย ชาตราก็พักว่าปัญจวะคคีย์ทีคูอามันเตสีเขาจะสอนอะไรกันไหมใช่ไม่ใช่เด็กไม่เคยยุ่งกันสอนเลยเกี่ยวับพจนเป็นอะไ้น่ยเมไมตตังเอกั็สม่ยพักว่าสอนเต่สัดทำนองไม่สัดรี ทศวัตรอายะมะโยงแปดตัวคือว่าอายะเมวะอริโยะทังฮิโกมะโคเจยทังสัมมาิติสัมมาสังกัปปสัมมาวจ aja สัมมากรรมตสัมมาชวสัมมาวายาสัมมาสติสัมมาสมา้สวะกันนี่คืออยมน ในที่นี้คําว่าทิฏฐิวิสุทธิีก็คือตัวสัมมาทิฏฐินะคือคือองค์แรกของอริยมรรคเรว่าทิฏฐิวิสุทธิเป็นเป็นความรู้เป็นความเป็นความรู้ตามความเป็นจริงตัวทิฏฐิทิฏฐิวิสุทธิเนี่ยเขาเรียกว่าความหมดจบแห่งทิฏฐิ ที่ความเห็นที่ยังหมดจบได้นั้นเป็นต้องเป็นความเห็นที่ขจัดความเห็นโดยความเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนเป็นเราเป็นเขาออกจึงเห็นในความเป็นรูปนามตามความเป็นจริงเห็นในความเป็นขันห้าโดยความเป็นอายตันนาสิบสองเป็นธาตุสิบแปดเป็นอะไรต่างๆ่างอะเนี้ยการเห็นตามความเป็นจริงในลักษณะนี้เขาเรียกว่าทิดทีวิสุทธิ ทิฏฐิก็ก ค, คือความเห็นวิสุทธิ์ที่ก็คือความหมดจดคือความเห็นที่หมดจดนะแต่แต่ไม่ใช่แค่นั้นอยังมีกคำนี้ก็คือว่ายะาทิฏฐิประธานนะความเพียรที่สมควรแก่สมาทิฏฐิทีนี้ความเพียรที่สมควรแกนะ่สมมาทิฏฐิมันจะต้องเป็นสัมมาวายมะไอ้สัมมาวายมะมัตเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นความเพียรชอบ เรื่องความรีเรื่องความเพียรทางใจเนี่ยทิฏฐิจะจัดประธานหรือเริ่มเพียรในการไม่ให้บาปเกิดขึ้นต้นเพียรในการละบาปเพียรไม่ให้บาปเกิดเพียรในการเจริญกุศลก็เพียรในการรักษากุศลให้ถึงพร้อมเนี่ยรีเริ่มในการที่จะเพียรความเพียรนี่เป็นความกล้าหาญอย่างหนึ่งเนีคือลักษณะของความเพียรเนี่ยสังเกตได้ว่า ถ้าอง์ของคนที่มีความเพียรเนี่ยพอเวลาคนที่เขาตาลดความเพียรมากๆเนี่ยเวลาเขาพิจารณาถึงเห็นความเกิดเนี่ยเห็นคนเกิดออกมาแวะแเนี่ยคิดถึงการเกิดเมื่อไหร่เนี่ยเขาสังเวชสล ด, ดใจแล้วความเพียรแล้วเขาเบื่อหนายในการที่ไม่อยากจะเกิดแล้วก็เห็นความแก่เห็นความเจ็บเห็นความตายพิจารณาถึงสังสารวัตทุก ที่เป็นไปในอดีตทุกที่จะเป็นไปในอนาคตแต่เราถึงในปัจจุบันเยอะวันก่อนก็คนก็มานั่งเล่าอีกวางว่าโอ้โหนี่นี้ต่อไปในอนาคตคนมีเงินมากจะลำบากเท่าไหร่ต่อไปเขาเขาไม่เคยเขาไม่เขาจะไม่กฎหมายเขาไม่รับรองเรื่องการฝาดเนีาจะรับรองแค่ล้านเดียวนะครมีเงินเกินแล้าจะลำบากเท่าไหร ก็มานั่งเราคนมีเงินก็ามานั่งบนนี่เริ่มทุกในการหากงินใช่ไหมทุกในการหากินนนี่ถ้าพิจารณาอย่างนี้คนที่ปลารับความเพียรเนี่ยนะ่ยเขาก็เริ่มตั้งความเพียรในใจแล้วอันนี้ไม่ใช่ที่พึ่งะที่พึ่งนั่นคนคนเริ่มทั้งความเพียรอันนี้ประการประการต่อมาก็คือ สังเวชนีเยสุฐานเยสุสังเวคาความจดจใจในในที่ที่ควรจดจใจแล้วก็สังวิคัจจะโยนิโสประธานะความเพียรโดยแยกกายของผู้มีความจดจใจตรงนี้ก็คือว่าไอ้คำว่าสังเวโกจสชนีเยสุฐาเยสุอันนี้เป็นชื่อของสังเวฆายานทัศนะโดยการเห็น อย่างที่ได้เคยกล่าวไว้น่ะเห็นความเกิดเป็นภัยเห็นความแก่เป็นภัยความเจ็บป่วยเป็นภัยเห็นความตายเป็นภัยเห็นชาราก็เป็นภัยเห็นมรณะก็เป็นภัยอยเงี้ยเราไปพิจารณาอย่างนี้ก็ได้ออกสลดใจในที่ที่ควรสลดใจออต้องดูด้วยนะสลดใจในที่ที่วรสลดใจเราต้องเห็นความเกิดความแก่ความเจ็บเจ็บความตายความิที่แบบข้า น, นะนี่จะเห็นเรื่องอ เห็นเรื่องในลักษณะอย่างนี้ก็เรียกว่าเห็นแล้วแล้วควรสลดใจเช่นว่าพิจารณาถึงชาติา พ, พิภัยเนี่ยชร า, าภัยภรยาภรยาพิภัยวรนาภัยเนี่ยพิจารณ า, านี้เห็นว่ามันเป็นที่ตั้งคือสลดใจในที่ที่ควรสลดใจทีนี้ประการต่อมาความเพียรโดยแยกการของผู้มีความสลดใจความเพียรก็คือทำที่เป็นที่ตั้งมีความสลดใจเป็นเหตุให้เกิดความสลดใจ เกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์เจ็บเป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์เนี่ยเขาเรียกว่ามีความเพียรโดยแยกทายของท่านผู้เกิดความสามังเวชอย่างนี้อันนี้เป็นชื่อของความเพียรที่มาแล้วในภิกษุในศาสนานี้ย่อมยังฉันท้ายเกิดเพื่อความไม่เกิดขึ้นแห่งบาปประทำทกท่อกุญแจสนธิธรรมรรมันลาโมเพียงไม่เกิดก็ตั้งความเพียรในใจขึ้นมาเลยอันนี้เขาเรียกว่าความเพียรโดยแยกทายของผู้มีความสลดจัด คำว่าภิกษุเนี่ยเป็นประธานอะไรเนี่ยเขาอกว่าทันั้นเรารอดตัวแล้วเราไม่ใช่ภิกษุใช่ไงมเราก็ไม่ต้องมาสร้างความเพียรในคำที่จะยงังฉันทายเกิดเชื่อความไม่เกิดขึ้นของบาปอคุตุลาชาบรรามุที่จริงเป็นการกล่าวโดวยประธานในในยังยังคําเป็นต้นที่บอกว่าศัทธาเท ว, วมันเป็นก่อนบอกว่าคุริสัทธรรมามาสาราธิ บทพุทธคุณเนี่ยนะบอกพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสาธีฝึกบุรุษที่สมควรตุกคืออย่าไม่มีใครยิ่งไปกว่าทังนั้นเราเป็นสตรีแล้สบ้ายดีใช่ไหมพระพุทธเจ้าไห่ไ้ฝึกสตรีมีฝึกบุรุษคําพูดในลักษณะนี้เป็นประธานนะคือเป็นในที่กล่าวบุรุษไว้เป็นประธานแต่หมายถึงผู้หญิงด้วยอย่างเช่นว่าพระราชาตเสด็จเนี่ย มีแต่เฉพาะระราชาหรือเปล่ามีบริวารด้วยฉันใดฉะนั้นคำพูดลักษณะนี้นะเป็นคำพูดที่เป็นประธานานาั่นนอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าภิกษุในสาวสนานี้ก็หมายความบอกว่าภิกษุเนี่ยคือผู้ที่จะเห็นภายในสารสารวัฏภิกษุกลับคือพระโสดาบันตระท่ า, านาราคะวิหารเนี่ยมีในสาวสนานี้นะย่อมยังฉันได้เกิดขึ้น ฉันทาในท <Het> ี่น right. <luding S 1> ั้นค hmm. ือเป็นความปราถนาเป็นความโมญายนี่เพื่ออะไรเพื่อความไม่เกิดขึ้นแห่งบาปอภิสวรธรรมที่ยังไม่เกิดนะหลักๆเลยก็คือว่าถ้าบาปอภิสวรธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ต้องยังฉันทายเกิดขึ้นใช่ไหมในการที่เพื่อความไม่เกิดขึ้นแห่งบาปอภิสวรธรรมก็พิจารณาตักันไว้หมดแล้วก็ย้อนยังฉันทาเกิดเพื่อละบาปอภิสวรธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว แล้วอัดยางฉันท่าให้เกิดขึ้นเพื่อทํากุศลม่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นแล้วก็ะทามฉันท่้เกิดเนะี่ยแล้วก็รักษากุศลให้เกิดทำกุศลมิให้เกิดขึ้ น, นแล้วให้พินโยภาพให้เกิดดีๆด้อันนี้เป็นเป็นชื่อของของความเทียนโดยแยกทายของผู้มีความเจริญอย่างยกตัวอย่างเช่นว่า เรามีความสุดใจใช่ไหมบอกว่าเออเกิดก็เป็นภัยนะแก่ก็เป็นภัยเจ็บก็เป็นภัยความตายก็เป็นภัยความวิบากทุกขาร์กก็เป็นภัยพอมาพิจารณาอย่างนี้แล้วหยุดอยู่อันนี้ชื่อว่าไม่มีความเพียรโดยแยกตายของผู้มีความสุดใจแต่ถ้ามีความเพียรโดยแยกคายของผู้มีความสลดใจเนี่ยก็เอาความเกิดแกเ่เจ็บตายเหล่านั้นามาตั้ง เมื่อตั้งแล้วก็ทําความเพียรให้เกิดข ah ึ้นอย่างต่อเนื ah ่องดีไปดีนี ah ้ประการต่อมาถือว่ากุศเลสุธรรมเมสุอสันรสุสิิตตาความเป็นความไม่สันโดษในกุศลธรรมนั้นหหละพนจึงมีสองการว่าเพราะว่าพระพุทเจ้าสอนบอกให้สันโดษใช่ไหมให้สันโดษแต่สันโดษในที่นั้นเน่ยต้องต้องไม่สันโดษในกุศล ยตัวอย่างเช่นว uh ่าไมเวลาเรารักษาศีลก็อย่าไปรักษามากเราต้องรู้จักประมาณในการใช่ไหมให้ทานก็ไม่ต้องไปให้มากศีลศีลสุตตภาพกรรมมาหรือเจริญกุศลอะไก็ค่อยเป็นค่อยทำคือเราสันโดดเข้าไปพู้เจ้าสอนแสนสุดทีบระเบงเลยเข้าอ้าวเขาไม่มักน้อยในการเจริญกุศลก็บอกว่า อสาสย์ตุจิตาจากกุเล ส, สุธทรมเมสุดได้แก่ความปรารถนาที่จะให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปของท่านผู้ยังไม่พอใจด้วยการด้วยการอบรมมุสุนัตถะก็แปลว่าถ้าอบรมสมีอ บ, มมอบรมสมาธิอบรมปัญญาวีโมทิยานตัชนะหรืออบรมสมถะและววิปัจฉนาอบรมความเชียรอบรมสมาธิสีอะไรต่างๆเนี่ยนะไม่ต้องไม่ต้องมก น, น้อย คือเล่นเต็มที่อ่ ะ, ะเย้าใจไหเราเราเว ล, ลาเจริญกุศลก็ทำค่อยเป็นค่อยไปจเจริญแบบ น, น้อยน้อยไม่ได้บุคคลพวกล่างพร้อมอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าความไม่ท้อถอยในการบำเพ็ญเพียรไม่จช่คำว่าประธานนัตสินอปฏิวานิยกาความไม่ท้อถอยในการบำเพ็ญเพียรตัวนี้สําคัญนเลยว่าเมื่อ เมื่อบุคคลตั้งพร้อมด้วยอสัญตุศิทาบำเป็นศีลคือทำศีลให้ตั้งมั่นย่อมยังชาให้เกิดขึ้นได้ชาแล้วก็เลื่อมวิปั ส, สนาเรื่องวิปั ส, สนาแล้วก็บรรลุมรรคผลย่อมไม่ย่อมจอมเสียในระหว่างไอ้ตรงนี้ก็คืออย่างนี้ว่าถ้าหากเราดูจากการบอกว่าไอ้วินัยเนี่ยนะวินัยก็เป็นเดชในการสารวจศีลเนี่ยนะ วินัยก็เป็นเหตุในการสํารวมการสารวมก็เป็นเเป็นปัจจัยเกิดราโมดนะครับาโมดก็เป็นปัจจัยเกิดให้เกิดปีติปีติก็เป็นปัจจัยเกิดปัสสัทธิปัสสัทธิก็เป็นปัจจัยเกิดสุขสุขก็เป็นปัจจัยเกิดสมาธิสมาธิก็เป็นปัจจัยให้เกิดปัญญาเป็นต้นทีนี้ถ้าเราอบรมใช่ไหมอบรมกายอบรมสีในการอบรมกายอบรมสีเป็นต้นในที่สุดจริงๆเนี่ย สีเป็นปัจจัยให้เกิดอะวิปัิสนาคือความไม่เดือดร้อนใจความไม่เดือดร้อนใจเป็นปัจจัยเกิดรา้วหมดดีๆปัจจัยสุกแล้วก็เป็นปัจจัยเกิดฌาทีนี้เมื่อฌานจิตมีบุตรของฌานเป็นอาจฉาเป็นต้นเกิดขึ้นมาแล้วก็ฌานนั่นแหละมาเป็นผ่านใงการเจริญวิปัสสนาแล้วเมื่อเริ่มเจริญวิปัสสนาแล้วก็ได้บรรลุคนละมากสองมากสามมากสี่มากที่มันมีโสดาปันดีมากบังสก่าคาคามีมากบังานาคาคมีมากหรืออรหัตมาก ในสมัยก่อนเนี่ยเขาก็ได้กันโครมาสสองมาแบ่นเงิได้กันมันไม่ได้ไม่ได้ส ม, ม า, า ม, มากเหมือนมาทั้งวันทั้งวันยูเดนมัสไม่ถูกดันั้นแต่ก่อนก็อันนี้เขาออแล้วย่อไม่ย่อหย่อนเสียในระหว่างก็แป ล, ว, ว, แล ว, ว่าถ้ายัางไม่ได้บรรลุ ม, มากเนี่ยกล่าวเพื่ออะไรกันบ้างเนี่ยมไม่ละความเพียรความไม่ท้อถอยในการมาเบียนเพียรอย่างยกตัวอย่างนะนะว่าเข้าไปก็สมาทานเอาละ เราสมาทานในการสมาทานในการรักษาสิ่งิบืต้เหล่านี้เอาอะไรเป็นตัวเอาเราเป็นจุดหมายปายทางเอาอาธิบุญเป็นจึดหมายมือนการเดินทางเ น, นี้ยในชีวิตที่ผ่านมาเราคิดยังไงเราคิดบอกว่าเออเนี่ยเราจะฝากบอต่อโซ่อุปสรรคในการจะทำมาอีกนึงเอาบอกว่าตั้งตัวได้ดีเกณฑยเนี่ยนะโอ้แล้วเราเราก็เคยประสบปัญหาในระหว่างทางเราเยอะแยะแต่ก็ไม่เคยท้อ ก็ไเปเคยท้อเจอปัญหาเจอโอทักเราก็เราก็ฝากฟังมาจนในที่สุทธจริงๆก็มาถึงปัจจุบันนี้ก็เออก็อถือว่าได้มาระดับหนี้ลักษณะอย่างนี้แค่ได้ว่าความไม่ท้อถอยใยนการลงเพ่งทีทีนี้พอในยากษ์ตรงกันข้ามในการที่จะมาเจริญในององามในพระสาวกหนาท่านจะทําแบบนี้ท่านเอาอรหัฒมะมรรคอร่าพัฒผลที่เป็นตัวตั้งเป็นเป้าหมายที่ท่านก็เริ่มความเพียน ทีนี้ในขณะที่เริ่มฟังเพียนในอุปสรรคมันก็เยออยู่แล้วใช่ท่านก็ไม่ทอ้อไอค้คำไม่ท้อตัวนี้ บ, นนบาลีใช้่านใช้คว่าประทานนัสหมิ่นอภิวานิกาเขาบอกความไม่ท้อต่อยในทางมัเป็นเพียงพอเกิดอุปสรรคเกิดตัณหาอะไรต่างๆเหล่านี้ท่านก็ตั้งความเพียนในการที่จะทาความเพียนให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปลักษณะอย่าง น, นี้เขาเรียกว่าไม่ ท, อท้อตอย ถ้าในสมัยนี้างพุทธกาลหรือหลังพุทธปฏิพานแล้วเนี่ยรู้สึกในเรื่องของความเพียรเนี่ยท่านท่านโบเกตที่สม่องฉมองอ่องนั้นะเห็นแต่ละแต่ละองค์แต่ละทา่านนีนะเวลาจะตั้งความเพียรขึ้นมาในหน้ากรัวจิตใจท่านอยูในขนาดนั้นก็คือเวลาจะตั้งความเพียรเนี่ยอย่างที่บอกว่าบางองคเนี่ยเวลาเจอเข้าท่ามาแล้วก็คิดว่าเอาละทําไมได้บรรลุก็อย่าออกจากคำนี้เลยเนี่ยนะ แล้วท่านท่านเอาไปอย่างนั้นเลยนะทีนี้อย่างเราสมมตินะยออยู่เนี่ยเราก็จะเข้าทำแล้วก็จะบอกเอาละเจ้ามันไม่ได้มรรคผลอะไรต่า ง, มงไม่จะมีการออาเด็ดตั้ตายก่อนเองคือคือที่เขาทาอย่างนี้เพราะอะไรเขามีจุดมั่นใจในยุคหลังๆเนี่ยมันมีพระเกล้าอยู่รูปหนึ่งไยท่านเข้าไปในตาตาจังหวัดจันท บ, บุรี ในขณะที่ท่านไปที่ที่ต่าที่จังหวัดแก่นเจ้าปุริท่านบอกว่าพอไปถึงปุ๊กนี่เนะี่ยท่านก็ไปอย่างนี้ตลอดใช่ไหมตกมามีมีอยู่ปีเดียท่านก็ตั้งในใจบอกว่าเออนเราเนี่ยเข้ามาในขั้นสามสนานี้ก็ก็มากแล้วเอีายขณะเล ย, อยบอกแค่นี้นนท่านบอกว่าข้าหาว่าไม่ได้ ไม่ได้คุณวิเศษอะไรในใจเนี่ยจะจะไม่ออกมาแล้แล้วท่านก็หายเนี่ยไปเนี่ยตั้งสามสี่เดือ น, นเนี้นะแต่ท่านก็ออกมาแต่รู้ท่านได้อะไรหรือเปล่าเนี่โดยถ้าหากว่าคิดพิพพจารณาอย่างนี้เขาเรียกว่าประธานนัสหมินอภิติวานิตาความไม่ทอดผอยในการบำเพ็ญทีนี้ความไม่ทอดผอยให้สังเกต ด, ด้วยนะว่า ในคําว่าอรรสัญตุทิตาจากกุสเรสุทามเมสุอปติวานิตาจากปท า, านาสมินเนี่ยที่บอกว่ากุสเรสุทามเมสุอรรสัญตุทิตาความไม่สันโดษในกุศลธรรมทั้งหลายตรงนีทํางานมากความคิดในการที่จะเจริญงอกงามในกุศลธรรมเนี่ยเบื้องต้นเลยเนี่ยท่านห้ามสันโดษห้ามสันโดษก็คือว่า ความปรารถนาที่จะให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปของท่านผู้ยังไม่พอใจด้วยการปกดมกุศลธรรมทีนี้วิธีคิดก็คือว่าในปัจจุบันเนี่ยนะในปัจจุบันเนี่ยนว่าศีนักกุศลติมเข้าไปทานนกุศลถามว่าทานนักกุศลของเราเนี่ยเราพอใจหรือยังเห็นไหมที่เราให้ทานมาเนี่ยทั้ง เจตนาในการให้ทั้งวัตถุคือของที่ควรให้ทั้งบุคคลที่รับเป็นต้นเหล่านี้ย่มันมันได้สมปราธนาของเราหรือยังทีนี้ถ้าหากว่าอาศันตติตาจากอุเชเสุธรรมเมสุเขาเรียกว่าได้แก่ความปราธนาที่จะให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปถ้าความคิดของพระพุทธ์าสนาชัดเลยว่าวิธีคิดของท่านเนี่ยยกตัวอย่างเช่นว่า ใหม่ๆเน IA, ี่ยท่านก็ให้ให้แบบสิ่งของธรรมดาอันนี้เป็นทางง้อไว้ได้เพราะนักเข้านหนักเข้าเนี่ยท่านก็ให้เรื่อยๆและของก็ยิ่งมากขึ้นมากขึ้นพอให้ของข้างนอกเสร็จเสร็จตอนนะ่อมาท่านเริ่มมาคิดว่าไม่ไม่ไม่มันยังไม่สมใจกับที่ท่านปราศรัยเพราะว่าท่านะก็เริ่มมาคิดในร่างกายของท่านก็เริ่มให้อวัยวะทีไหม <G ün> พอเริ่มให้อวัยวะเป็นทานท่านบมันยั ง, งมันยังไม่ยังไม่สมใจท่าน ในยุทธูงจริงเนี่ยอัตยาสายในยุทธือีให้ชีวิตเลยนั่นให้เลือกให้เลืออันนี้แสดงให้เห็นนะว่าท่านัมีความปรารถนาที่จะให้ยิ่งๆขึ้นไปด้การอบรมดูส่วนหน้าธรรมอันนี้ระดับอะไรระดับสัมมาแลือโริยาณนะถ้าระดับปัจเจกโพธิญาณก็ลองลงมาถ้าระดับอย่างสาวกโพธิญาณระดับอย่างภาพสาวิตรพระโพธลาพรโพธลานนะอันนั้นก็สาวลองมา ทั้งละงหลายของการให้เนี่ยที่มันมีการลดหลั่นลงออมานั้นอันวัดกันตรงไหนว่ากันตรงที่ว่าความไม่สันโดษในกุศลธรรมของคนมันไม่เท่ากันบางคนเนี่ยจเจริญนกุศลธรรมบอกไม่สันโดษดีกุศลอะไรก็ข้างฟูหลอองมาถ้าอย่างระดับพระโพธิสัตว์หรืออดีตอกองพระพุทธเจ้าเนี่ยเขบอกเหมือนเทนำะำอย่าะบอกเลยไม่มีติดข้างเลยถ้าอย่างเราเอาอย่าง น, นี้เไว้ก่อนใช่ไหมอันนี้อันนี้ให้ได้อันให้ไม่ได้ก็แยกแยก โดยสรุปก็คือว่าถ้าของที่เรายังเห็นดีๆอยู่ก็ยังไม่กรอยากจะให้ถึงแต่ถ้าของที่จะให้คนอื่นก็ถือว่าเออของนั้นเน่ยเราก็ไม่ค่อยเสียสมเสียใจเท่นแต่ถ้าใจของพระโพธิสัตว์เนี่ยถามเอาเอาผู้รับเป็นประมาทว่าผู้รับเนี่ยเออหะันาอะไรชนี้ที่จะเขามาเนี่ยเขาต้องไม่ผิดหวังต่อกบบที่ในทานของศีลและกุศลก็ไม่เท่ากัน ที่การอบรมเนี่ยนะถ้าสีละกุศลของของระดับของระดับพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าปาัติโมกสังวรสีเนี่ยอย่างสูงสุดเขาเรียกว่าชนิดที่ว่าเป็นปัจจัยแก่การที่จะยังสำ ม, มาสงปูริยานี้ตั้งขึ้นได้และโดยเฉพาะอินทร์สังวรสีก็โหระดับสูงเ่ย แล้วก็รดไหลงมาตามลําดับนะเขาเรียกว่าความไม่สะ ด, ดุดถ้าอย่างเราทั้งหลายเขาบอกเฮ้เราจะอบรมเนี่ยที่บอกว่าความปรารถนาที่จะให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปของท่านผู้ยังไม่พอใจในการอบรมสีเลิศกุศลก็พิจารณาดูว่าสีเลิศกุศลของเรา น, นั้นน่ะสามารถที่จะทําให้เกิดขึ้นในชีวิตจริงๆได้มากและได้บ่อยไหมเช่นเราไปสมาทานสี ต, ตอนเช้าแล้วนี่นะพอสมาทานเสร็จบางคนก็แค่นั้นแหะจบแค่ตรงนั้นเขาวันหนึ่งอบรมได้เพียงครั้งเดียว แล้วก็ไม่เคยคิดถึงสีอีกเลยตั้งแต่24ชั่วโมงเลยนะแต่บางคนเนี่ยเขาสามารถอบรมได้มากกว่านั้นบางคนก็อบรมได้เป็นสิบๆครั้งยี่สบครั้งสาสิบครั้งคือวันหนึ่งก็สามารถเกิดเรื่อยๆถึงสีตลอดคืออารมณ์ใดๆต่างๆที่เข้ามาต่างๆรบบยู่ในหู่บัญญกาิใจก็ทําดุศลาสีนี้ตั้งขึ้นได้เป็นสิบครั้งแต่บางคนมากกว่านั้นเนี่ยบางคนนั้นแค่จะจับได้แทบจะทุกๆอารมณ์เลยยกตัวอย่างแค่นเรานั่งในรถเนี่ย นั่งในรถเนี่ยมันสมมติเราไปนั่งมึรถคนอื่นเขาขับรถเนี่ยมันมีของที่จะหยุดฉวยเต็มไป ห, หมดถ้าคนที่มีกุศลศีลดีๆเนี่ยมองไปตรงไหนไม่ได้สมบัติล้มเราเลยใช่ไหมเขาก็สมรวมระวังก่อนแม้แต่จะจับจะแตะจะต้องอเไรต่างๆอันนี้ก็พิจารณาทำกุศลศีลให้ตั้งขึ้นอย่างต่อเนื่องถ้าในลักษณะอย่างนี้แสดงให้เห็นชนัดว่ากุศลศีลทุกท่านเหล่านั้นค่อนข้างค่อน ข, ข, ข้างดีเขาเรียกว่าเขาไม่เขาเป็นคนที่ไม่ไม่สันโดษในกุศลธรรม ไม่ใช่ว่าเื้ยเราอย่าทาให้สินุบุญเกิดมากแล้วต้องสันโดดอันนี้ไม่ได้อันนี้เขาเรียกว่าเป็นคนเจริญทำม้าผิดแค่นั้นพอสินุบุญเนี่ยพอสินุบุญเนี่ยนะพอความไม่สันโดดในบุญแล้วทำมีสินุบุแล้วเนี่ยมันจะควบคู่กันก็คือว่าประทานักหนิงอัปฏิวานิสาความไม่ทอดถอยในการบำเพ็เพียรก็แปลว่าแล้วก็ไป ข้อเนี้ยเป็นสนับสนุนตรงที่บอกว่าเวลาเราท่านทั้งหลายเนี่ยนะอย่างที่ได้ยกตัวอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยที่บอกว่าคนที่เขาประกอบไปขีดตามการงานเนี่ยเขาเอาเขาจุดสูงสุดของการทํางานเป็นตัวตั้งยกตัวอย่างเช่นว่าเมือเขาเกิดมาในชาตินี้เขาจะต้องเป็นเจ้าของบริษัทที่ได้สมมตินะนะเขาไปตั้งความเทียนเขาไว้ถ้ายังไม่ได้เป็นเจ้าของบริษัทเขาก็ยังไม่ราความเทียนเนี่ยลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าเอาเอาเอา ไปตั้งตั้งเป้าหมายไปเียงไว้แล้วก็เคียนแบบไม่ย่อหย่อนอันนั้นทางโลกแต่ถ้าทางทารเขาเนี่ยนะถ้าทางเขาเนี่ ย, าา เ, ยเขาเอาอะไรเป็นตัวตั้งอย่างเราท่านทั้งหลายก็เอาเอาการบรรลุธรามเอาการบรรลุธรรมเป็นตัวตั้งบางคนก็เขาไปคิดกันหแบบนะชาวพุทธเนี่ยบางพวกก็คิดที่จะหลักานาเป็นพระพุทธเจ้าอันนี้เอาสัมมาสัมโพธิญาณเป็นตัวตั้ง บางพวกก็คิดปรารถนาจะเป็นพระปัจเจกหรืพุทธเจ้าอันนี้ก็เอาปัจเจกหรพทิยานเป็นตัวตั้งบางพวกก็คิดที่จะเป็นสาวกบารมียานคือเป็นอัครสาวกเบื้องขวาหรือเบื้องซ้ายก็เอานั่นแหละสาวกบารมียานนี่แหละเป็นตัวตั้งบางพวกก็เอาอาศิตีมหาสาวกนะก็เอาระดับแสนกลับนี่เอาอาศิติีมหาสาวกเป็นตัวตั้งบางพวกก็เอา เป็นพุทธอุปถาเหมือนอย่างท่านพระอานุนบางพวกก็เหมือนกับเป็นพุทธบิดาบางพุทธมารดาบางเบ็ดต้นเหล่านี้ลักษณะอย่างนี้เขามีตัวตั้งของเขาเกาะบางพวกก็บอกว่าอะไรก็ได้ขอให้ ก, ก้นทุกข์ก็แล้วไม่ต้องคิดไกลเเอาเอาขะความ ก, ก้นทุกข์เป็นประมาณเมื่อคิดอย่างนี้เสร็จแล้วตอนนี้ก็เริ่มนะก็เริ่มในการที่จะอเจริญกุศล ิีนี้กุศลที่มันขั้งพลูออกมาเป็นทางกุศลศีลกุศลหรือภาวนากุศลที่มันขั้งพลูออกมาทางกายกรรมยีกรรมนโนกรรมนี่นะที่มันขั้งพลูออกมาเนี่ยมันจะมีอุปสรรคที répondre. ่อุปสรรคต่างๆที่มาคอยขัดขวางเนี่ยตรงเนี้ถ้าคนก็มีประธาน่นจะหนิงอปติวานิยกาโลกความไม่ท้อถอยในการบเป็นเพียรเขาเขาไม่ท้อไม่ถอยอย่างดูในสมัยหลังๆที่ยกตัวอย่างที่บอกว่า เวลาเขามาเขาตั้งจิปราศจกนานะว่าเขาจะบรรลุธรรมเขาทิ้งสมบัติไปสี่สิบโกดแดสิบโกดออกบวชเนี่ ย, ต, ออนนยต่อมาต่อมาทางน้องน้องไอ้ภรรยาของน้องชายก็กลัวว่าเดี๋ยวสิบกลับไปก็จะไปยึดสมบัติกลั บ, ล บ, ลบคืนก็เลยจ้างโจนมาตามฆ่าเนี่ยี่โจนกจ็ตามไปล้อมพอไปล้อม เ, เสร็จก็อาเทรานี้ก็ถามบอกเออพวกท่านมาเลย ว่าเขาจ้างให้เอาชีวิตท่านพระเทล่าเรบอกว่าเออขอต่อรองได้ั้มขอสักคืนนะคือให้ให้สิบสองชั่วโมงผ่านไปนะถ้าท่านเอาชีวิตเข้ามาเจ้ายไม่มีปัญหาอาจะมาไม่เร็วนะทีนี้ทางโจรก็ถามบอกว่าเออแล้วเข้ามาเจายจะมีอะไรเปนหลักปรกันพระเทละ ก, ก็แปลกยาข้อหินใหญ่ๆมาสองกมากน ม, า, ก า, มารักบกขายสองครัน พอทบ เ, าเขาละเอียดปุ๊บก็ต้ถามโจนบอกว่าอันนี้เป็นหลักประกันได้ยอันนี้บ่งบอกความไม่ท้อถอยในการบำเพ็เพียรของท่านเราคืออันนี้ไม่เสียานนาดายละเพราะว่าความที่ตําเวนที่ต้องการเล่นเพื่อจะให้บรรลุอันนั้นเป็นเป้าหมายสูงสุดมากกว่าอย่างอื่นไม่เสียดายแม้แต่ขามันจะหักอะไเนี่ยนะถ้าถ้าในกรณีอย่างเนี้ย ซเคยตั้งคำถามเราตัานทั้งหลายว่าอย่างสมมติเราเนี่ยเอาเลยแล้วมาศึกษาคําสอนว่าเราก็จะไม่ท้อถอยในการมบวางเพียนเอาอจะผลเป็นตัวตั้งแล้วเราก็จะทําสีใช่ไหมทําสีให้ตั้งขึ้นเราก็จะทําสีให้ตั้งขึ้น ทีนี้เมื่อทำศีลได้ตั้งขึ้นแล้วศีลก็จะเป็นปัจจัยเกิดกลางโมปีติปัสสพีและความสุขแล้วก็สมาธิสาวูทานแล้วก็จะเจ้าชานั้นเป็นบาติการเจริญวิปัสนาแล้วก็จะได้บรรลุมรรคผลมีโสดาปันดีมากเป็นต้นพอคิดอย่างนี้นะก็ตั้งความเพียทีนี้บางคนบอกเอ้าเราได้หลักการอย่างนี้เราก็สร้างความเพียรแบบตั้งแบบจริงๆเลยนะ ก็หมายความว่าเอาชีวิตเป็นเดินพันของเขาแล้วถ้าเราไม่ได้บรรลุมรควนเราจะไม่ออกจากป่าหรือเราจะไม่ออกจากถ้ำเราจะไม่เราจะไม่ยอมออกจากสถานที่ปฏิบัติถ้าอย่างเราถ้าไปสร้างอย่างเนี้ยมันไม่พอที่บอกมันไม่พอว่าะอะไรเมื่อเหตุตัดใจในอดีตอันนี้บางท่านอาจจะพอไหมทาไมคนบางคนตั้งไม่ได้หรือตั้งแล้วทำไมยังล้มก็เพราะเหตุเกื้อหนุนในอดีตมันไม่เพียงพอ นันบางคนเนี่ยเหตุเกื่องบุนในวดีที่ผ่านมาเนี่ยบางทีมันมีแค่สมมุติว่าเราจะเรามีเหตุเกื้อหุนแนวดีมาเพียงแค่สักประมาณสิบเปอร์เซ็นแต่มันไม่พอเนยมันไม่พอเหตการที่จะแทงตลอดสัจจ์กลับมาแทงตลอดทุกเป็นต้นอันนี้ถึงตั้งก็ตั้งเดินมากก็ล้มดิถ้าถ้าอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยให้สังเกตดูนะว่าก่อนที่พระพุทธเจ้าจะ จะไปที่ใต้ต้นหสีมหาโพที่จริงต้นไม้เนี่ยแปลงไปอย่าง น, นะเพราะพพุทธเจ้าเนี่ยต้นไม้ต้นใดก็แล้วแต่แต่ก่อนเขาไม่ได้เรียกต้นโพนะแต่พอพระโพธิสัตว์หรือพระพุทธเจ้าเป็นนั่งประทับที่ใต้ต้นไม้ต้นตนี้แล้วแทงตลอดสัดจาะแทงตลอดโพธิปยาธรรมได้บรรลุเป็นปรรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้นไม้นั้นก็เลยเรียกว่าโพธิที่เรียกว่าโพธิเพราะอะไร เป็นสัญลักษณ์บอกว่าพระพุทธเจ้ามาบรรลุส wow. ัมมาสัมโพธิญาณที่ต้นไม้นี้นะก็เขาเรียกว่าต้นโพนะก็คือพระพุทธเจ้ามาแทนตลอดสติปัฏฐานสีสัมมาปัฏฐานสี่อธิบาทสีสีห้าพละห้าโพตรชมเจ็ดอริยมรรคแปดที่ต้นไม้ตรงนั้นนั่นแหละเขาจึงเรียกว่าโพเรียกว่าต้นโพ ฉะนั้นถามบอกว่าตอนที่พระโพธิศัตว์จะไปตัรู้เนี่ยจะไปตัรู้สัมมาสัมโพธิญาณเนี่ยทําไมพระพุทธเจ้าถึงมั่นใจว่าเราจะได้ตัศนุเห็นไหมธอทําไมถึงมั่นใจว่าตัวเนี้ยวันเนี้ยนนเราได้ตัสรู้แน่นอนมันมีมูลกิก่อนหน้านั้นเน่ะพระพุทธเจ้าทําอะไรหลังจากรับข้าวมาันผู้ปายาจันางสุชาดาแล้วเนี่ยพระองค์ก็ไปที่ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญเจรแล้วก็ไปอธิษฐาน บอกว่าถ้าบรารมีธรรมที่สั่งสมบอบรมมาเนี่ยเต็มเตียบที่จะได้กัจจรูร้นุตราชสัมมาสมัมโพธียางขอให้ถาดนี้ลอยทวนกระแสใช่ไหมถาดนั้นก็รอยทวนกระแสน้ําไปแตติดอกแล้วก็จมลงเันนี้อันนี้ถามบอกว่าถ้าไม่เห็นความมอัศจารย์อย่างนี้ความมั่นใจไม่เกินนีนประการีชเลยส่วน น, นนี้ประการหนึ่งก็คือทรงสุบินนี้ในสุบินสุ ที่พระพุทธองค์ก่อนที่จะได้สับสรูปทรงสุบินนิมที่สุบินนิมิตอยู่ข้อที่บอกว่ามียาค้าแม่งงอกจากนาทีจากตะลึสูงขึ้นไปถึงโมบวบัคคุลมนันค้อแล้วก็ส่วนอีกข้อหนึ่งก็บอกว่า อ, อฝันว่าพื้นแก่นดินเนี่ยเ ป, เป็นเป็นที่นอนและภูเขาซีเรียลุเป็นหมอน ใ น, นขอ้อส่วนในข้อนี้นก็บอกว่าทรงดำเดินด้วยเท้าเปล่าแล้วก็เหยียบย่าไปในมูดและคูดอุจจาระและปะสัสสาวะแต่มูดหรือคูดนั้นก็ไม่ก็ไ ม, กไม่ก็ไม่แปกเปลี่อนเพราะ่าก็ไม่แปกเปลี่อนเพราะ่าจมนมวิปปิปประตูเพื่อเข้าเปิดไจข้างในเปลียน ล, ลักษณะอย่างเนี้ยพระองค์แล้วต่อมาพระคิดบอกว่ามีหนอนในตัวขาวหัวดำๆตายขึ้นมาถึงพระชานุแล้วก็บอกว่าอีกข้อนึงก็มีนกสี่สีดินมาหยาที่ทั้งสี่มาดินมาแล้วก็หมอกทุกที่ทุกบัดฉะนั้นความมั่นใจในลักษณะอย่างนี้เนี่ที่บอกว่าพระองค์จองตั้งจิตจะที่ถามบอกว่าถ้าไม่ได้ศัตรูอนุตตรสัมมาสัมโพริญาณจับมจไม่รู้ขึ้น ใช่นคนที่มีความมั่นใจตนเองอย่างนี้เบ็ดเสร็จแสดงเห็นใชาหรือเปาบารมีทําที่กระตุ้นเกินทางด้านจิตใจนั่นอย่างหนึ่งเป็นแรงขับดันทำให้มีความมั่นใจแล้วก็กล้าที่จะพูดตรงเนี้ออกมาแต่ถ้าอย่างเราท่านทั้งหลายบางทีมันไม่ถึงใหลายคนเวลาไปตั้งเจตนาบอกเอาเลยเราจะต้องเข้าอย่างงี้เได้น้าเข้าหน้เข้าเราเลิเกลงมกโนบอกว่าเนี่ยสยยัญญาณใครจะเจริญจะสมาทางถิ่นทุกวันเลย พอทำไปได้แค่สองสาวันบอกเอ้าทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ลงมาตามสิเริ่มล้มไปทั้งนั้นลักษณะอย่างนี้เพราะความเขาถอยในในการโมกเพียรอีกคำหนึ่งเบอกว่าอปติวาอินิตาจากอัปนัสนิงเขาแปลว่าอาการที่ยังไม่บรรลุอาจจะอรักตผลแล้วไม่พอถอยในความเพียนที่เรื้อเริ่มโดย อ, า อ, อ, ยาอํานาจเขาเรียกว่าชาไรลานิโยบเขาแปลว่าทําทวันคืน ให้เป็นหกส่วนคื อ, อกลางคืนก็ทำสามส่วนกลางวันอีกสามส่วนกลางคืนสามส่วนก็คือว่าตั้งแต่หกโมงเช้าถหกโมงเย็นถึงสี่ท่เนี้ยเขาเรียกว่าทมเมยามถมเมยามเนี่ยทำยังไงคําว่าชาตริยา์โยคเลยนะเขาเรียกเป็นผู้มีความเพียรดึงเครื่องตื่นเนี่ยถามว่าเราได้หลือตรงนี้หรือเราพอจะส่งข้อตรงนี้ได้ไหมก็คื ว, ว่า ระหว่างตั้งแต่หกโมงเย็นไปจนถึงสี่ทุ่นเนี่ยเราอยู่ในียาบดยืนเดินนัง่งเว้นอียาบดนอนนะแต่ยืนเดินนั่งเนี่ยไม่ใช่ยืนเดินนั่งโดยความฟุ้งเนี่ยจะมีกรรมาฐานในการยืนในการเดินในการนั่งอยู่ในกรรมาฐานาาฐาน่ะจะกรรมฐานบวดได้บวดหนึ่งก็ได้บางคนก็ปาลวอภาณาภาณาสติบ้างบางคนก็ิียาบดบัพบางคนก็สองประการ ย, ย้า บ, บัพบางคนก็กายคต า, าสติอะไรก็ออกประวัย แล้วแต่ที่เราจะทำนานบางคนก็จะเลยพุคุณเลยนะยยืนเดินนั่งเว้ น, นวอินยาบดนอนแต่ถ้าจะนอนก็ได้แหะก็าจะขอให้ปฏิบัตินะไม่ได้นอนหลับนะต่เดินมากท่านจะเว้นแล้วก็ส่วนมัดชิมายามมัดชิมายามก็คือตั้งแต่สี่ทุ่มถึงตีสองช่วงนี้เขาจะทักทักแต่นนก็นอนแต่แขงเบื้องขวานแต่ต้องมีสติสัพพัญญา ในอันที่จกกะาาจา ก, กจะาหนดหมายว่าจะลุกขึ้นก็แปลว่านอนแล้วก็เพียงพักก่อนร่างกายเท่านั้นเด็กจากตีทุ่มถึงตีสองในสี่ชั่วโมงมีสติสมัยเช้าย่านในอันที่ว่าจะลุกขึ้นตั้งจิตหมายว่าจะลุกขึ้นอยู่ตลอดเพราะตั้งแต่ตีสองจนสว่างในหกโมงเช้านี่นะอันนี้ก็ลุกขึ้นมาทําความเพียงในวินาทีเดินนะี่ตอนคืนก็ทําเป็นสามระยะ ต, ตอนวันก็ทําเป็นสามระยะแบบนี้นะึ่งรวมเป็นหก หกส่วนหกระยะถ้าทำได้ในลักษณะนี้ก็เรียกว่าคนที่มีความเพียรเป็นเครื่องตื่น <c oughs> ทำย่งนั้นะนแต่ว่าม า, มาระยะมาระยะปัจจุบันเนี่ยเคยถามหลายคนยังไม่เคยเจอยังไม่เคยเจอเยครับส่วนที่ท่านกล่าวไว้ว่าการทำโดยตั้งใจ การทำติดต่อการทำไม่หยุดการประพฤติแบบไม่ไม่ย่นไม่หย่อนไม่ทอดทิ้งความพอใจไม่ทอดธุระการเสร็จคุณการทำให้มีขึ้นและสกสารมากในการเจริญบุญส่และทำทั้งหลายก็คือว่าจิตใจขมักขมเณนตรงนี้ตรงนี้ต้องชื่อว่าเป็นความไม่ท้อถอยในการบำเพ็ญความเพียรจริงคือเขทําแบบไม่หยุดเช่นการเจริญทานศีลภาวนาทำแบบไม่หยุด เสกคุนตลอดเวลาไม่ทอดทุลาแล้วก็ทําให้มากคือว่าทําวันและคืนที่ผ่านไปโดยไม่เสียเปล่าแล้วก็มุ่งมั่นเนี่ยที่จะเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปวันหนึ่งวันหนึ่งก็ตรวจสอบตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าเออมันมันมั น, มนจเจริญนอกงามใน ก, กุศลธรรมมากยิ่งขึ้นไหมหรือมันถอยลงเขาเรียกธรรมะธรรม่นมุ่งมั่นเสกคุณอยู่ตลอดเวลาจิตใจไม่ได้หมกมุ่นในเรื่องกลางแต่เสกคุณในด้านตรงนงม้ครับ คือการออกจากกามออกจากความออกจากอายาบาทออกจากกรรมคุณแล้วก็ออกจากกรรมเียดเบียนแลนะ้วก็เจริญเมตตาเจริญพุทธคุณเป็นปตนหลักที่อูเป็นเรื่องีเนี่ยนะอย่างนี้เขาเรียกว่าทาให้มีขึ้นทาให้มากในการเจริญบุสรรทั้งหลายอย่างนี้เขาเรียกว่าเก็บอริยทรัพย์ตรวสอบทุกวันวันี้เรายากจนหรือหรือหรือไม่ยากจนถ้าเราไม่มีสีเลยไม่ศรัทธาถึง ส, สุดหาจราระาเป็นยาวไปก็ือคนยากจนนี้นะ เขามาตรวจสอบเหมือนคนที่มีทรัพย์ทางน อ, อกระเหมือนกันไป ต, ต, ตลาดไปตามศูนย์การค้าต่างๆคว้าตัวไปในกระเป๋าดูจะหาเงินหาหต่างไม่มีที่เขาเรียกคนจนคนจนทีนี้ต่อมาสอบถามบอกว่าทางด้านพระธรรมที่ไหยก็มาไปดูพิจรารณาดูกายกรรมวิีกรรมถ้าเราไม่มีกุศลเลยเขาเรียกจโจรนิดนึงเขาเรียกคนอนาถ า, าถ้าคนอนาถ า, าเนี่ยเขาเรียกว่าเลือกไม่ได้ เลือกที่เกิดไม่ได้แต่ถ้าเป็นพวกมันเหมือนกับคนรวยใช่ไหมเขาอยากจะมีบ้านใหญ่ๆเจอๆเขาสบายได้อยากจะซื้อสิ่งของต่างๆเสื้อผ้าเสวยๆทุกงานก็อยากซื้ออะไรก็จะซื้อได้เพราะเขามีทรัพย์คนถ้าไม่มีอยากทรียสบเนี่ยแต่แรกสุขติภูมไม่ได้ไม่แรกสุขติภูมไม่ได้นี่เป็นอย่างี่เป็นอย่างนี้นะเนี่ยสองข้อนี้ก็คือว่าความไม่สะนโดในการเจริญรุ่งเรืองแะทำเมห่อไรและความไม่ทอต่อในการป็นเพี่ย ประการต่อมาก็คือธรรมะหมวดสองเกี่วิชาจะวิมุตติจะวิชาใป็นความรู้แจ้งวิมุตติยยก็คือความหลุดพ้นปัสกาถ่านขยายบอกว่าวิชาได้แก่วิชาสองก็คือปุเพนิวาสารสติญาณจุตูปปาตายานแล้วก็อาสวะอัยย า, ยานเนท้าถ่าวบอกว่าคุณมีวิชาไหมเนี่ยเนเดี่ยวผมพูดพระเจ้าเนี่ย สมบูรณ์ตรงเนี้ยเวลาเราพิกจูพิจูนิบาอุบาติกาหรือว่าพฤหัสหรือคนอายกก่อนเข้าไปหาพระพุทธเจ้าเนี่ยจะไปหาพระพุทธเจ้าไปเทียบเทียงด้วยฐานะพระพุทธเจ้ามีวิชาสาวในเจ้าพระองค์นี่ภินญ์ยาวของในพระองค์ก็มีใช่ไหยนี่ปฏิสัมพิทาญาณสีไหมพระองค์มีนี่พระพุทธเจ้านสมบูรณ์ฉะนั้นพระองค์เนี่ย จะไปยังไงก็ได้เพราะผมจะห า, หายไปในอากาศก็ได้จะทำบุคคลหนึ่งให้เป็นพันคนหมื่นคนแสนคนก็ทำได้หรือว่าจะห่อหือไปณที่ไหนก็ได้ชนิดที่ว่าสมบูรณ์แบบแต่รคติดของพระพุทธเจ้าไม่ใสสมบูรณ์ <c oughs> ไม่เคยสมบูรณ์อันนี้หมายถึงเรื่องหลังเลยกา น, นวิชาเนี่ย จูอ๋อไอ้ปุกเพนิวาสานสติญานเนี่ยหมายความว่ายาที่เป็นไปกับสติที่ตามระลึกชาติลึลหลังของตัวเองเนี่ยอย่างเราท่านทั้งหลายเนี่ยนะราลึกการกระทําของตัวเองได้ไม่ได้ในปัจจุบันอาภพเนี่ยเราระลึกได้ไม่ได้แค่ น, น, นี้มากเราระลึกบางทีไม่เก็ดไม่หมดหแล้วไม่ละเอียดด้วยเพราะเราไม่มีปุกเพนิวาสานสติญาถ้าบอกว่าตั้งแต่ตื่นเช้ามาจนถึงนี้ ถึงถึงบาสองโมงเนี่ยถามวากู้ไปกี่ครั้งแเนี่ยเรียบร้อยเลยจะไม่มีได้เพราะเราไม่มียานอนี้เรากินข้าวมันมาแล้วเนยสองมื้อเนี่ยตั้แต่ตอนเช้าไปตอนเี่ยงเนี่มื้อละกี่ร้งแค่นี้ไม่เคยน้ำเลยพราะติเรามันไม่ไม่ไม่ียงพอในการทจะจดจรายละเอียดตรงนั้นได้จได้าวซึ่งไม่เหมือนกันกับพระพธเพราะจามีวิชาี วิชาเนี่ยไม่ใช่ได้มาเป็นความฟุ้กนะแต่มันได้มาด้วยการบำเพ็ญดในการบ่มในการอบรมมายาวานกว่าที่จะทําวิชานี้ให้สังเกตขึ้นมาได้เนี่ยเสียสองไข่กำไรเฉลี่เก่าในการสั่งสมอบรมบารมีมาเนี่ยไม่ใช่โยโยๆก็ตทงไม่ได้เลยวิชาสามง่ายๆขึ้นมามีท่าต้องทาาเพียนต้องเจริญต้องอบรมต้องทนทุกข์ทรมานในการที่จนั้นถ้าเราไปถามคนที่เขาประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ย ตั้งแต่ที่เขาจะมายืนอยู่แถวหน้าของคนได้แสดงว่าเขาสาหัสหกันมาทั้งนั้นทีนี้หรือคนที่จะจบด็อกเตอร์นเนี่ยนะไม่ใช่ว่าอยู่ๆแล้วมันอยมาอะไรก็แบบพวกนี้แปลว่าเขาเรียนจะนีท่ทต่หูแบบเอาจริงเอาจังมาทั้งนั้นทีนี้ยิ่งบารมีทำเหนือในการสั่งสมในการอบรมตัแต่ไรชาตนเก็บของตรองเล็กก่อนที่จะได้เก็บเล็กะสมน้อยเขเนี่นะ จนกว่าจะได้วิชาที่หล่งดาวคือปุกเพรนิวาสานิตยาัไม่ใช่ของห น, าน้าฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงก้า ย, ยาืนยันว่าพระพุทธเจ้านีวิชาเหมือนในบทที่เราสวดธรรมาจากตัปวันทณาสูตรใช่ไหมครับอีทังโคกนนะพิฆเวทุกขังอริยสัจจันบอกว่าจากขูอุธะปาที่จากขูอุทะาปาที่เนี่ยจากขูเกิดขึ้นแล้วหมายถึงปัญญาจากขูนะ ญาณอุตปาที่บอกว่าญาณเกิดขึ้นแล้วญาณนะวิชาอุตปาปัญญาอุตปาที่บอกปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชาอุตปาที่บอกวิชาเกิดขึ้นแล้วอโลโกอุตปาที่บอกว่าแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วพระเจ้าพิมยันบอกว่าบอกว่าจักขุเกิดขึ้นแล้วญาณนะเกิดขึ้นแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วกับเรากับเราเนี่ย ที่เราไม่เคยมีครูบาอาจารย์มันเกิดขึ้นมาแล้วด้วยการบําเพ็ญเพียรด้วยการอบรมด้วยการสั่งสมนใหม่พระพุทธเจ้าทิ่งประกาศให้กับที่วดามนุษย์เทวดาและพรทั้งหลายแล้วความรู้ของพระพุทธเจ้าเนี่ยเมื่อรู้แล้วไม่กลับกำเลิกใหม่แต่ไม่เหมือนกับพวกเราใช่ไหมเมื่อวานเรารู้เราเข้าใจมาวันนี้ลืมนี่ความรู้ของเราเนี่ยมารู้เบ็เสร็จแล้วเดี๋ยวมันก็ลืมเดี๋ยวมันก็กำเลิกใช่แต่ความรู้ประเภทอารักษ์จับขนเนี่ยนะ ความรู้ที่เป็นวิชาสามเนี่ยปกเพนิวาสานั้นสติญาณจูตูปปาทยานและอานสวัคยญาณยเมื่อรู้แล้วเนี่ยไม่กลับกําเลิอกอีกก็แปลว่ารู้แทงตลอดแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่ารู้ปุ๊บเนี่ยพออายุมากๆขึ้นมาฟันเฟือนไม่ใช่มีไว้ตอนที่ทร 80, ทรพระเจ้าทรงพระชนมาายุแปดสิบพรรษาดูกว่านานน้นกระสาพจน์จไม่ได้เลยไม่เคยมีตรงนี้เลยฉะนั้นไม่ได้เกี่ยวกับสภาพร่างกาย อันนี้เป็นวิชาของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นวิชาที่เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเป็นวิชาที่แทนตลอดสัจจได้และต้องไม่ไม่วิปลิตไม่ผันแปรไม่เหมือนความรู้ของบุคคลทั่วไปความรู้ของบุคคลทั่วไปรู้แล้วเนี่ยกลับไม่รู้อีกเลยนี่เป็นไปลัตนะในวิชาสามถ้าเจอตัวปปาปวิปุเปนนิวาสานุสติยาน เจอเวลาเวลาในคําสอนนี่นะแต่เราบอกว่าเด่าที่เราพูดแกเราจะพูดอย่างไเราจะพูดว่าปัจจุบันอดีตอนาคตเดิมที่เราพูดแกอย่างนี้นะปัจจุบันแล้วก็ไปอดีตอนาคตนี่ทั้งโลกเขาจะพูดเป็านี้แต่ในคําสอนของพุทธเจ้าพุทธเจ้าจะพูดอะไรก่อนอดีตอนาคตแล้วมาถึงปัจจุบันนะ้นกุกขี่ว่าสารุสียามเป็นการพูดถึงอดีต คือพยานตามคือหมายตามว่าสติที่เป็นไปกับยานที่ตามลึกชะฆ่าที่หลังของของตนเองได้อันนี้พูดถึงอดีตฉะนั้นแนอดีที่ผ่านมาในสังสารวัตรเนี่ยอันยาวกาลอยากให้มีที่ซึ่งสุดเนี่ยพยานอันนี้ได้บังเกิดขึ้นแก่พระโรมสัส ต, ออดตาด า, าเนี่ยจนหาเบื้องต้นเมื่อคือคิดไปเมื่อไหร่ก็รู้มาเนี่ยเพราะว่าชั่วหายใจเข้าและหายใจออกเนี่ยสามารถระลึกได้เก้าสิบเอ็ดกั่ นั่นคือความรวดเร็วของปัญญาพุทธเลยนะเชื่อัหมวันในวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยพระพุทธเจ้าเข้าสมาบัติสองล้านสี่แสนโกสมาบัติไม่ใช่เข้าสมาถ้าไม่ใช่ความคิดธรรมดาเนี่ยอย่าไปคิดว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นมนุษเป็นมนุษย์ธรรมดาถ้าเป็นมนุษย์ธรรมดาเนี่ยจะทรงบัญญัติคาสอนระดับที่พ้นจากโลกไม่ได้ พอโลกราณมีสามสิบเอดภพสาสบเอ็ดภูมิอบายภูมิสี่คือเปตรตสัตรกายสัตว์เชืาา้านสัตว์นรกมนุษย์ภูมิหนึ่งเทวภูวมิหกใช่ไหมจารตมหาลาัิกาตาวติงสายามาดุสิตามิมาณระดปรินมิสวาสวัตดินี้หกแล้วรูปภพอีกสิบหกชั้นจริงสิบห้าละสย่อยหนึ่งมเป็นสิบอรูปภพอีกสี่คืออากาสาณจายันะ วิญญาณัญญายตนาอากินยัญญายตนาและเเมวัฏฏัญญาณาวัญญายตนะะะ า, ร, า, า, ร, าตนะรวมเป็นสามสิบเอ็ดภูมิอยู่ไหมนั้นะในสามสิบเอ็ดภูมิเนี่ยจากทั้งหลายที่เวียนว่ายตายเกิดเนี่ยคิดออกจากวบคุมเหรอือนี่เมย์ล่ะเพราะมันเป็นเขาคิดกันไหมคิดก่อนหน้าพระพุทธเจ้าจะบัตเกิดขึ้นมามีคนคิดที่จะออกจากสิ่งต่ตางๆหรือไม่คิดจนออกไหมนะบางคนคิดแต่คิดมาก็ไปอยู่ในรู ป, ปรภูมิ คิดไปคิดมาก็ไปอยู่ในเวขาภราภูมิคิดไปคิดมาก็ไปอยู่ในสัญญาสัจกาภูมิคิดไปคิดมาก็ไปอยู่ในอาตาสาัญญายตนะภูมิบ้างอาคินัญญายตนะภูมิวิญญาณัญญาญาภูมิถึงอวสัญญาอนัญยาคิดกวนอยู่เนี้ยพอเขาคิดเสร็จเขาจะเจริญกรรมฐานบางคนก็เอาลูกมาเป็นกรรมฐานเอานาวเป็นกรรมฐานอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยตามลักที่ตามความเชื่อตามความเข้าใจมาเล่นเนี่ยแต่มันออกไม่ได้ ออกจากสันสารวัตออกจากขันไม่นะบางคนก็บอกอน้เนี่ยมันเป็นโทษก็ปฏิเสธน้ำก็ไปมีรูปอย่างเดียวบางกลุ่มตัว่าลูกนี่มันเป็นโทษก็ปฏิเสธรูปไปอยู่พบที่มีแต่น้ำ ม, มาทําอย่างเดียวอย่างนี้เป็นต้นบางพวกก็บอกอ ย, อย่างยกตัวอย่างที่ว่าในธรรมจักรก็บว่าด้านหน้าโสดนี่ที่บอกว่าเอว ม, ม, มีสุดต่างแยกกันทำไมยังก็สวดที่ํานองแยกใจจะได้ เอวเมสุตังเอ็ังธรรมยังตักวาภาระนาสิยังวิหารตีอิสิปตนเมนิพพกาทายตัตะโคปัสวาปัญจวคเวิทิคูอามันเตสีทเวเมภิกเวอันตาปะปิเตนาเะวิจภาพโยจายังกาเมสุกามสุขายังโยโ ทีโนคำโมโปโทชนิโกอานาริโออานาตาสติโตเนี่ยเขาบอกว่าบางกลุ่มไม่บอกว่าการการการมหมกมุ่นในกรรมอคุลกรรมทาให้ตนเองนั้น่ะอเพิอเพอในกรรมอคุณทั้งหลายเนี่ยเออเนี่ยเป็นทางพ้นทุกข์พระพุทธเจ้าบอกว่านี่ไม่ใช่แล้วเป็นของชาวบ้านเป็นธรรมอันเลวไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่ประกอบไปด้วยทิฏฐะทัณฑะทะประโยชน์สัพพาริทิฏฐะประโยชน์และปรามัตทประโยชน์อันนี้อันนี้พวกหนึ่ง พวกนี้เป็นพวกการมสุขาริการมโยวนณีพวกนีงก็คือโยชาย า, ยายอัก ก, อกิลามัทานโยโหทุกโหพวกทําตนให้ลําบากวยการประพฤต์ทรมาร่างกายเป็นต้นนี่ก็เป็นอักกิลามัทานโยอันนี้ก็เป็นคำอันเลวเมื่อนไม่ประกอบดีประโยชน์อนาถสันติตกไม่ประกอบเปแต่ว่ามัชฌิมาปฏิปทานเอง ปฏิปทาสารสายกลางข้อปฏิบัติสายการเนี่ยเป็นทางที่จะเป็นหนุนทางการ ท, ที่จะพ้นจากหรืจะพ้นจากคึบได้ถป็นต้นฉะนั้นความคิดเนี่ยนะถ้าคนที่ไม่มีวิชาสาวเนี่ยคิดพ้นทุกไม่ได้ย่างวิชาแรกอุบัติเกิดขึ้นเรราู้แบบพวกเรียกเนี่ยวิชาที่เกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยทําลายเอาวิชาแน่ดีหมดสิ้นเลย แต่ก่อนไงเอวิชามันปกปิดเขาไว้ใช่ไหปกปิดกระแสขั น, นตนัวเองในอดีตที่ผ่านมาในสามสารวัตรที่ตนเองเคยเกิดเป็นแพะแกะไก่ทุกรบงจสุ ร, สร า, ส า, า, าท้ายะฤติราชานกนารงบั้งมนุษย์เทวดานุคอมเนี่ยมองไม่เห็นเนอย่างเราท่านทั้งหลายาลองเ ล, ลื่อนลึกติดติดหมดแหละติดขัดหมดแล้วต่เลื่อไปมันติดขัดเนี่ยมันติดตรงไหนแล้วไ้ติดโพกมันทะลุโพกไม่ได้ รู้โดยแล้วว่าเนี่ยเรามีพ่อแม่ชื่ออนี้ไม่รู้แค่ชาติเนี้แต่จะรู้ไปชาติที่สองชาติที่สามชาติที่สี่ห้าหกเจ็ดตลอดถึงชาติที่แสนชาติที่เป็นโกโกชาติที่ผ่านมาเนี่ยเรามีผิวพันธุ์อย่างไรมีชื่ออย่างไรตระกูลยังไงนึกไม่ออกเลยมีเพราะเราไม่มีวิชาแรกเหมือนพระพุทธเจ้าคือแต่พราะวิชานี้อุบัติเกิดขึ้นกับพระพุทธเจ้าเนี่ยอวิชาจะเคยปก ป, ปิดกระแสขันในอดีตมันหายเกลี้ยง นี่ก็เรียกวิชาได้เกิดขึ้นมาแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นมาแล้วตบพระพุทธเจ้าอันนี้วิชาเลยพอวิชาที่สองก็เรียกว่าจุโตัประพาทะยานคําว่าจุดตันี่มจาจากคำว่าจุด ต, ต, ติจุดตนี่เนี่ยคือจุดเตียจุดตัวประพาทยานจุดตีเนี่ยบางทาง่านดูแก้วเกิดที่จริงไม่ใช่จุดเนี่ยแปลว่าตายแปลว่าเพื่อนแปลว่าย้าย มันคำว่าจุดตีแปลว่าเกิดเน้นมาจากภาษาไทยที่เขาเรียนภาษาเราเรียนภาษาไทยเรียนสมัยเิ็นถิ่อะไรที <Sitting out> ่พอบุตรจุดตีมาบังเกิดเรียนไปเข้าใจว่าจุดตีการเป็เกิดจุดตีนี้แปลว่าตายเขาแปลว่าเคลื่อนแปลว่าย้ายย้ายจากพย้ายจากภพเก่าเด็กจุดตีคือการย้ายจากภพเนี่ยไม่ได้ย้ายแบบที่เราเข้าใจกันนะถ้าเราไปดูภาพยนตร์ยังไงเวลา คนตายปุ๊บมันก็จะมีแสงสว่างลอยไปเกิดเนี่ยความเข้าใจมันคาดเคลื่อนอย่างาเงี้ยที่จริงมันไม่ได้ไปแบบนั้นพอสิอติปุ๊บเนี่ยมันต้องอุบัติเกิดขึ้นทันทีแบบไม่มีอะไรเป็นไม่มีระหว่างขั้นเลยกระแสะของความคิดมันเร็วขนาดนั้นก็เหมือนเรานั่งกันอยู่เนี่ยนะถ้าเราจะคิดกลับเข้าไปในรถที่เรานั่งเราเมื่อครู่เนี่ยมันคิดไปโดยไม่มีไม่มีกระแสะอะไรไปกัน้นนี่ความคิดมันเร็วขนาดนั้นเร็วเร็วมากเลย แล้วาะจุดติปุ๊กเนื้ไปความคิดที่อะไรมันไปเกิดวะทีนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยพยานที่สองเกิดขึ้นกับพระคเนี่ยรู้จุดติส่นอุบัตินั่นก็คือรู้ปฏิสนติสก็คือยานที่รู้การเกิดและการการตายและการอุบัติเกิดขึ้นล้มตัดทั้งหลายไม่ใช่รู้แค่การเกิดการตายอย่างเดียวนะรู้กรรมล้มตัดด้วยอุบาตี้ประกอบไปด้วยกายกรรมปจีกรรมมโนกรรมที่เป็นอนุสสม เบื้องหลังแต่ตายก็กายแตกแล้วเข้าถึงสุคติอบายก็คติวิบัติลกสักนี้ประกอบด้วยการสุจริตวิญญูจุจริตและมโนสุจริตเบื้องหน้าแต่ตายก็กายแตกแล้วเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ก็ก็จะเข้าใจแล้วก็รู้เห็นการกระทําในที่จะเป็นไปในอนาคตหมือนเช็นตัวกรรที่ทําไว้เนี่ยที่จะไปเกิดในอนาคตอย่างยกตัวอย่างนะจุดจุตัวปาตยานเนี่ย รู้กรรมรู้กรรมของตัดทั้งหลายเนี่ยอย่างยกตัวอย่างเช่นในในปฏิวัติภพเนี่ยเราไม่รู้กรรมนะแล้วเราไม่รู้ผลของกรรมของเรเองชัดนะเพราะเราไม่มียานตัวนี้แต่คนที่จะมียานตัวนี้ได้คนที่จะรู้ได้อย่างชัดเจนต้องมีจุดจุดตัวพรบาตยานอย่างรู้ใจเจ้าถ้ามียานอันนี้นะเราจะรู้เลยว่าอที่ผ่านมาเนี่ยเราทํากรรมทุกๆขนาดจิตเนี่ยโอไม่รู้กี่แสนกด ขนาหรือกี่แสนกอดครั้งแล้วกรรมแต่ละครั้งเนี่ยทําปฏิสติภิไว้รอในอนาคตที่หมดไม่ยืมเออเราเรานึกว่าเรายังไม่ได้ทำกรรมที่จะทําให้เราไปเกิดใหม่บอกว่าไม่รู้กี่ ล, ะละ้านล้านกรรมคอยจ้องมันเหมือนปลาที่มันน้ํำมันขึ้นเหมือนอย่างนั้นเลยทีเดียวแต่เชียงว่าอันไหนจะแรงมันเหมือนว่าปลาที่มันไปอ๋อกันน้ำมันตกดินมันก็กระโดด ไอปลาตัวไหนที่มันแข็งแรงมันโดดึ้นไปได้กรรมก็เหมือนกันมันดำนองอย่างนั้นเหมือนอย่างนั้นมันการกระทําในปีที่ผ่านมามากมายนะมันรู้ว่ากรรมอไหนมันจะได้จังหวะมันจะได้โอกาสมันจะได้เหตุปัจจัยในการที่จะให้ยิบาศถ้ามันได้เหตุปัจจัยในการที่จะให้ยิบาศนั่นเขะนี่ก็จะเป็นไปรับไปตัอย่างที่บอกว่าคนบางคันก่อนงินน ตอนก่อนไปที่จังหวัดก็าเอาซื้อิีไม่ดูเดี๋ยวพอดีเขานิมนต์ไปฉันน่ะเขนั่งฉันก็มซื้อทีเมื่อวังก็ดูเป็นนึกถึงโอ้กำจริงนะคือแกเป็นโรคใบมะเร็งต่าพอเป็นโรคมะเร็งต่าพวกนั้นทีนี้ก็ไปไปที่โรงพยาบาลไปรักษาที่โรงพยาบาลที่จังหวัดกาญจนบุรทีนี้พอไปไปพวกก็ไปเปลี่ยนเปลี่ยนเก้าอี้ แต่เี่ยนี้เขาเียแต่ก็มีอีกจากนั่งนนนอนเพราะเป็นไปเขายืนนอนกูเขียวหรือไม่ไงที่ศกเออจริงแล้วแกเป็นมะเร็งตับนะแกก็รักษาเขาเป็นปีแล้วแต่พอมานอนในตรเนี้ยพอถูกมูกเขียวหักไม้ศกเลยตายเลยนะ่ถามว่านะถ้าเราถ้าเราพิจารณาอย่างทั้งโลกเราก็จะต้องโทษ <c oughs> ให้ลงงพยาบาล่ โรงพยาบาลช่วยมากทําไมถึงใช่ไหมแต่ถ้ามาพิจรารณาคือว่าคนไขยยังเยอะอยี่ยทําไมไม่ฆับคนอืน่นแล้วทําไมจะพาะจอดจองไว้คนคนนี้จะต้องไปนอนเตียงถ้ามาพิจรารณาอย่างนี้เนี่ยผมบกว่าถึงบางทีเี่ยถึงถึงเวลาจริงยว่า ถ้ามันจะหมวกเหตปัจจัยถือ้ากรรมมันจะตามมาส่งผลพระพุทธเจ้าบอกว่าขนาดหนีอยู่บนอากาศามันจะทําให้อยู่นะทำให้แรงๆจริงๆขนาดว่านกบินมาปุ๊บ ก, ก็ยังมีถูกไปตัดคอขาดตกลงมาได้นี่เป็นต้นมันเป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นเรื่องเป็นเรื่องปกติแค่นั้ น, นทำมาพิจารณาอย่างนี้ก็ข้าพุทธเจ้าเขาจะรู้เหตุปัจจัยกันเพราะมีจุดตูปาริย ส่วนพยายาที่สามก็คือว่าอาสวะขยายานอีนน่อย ญ, ญาณที่เป็นปัจจัยในการกําจัดอาสวะคือการมาสวะภาวสวะทิศาสว ะ, สวะแล้วก็วิชาสวะแล้วก็ได้บรรู้นี่ลักษณะนี้ก็เรียกวิชาสามส่วนวิมุต tn ั้นนะนะวิมุตก็คือว่าอคีมุตติแห่งจิตและวก็อนิาพานทีนี้วิมุตเนี่ยมันมี เป็นชื่อของจิตก็ได้อย่างยกตัวอยากเช่นสมาบัติเนี่ยปฐมฌานทุติยฌานตานติยฌานเจตุรยฌานเนี่ยแล้วก็อาการสารอญยายตนะเป็นต้วหนึ่งนี่เรียกว่าวิมุตนะแต่ว่าหลุดพ้อนอย่างนิวรณ์เขาเรียกว่าเป็นวิขำภายใวิมุตนี่หลุดพ้นแบบชั่วคราวเออเขาเรียกว่าเป็นความหลุดพ้นของจิตกิด ถ้าหาว่าใครสามารถยังชานสมาบัติให้เกิดขึ้นเนะี่ยก็มีวิมุตติแห่งจิตเลยอันนี้ก็เรียกหลุดพ้นจากนิวรณ์ส่วนนิพพานก็เป็นวินมุตติเหมือนกัน น, ะนิพพานเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเป็นวินมุตติที่หลุดพ้นจาก ส, าสังขตธรรมทั้งปวงนิพพานเนี่ยนะหลุดพ้นจาก ร, ปรูปปัจฉันเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์แล้วก็วิญญาณนะครับอันนี้เป็นการหลุดพ้น ที่จริงเนี่ยวิมุตต์เนี่ยทางกล่าวไวิห่างแต่ทางเขาวิมุตต์วิขำพนาวิมุตต์แล้วก็สมุดเขเทวิมุตต์ปฏิปัสิปฏิวิมุตต์แลก็นิสสรณวิมุตต์ถ้าแต่ทางเขาวิมุตต์เนี่ยเป็นชื่อของวิปัตนาญาณเช่นการเจริญวิปัตนาแล้วก็สามารถลักทีเด็ดได้ในขนาดแต่ละขนาดแต่เป็นการลัได้ชั่วคราวขนาดหนึ่งยังไม่ได้ลักได้โดยเด็ดขาด ลาเลีเ้ยกลับมาเกิดได้ใหม่นี่ก็เลยเป็นตะทางคะาชั่วครั้งชั่วขราวส่วนวิขังวนาวิมุตตินี่เป็นชื่อของชานสมาบัติมีปฐมฌาย์เป็นต้นสมุเทเฉทวิมุตตินี่เป็นชื่อของอริยมรรคเช่นโสดาปิมรรคในเขาละอะไรได้าลาสักกายะทิฏฐิวิจิปิขาสีระพตาปรามมาอย่างเนี่ยนะส่วนปฏิปฏิส ต, ติวิมุตตินี่ย ปฏิปสติวิมทุทเป็นชื่อของอรหันต์ครับผมเป็นชื่อของผลแลจิตก็เป็นการหลุดพ้นด้วยอำนาจแห่งผลอานิสน า, าวิมุตติก็เป็นชื่อของอานิพนธ์อันนี้คงมอง โ, มงโยมงแต่ทางเางวิมุตติเป็นชื่อของวิปัสสนาญาณวิอขอัมภานาวิมุตติเป็นชื่อของสมาธิสมาบัติ สมุทเฉทาวิมุตเป็นชื่อของอาริยมารีโสดาปฏิมาเป็นต้นมาร์กเนี่ยถามว่าการจะทํามาร์กให้เกิดขึ้นมาได้เนี่ยอาริยมาร์กให้เกิดขึ้นมาได้ต้องอาศัยการประชุมกันของสังหารึเปล่าไม่ใช่อยู่ๆมาร์กก็เกิดขึ้นมาได้เพราะถ้ามาร์กประชุมรวมกันเมื่อไหรแล้วทํำผิดในการฆ่าจะถึงตายเลยฉะนั้นในถามมาว่า อย่างเราท่านทั้งหลายเวลาเข้ามาศึกษาคําสอนในทางพุทธศาสนาเนี่ยเป้าหมายนี่นะจุดหมายปลายทางเนี่ยคืออะไรบอกคือการประชุมองค์มาไทยประชุมได้ครั้งแรกนะประชุมครั้งแรกได้แปดองค์ครั้งแรกนี่ก็ได้เป็นพระโสดาบันถ้าประชุมครั้งที่สองได้ก็เป็นพระประานาตถ้าประชุมครั้งที่สามได้ก็เป็นพระนาคัมถ้าหาประชุมครั้งที่สี่ได้ก็เป็นพระราม ถ้าเราถาบอกว่าเออถาเจะไปเจออะกุศลทั้งหลายเาจะไปเราจะไปเรียกองมคกจเรียกองมไปจะไปไปชุองมักสำคัญเรียกแล้วไม่ใคมาใช่ไหมสำคัญเรียกองมักแล้วไม่ใครมาถามว่าสัมมาทิฏฉีสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาัสมาสัมมันตัสัมมาอาชีวะสัมมาวายมะสัมมาจติและสมาสมาธิ ในองค์มากก็แปลกผมก็ถามว่าองค์ไหนเรียกยก <c oughs> ากที่สุดองค์ไหนสมาทิฏฐิเรียกยากมันก็ยังคิดแบบมิจฉาทิฏฐิอยู่เลยอยู่มั้งเพราะว่าสมาทิฏฐินะภาษาของเราเราจะภาษาคําสอนมันต่างกันเลยนะเช่นตัวอย่างเช่นกรรมมัชฌิฏตาสัมมาทิฏฐิเนี่ยอันนี้เป็นสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นไง ถาว่าอรรมวัตรกรรมวัตรกฐากรรมมาพิธีคือเป็นคนที่มีความเข้าใจเรื่องกรรมและผลของกรรมถูกต้องถามว่ามีสักกี่คนใช่มอาจาระ์รองทาวชาพูดบอกว่าชาวพุทธเนี่ยโดยมากไปเข้าใจว่าเราเกิดมาก็ดีใช่ไหมเช่นมองพีไปอยู่กับคนนี้โอ้ยทะเลาะกันทุกวันพอทะเลาะกันไปจะเลาะกันมาฝ่าย์ป่ายิงนพงทีป่ายินก็บอกว่าเนี่ยที่้นอยู่ยังไม่ใช่อะไรหรอก ถือว่าใช้กรรมไฟการก็ถืออย่างเงี้ยก็ถือว่าชดใช้กรรเนี่ยจะถามว่าเข้าใจถูกหรือิดถ้ากคือเข้าใจไม่ถูกเลยกลายเป็นว่าเป็นรักพีชชดใช้เกรรมพระพุทธเจ้าเคยถามอาเจรากะถามนักบวชนอกาศาสนาถามบอกว่าดูก่อนอาเจรากะถามว่าไงวะเออที่เคยมาทรมานร่างกายเนี่ย บางคนก็นอนเป็นขวกน้ําบ้างเยืนขาเดียวบ้างไม่กินอาหารบ้างเป็นต้นเหลเนี้ยถามว่าทําทําไมเออไอ้เจากาอะไรก็บอกหนูว่าทุกที่เราทําทั้งหลายก็เราทําตามคํำของศาสดาจของเราพระพุทธเจ้าก็ถามว่าเออศาสตราา์ของท่านว่ายังไงบอกศาสดาของเราบอกว่าการกระทําในลักษณะนี้เป็นการชดใช้กรรมนะเพราะพระพุทธเจ้าก็ย้อนถามว่าเออการชดใช้กรรมเราเลยถามบอกว่า เมื่อชาติแล้วเนี่ยท่านทำป า, า, านาติบาทอตินาทานการเมสุมิตชฌานุสาวาปิสุานาวาจาพุทวาจาสังฆลรารภหรือปะหรือกรรมไหนมาตอบไปเดียไม่รู้ไม่รู้ทําทําอะไรมาก็ไม่รู้ ท, ำำทีนี้เลยถามต่อไปว่าเออเมื่อไม่รู้ก็ไม่เป็นไรถามว่าแล้วท่านทดใช้กรรมอะไกรรมไหนบุกไม่ ร, ม ร, มมรู้และจะทดใช้เป็นนานแค่ไหนบอกไม่รู้ใช่ไหม แล้เมื่อไม่พระพุทธเจ้ า, ๆๆล า, าเลย ไ, ไปบอกว่าจริงๆนะพุทกศาสนาไม่ใช่ลัทธิชดใช้กรรมเพราะไปบอกว่าเป็นลัทธิชดใช้กรรมเนี่ยถามบอกว่าหนึ่นกรรมเนี่ยยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างอย่างง่ายๆเลยบอกมีพระเจ้าอยู่รูปหนึ่งเป็นเจ้าว่ามีอีกรูปหนึ่งก็มาจากตาแต่าระที่อยู่อยู่เป็นญาวาอยู่นเนี่ยเป็นพุทุชน ที่ออกมาจากป่าเนี่ยท่านจะมาปลงผมอะไรท่าไม่มีนิโกลแต่ท่านบรรลุแล้วท่านก็มาให้เคล้าที่มีมนิตโคลช่วยปลงผมให้ก็มาที่วัดเนี่ยมาไตวัดที่เจ้าวานที่อยู่พอมาถึ ง, ถงปุ๊บเจ้าวาจะพูดทําไมไม่ที่อยู่ป่าแค่นคี้ทําไมไม่ใช้นิ้วถอน่ะพูดคำนี้ท่านเต่ ก, ก็ก็ไม่วางแล้วต่อมาท่านก็มาอยู่ นี่พออยู่ก็ไปบินทบาดไปอะไรต่างมนาะเข้ามาเข้าโยมก็แ่บยมศรัทธาพอยอมศรัทธาึ้นมาค้าที่ที่อยู่ ท, ยที่วัดนี้ก็เริ่มไม่พอใจนึกในใจโอ้โหทายมาแย่งโยมเราหมดแล้วเนีย่ยมนไ้ดีแต่ตายออกมาก็อยู่ก็ไม่มีท่าทีว่าจะไปที่อื่นสักทีมีวันหนึ่งก็ท่านไบินทบาทุกทีท่านก็ตีระรังเป็นคอสวันนั้นท่านก็ใช้มือดี ใช้มือเดีะคังค e sure. so, so, ิดๆเนี้ยนะแล้วท่นจะไปพอไปบิณฑบาตเบ็ดเสร็จยอมก็ถามว่าพระคุณเจ้าอีกรูปไม่มาที่ไงพระคุณท่านก็บอกไม่เห็นมาทำไมล่อสงสัยนอนไม่ตื่นอาตมากระตีจนเจ็บมือวั้แรกตีตะคังอยเกืออามือเด็ดะคังทียองก็บอกเออไม่เป็นไรนะรับบาดเบ็ดเสร็จพอให้ฉันอาหารเบ็ดเสร็จก็บอกเออทานนี่อาหารเนี่ยฝากไปถวาย ท่านโอ้โหอย่างเอาไปสมขอเลยคือนึกไม่อยากให้กินอะไรอยู่แล้วมันมีโยอมาะฝากให้นี่ไหมท่านก็ถืออาหารไปเดินผปนึกคุ้นคลึกโอ้โใจเป็นโทสะนึกในใจโอ้สวยแท้ๆอะไคิดจริญอะอย่างเงี้ยไม่ถ้าบอกไม่ไปยอมอย่าหลังเกียดกลับมาจัดท้าวมีอาหารปากเรอเขาคิดไปตลอดทางเลยนะอย่าลืมนะความคิดเหล่านั้นเป็นอสุจิและขับ คิดเป็นมนโนกรรมพูดออกมาเป็นเวจีกรรมเดินไปด้วยนะั้เป็นกายกรรมกายกรรมเวจีกรรมและมโนกรรมนั้นเป็นอภุสุลกรรมครบเลยนะเนี่ยเห็นไหมันแล้วนี่ไอ้กรรมเนี่ยถ้าไปทำกับบุคคลธรรมดาก็บอว่าจะกลายไปทำกับบุคคลที่หมดลาคะทางใจเลยมันเลยบวกหลายพันเข้าขึ้นมาเลยตรงนี้ยมันน่าจะเรียนแค่สองเท่าสาเท่านี่ไหม นี่มันบวกขึ้นมาด้วยจากการที่เราประพฤติทุจริตกับบุคคลที่ที่ไม่เป็นพิเป็นภัยกับใครแล้วเดินเดินไปเสร็จเสร็จก็ไปเห็นกองไฟกลางโลกอยู่นึกในใจโอ้โหมันสมอนักที่ไป็นโรมาเนี่ยนึกในใจแกจะทิ้งตั้งนานแล้วกลัวหมาฆ่าไปแล้วยอมเหวีก็จะแกก็จะเดินจะทาแกอีกใช่ไหมเอนงี้ว่ากองไฟนี้แหละทําลายหลักฐานเป็นอย่างนี้ก็เวียงแล้วเข้ากองไฟเลยเหวียงต้มก็กองไฟไฟก็ไหม้แล้วแกจะดือดโโหโล่งใจเลย ไปถึงวัดถึงอะไรทา้งสานาจบบิตไปเว็ดเส็จเจ้แกพอพอมันหายโมโหแกก็เป็นคนมีคุณธรรมนะเป็นคนที่จเจริญมาทังด้านกุศล ม, มามากมายเหมือนกันเป็นพระที่จบพิธีปฏิบัติะะดีเนี่เแต่ยังว่ากิเลสมันครอบงำได้แกมานั่งนี่โอ้โหูที่เราทำอะไรไปเนี่ยเอ๊ะท่านจะป่วยจริงๆก็รีบเดินไปที่กุฏิหลังที่ท้าที่น่นอยู่เมื่อกุฏิก็ปิดเรียบร้อยแต่คอประตูไม่มีคนก็เปิดแย้มดู โอเก็บรียบร้อยทั้งเตียงต่างอะไรต่างเก็บเรียบรอแปลว่าท่านตายเลยท่านรู้วาระจิตเนี่ยว่าถ้าคืบอยู่นานนี่จะตกอารมณ์เยอะท่านเลยเลยเข้าป่าไปเลยนี่ทานก็วิปัสสนาตลอดใช่ไหมเนี่ยมาต้าเราถ้าาตายตูเรียบร้อยเลยลงระบายภูมทีนี้พอลงระบายภูมิียว่าเราต่อมาเนี่ยแด้เกิดเนี่ยเกิดเป็นสุนทรข้าร้อยชา ห้าร้อยขากเนี่ยไม่เคยได้กินคำว่าอิ่มไม่มีดูกรรมตามให้ผลิตวิบากให้เนียพร้อมพอจะกินอิ่มในชาติที่ห้าร้อยกินอะไรกินที่คนเมาเหล้าเข า, าเทียน เ, าเมาพอจะกินโป๊กเกตายชาติที่ห้าร้อยก็มาเกิดเป็นยักษ์เหมือนอย่างกับอปียังกะลามาตาดีต่อเลเป็นยักษ์เป็นหนังยักษ์ที่ เป็นยักษ์อีกห้าร้อยชาติมันไม่ได้กินอะไรเลยนึกเงี้กินนิดนิดหน่อยหน่อยแค่นั้นคอประทังจะตตาก็ได้กินนิดนิดหน่อยหน่อยพอยู่ได้ต่หูยิ้มอยู่ตลอดเนี่ยชาติที่ห้าร้อยเปกินรกคนเขาคอดลูกเอารกไปฝังเดินก็เอาลกมา น, นมีอะไเป็นลักษณะเพราะจากจากนั้นก็มาเกิดเป็นขอทางเนขึ้นดคือมไม่ได้กินอะไรมาชาติสุดท้ายมาทันพระพุทธเจ้า เกิดในตากกูลขอทานเล่นขอทานตับบนบุญแเกิดในตระกูลขอทานตระกูลขอทานห้าร้อยเล่นงเขาขอไม่ได้ก็บากขนาดนั้นมันทำคนเดียว่รื่บัดให้สังเกต ด, ดูนะคนที่้แต่ก่อนเขาไม่ค่อยคิดอะไรมันมีทนมันมีท้าอยู่รูปแป ตอนนั้นเวลาไปอยู่กันตามที่ต่งางๆเวลาถ้าท่านเหล่านี้มาอยู่ในกลุ่มที่อะไรมันบินทะบานไม่ได้ก็คืออันนี้เป็นเรื่องเคยเห็นมาเลยนะแล้วก็ขัดแยง้งในกลุ่มนั้นก็ขัดแยงง้งกันตลอดแล้วก็บินทะบาดไม่ได้แต่ว่าท่านท่านตรงนี้ออกไปแล้วท่านเป็นพระดีด้วยนะแต่เพราท่านตรงนี้ออกไปทีไรเนี่ยก็รู้สึกว่าอยู่กันไม่นสนุกแล้วต่อไปบินทะบาดจะได้อันนี้มันนึกถึงเรื่องอย่างนี้ แต่ไม่แม่แรงถึงขนาดไม่มีกิน่เปว่าไปบินนับบัตรมันได้หนอยแล้วมันเกี่ยวของเราแล้ขคงเขาก็ไปรู้แต่ที่เราเป็นเดาอาจจะเป็นคเรากลนะสมัยก่อนไปตอามันไปทากในกรุงเทพไปไปวินนับาัตเดินรอบไอ้ว่าตะแก้วมรดนเดินแั้วสองรอกไม่ได้อาหานเลสองว่ามนหนักกันเเดินเดินถือถือบาดเป้าเดินมาวนๆเห็นท่าจะไม่ค่อยได้เพราะมันก กลับไปเจอยอมีคนหนึ่งใส่ม้อข้าว่าลูกรลอบตายใส่หม้อข้าลูกใส่หม้ออ่อนทีนี้เวลามามาชาติที่ที่สุดท้ายน่แม่ก็ออกจากหมู่ออกจากหมู่คณะแล้วก็ต่อมาพอพอเริ่มเดินได้ลายได้แม่ก็ได้ทิ้งหนูไม่ได้ก็ขืนอยู่ก็ท่าก็ท่า ฉันนั่งต่อมาท่านภาษาในบทนี้มาเจอภาษาบทมีวิชาถามรว่าดี้พดูพบประถามเป็นหนูอยากแกบวชไหเรียนท่านอยากบวชเนี่ยชาติค้ายนะเนี่ยขนาดชาติคท้ายนะยังทมานขนาดนี้นะก็เลยบวชบวชมากมิไดบากไม่ได้ฮนะไม่ได้อยูอเพเป็นธาตุผอมนีล่ลจนได้บรรลุเป็นธาแล้ว มีอยู่วันหนึ่งท่านจะนิพพานแล้วภาษาลิบุตรไปเจอท่านนั่งอยู่ในโรงโองฉันไปเห็นภาษาลิบุตรก็รู้ว่าท่านจะนิพพานวันนี้แล้วไม่เคยมีอาหารใดท้องอิ่มสักทีเลยเนี่ยตั้งแต่บวชมาเนี่ยแทนภาษาลิบุตรเขาบอกเออทั้งนั้นไปกาจาร์วินน้ำบาววันนั้นไม่ได้ไม่ได้อาหารเลยแล้วเวลาท่านเดินตามใครมาคอยคนอื่นไม่ได้ด้วยเนี่ยบังหมดเลยกรรมของท่านเนไปเที่ยว บ, บังคนอื่นหมดเลย ขนาดระดับการหลวงพรสาธิบุรุษทำมาดีขนาดไหนก็เลยบอกว่าถ้าให้ให้ท่านนี้ยนั่งคอยตรงนี้ยนั่งคอยอยู่ที่โรงพยาบเพราะออกค้นจากนัดต่ำเนี่ยอวยโมอ๋อคุณเจ้าทักของเรามาแล้วอะไรเงี้ยเข้ามากันรับบาตรรับเลยถวายอาหารเพราะถวายอาหารเบ็ดเด็ต่นี้ท่านพระสาธิบุรก็ให้พอก่าวอันโมทนาเด็วสาวเด็กเสร็จแล้วก็ นี่มียอมคนหนึ่งก็จะเดินผ่านไปพระสารีบุตรก็บอกเออเนี่ยมีลูกเสร็จอยู่ยไม่ได้ฉันนะยอมก็ถวายอาหารพระสารีบุตรรับต้องฝากให้โยมเนี่ยบอกว่าเอาไว้ถวายารับยอมย อ, ยอมวันนี้เจอ เ, เ, เดินเดินมาเนี่ยลืมเหมือนก่ะหน้าอาหารจริงๆนะพอไปเห็นกองไปยินยอนอาหารก็กองแล้วพระสารีบุตรลกลับมาเมื่มาเจออ้ามไม่ได้ฉัน ก็เบอกเออให้รออาจารย์อยู่นี่พระสารบาุตรเข้าไปดินขาบากได้แต่เขาต้มเดดนั้นนะเข้ามาก็จะเอาท่านท่าจะจะเอาอาหารให้พิจารณาดูถ้าให้จับบาปโู้ปรหารจอันตรก า, า, ารหายหรือบาปจะมีพระสารีบุตรต้องจับบาดตัาไ ว, ว้แล้วให้ท่านสั่งตัดชันว่าชัานแต่ก็ น, นิพพานลรานึกดูเลยว่าอาคุโสระรกังนี่ทํากับท่านผู้มีคุณมากๆาั้นกรรมลักขณะอย่างนี้เราไม่รู้เลยใช่ไหม เราไม่รู้เลยที่ผ่านมาเราทำกรรมอะไรบ้างด้ยแต่รู้ในปัจจุบันนะพบว่ี่นไปเยอะแยะหมดและข้างในสังฆารววัดข้างหน้าที่เราจะต้องไปเวียนไหวทายเกิดแล้วเราไม่ไ eh ด้พบพระพุทธศาสนาไม่พบคําสอนแล้วก็ทำกรรมไม่รู้เรื่องกันเลยได้เป็นไปรัตเลยอันนี้เกี่ยวไปในเรื่องของวิชาสามแล้วก็วิมุตต <returns. S 1> ิประการต่อมาคือขเยีานานุปาขเยีานางขยะยานะ ความรู้ในการขึ้นกิเลสกับอนุ ป, ปาคาอนุ ป, ปาขยานความรู้ในการไม่เกิดกิเลสคาว่าขยียานังหรืแก่ยาในอริยมรรคคาว่าขยียานังเนี่ยส่วนอนุ ป, ป า, าเทยญานังหรืแก่ยาในอริยผลยาในอริยมรรคจ้าคือสัมมาทิพย์ภิญญาเป็นต้นเนี่ยที่อยู่ในอริปปยมรรคเนี่ย อันทำให้กิเลสเนี่ยสิ้นไปเออเวลามัคคายาหรือมัคกคกิจเกิดขึ้นในการประหานกิเลสเนี่ยในขณะที่โสดาปิมักเป็นต้นเกิดขึ้นเนี่ยเราเอก่าในขณะนั้นเนี่หารกิเลสเยังไงใช่ไหมเขาก็าอุปมากันมงคลสมเนะอริย ม, มักเนี่ยคือปัญญาในอริย ม, มักน่ะอุปมาเหมือนกับิีดาบนะว่าที่รับไว้ดีแล้วเนี่ยตัชดชกมันกิเลสประคาเอยที่เป็นต้นนี่ปัญหอยู่ตรงที่บอกว่า ในขณะที่อาเรียมะเกิดขึ้นมีโสดาปิมะเป็นต้นในขณะนั้นน่ะนะมัคคิจมีอะไรเป็นอารมณ์บอกมรคคิจท่า น, น, า น, น, น, น, นามีพาณิพกานเป็นอารมณ์ฉะั้นในขณะที่มีพาณิพกานเป็นอารมณ์ในขณะนั้นน่ะในโสดาปิมะมัคจิตเป็นต้นนมีกิเลสอยู่ในนั้นมันก็ต้องบอกว่าไม่มีเอาในเมื่อไม่มีแต่เขาไปรักกิเลสเปนตอนไหนนึกไหม แล้วก็แปลกดีว่าในขณะที่มรรคกิจเกิดขึ้นแล้วตทำกิจในการลา่ากิเลสเนี่ยมันล่าก่อนนะแท้ที่จริงมันเป็นไปมัน ล, ดโดนล่โดยกิจเนี่ยเขาลาดได้โดยกิเจจนยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าจะอุปมาในลักษณะนี้นะไอ้ต้นไม้เนี่ยมันมีต้นไม้ต้นหนึ่งเนี่ยมันมดอกที่ออกมาที่เป็นพิษมีผลออกมาที่เป็นพิษทีนี้อยู่ต่อมาก็คือมีบุรุษเนี่ยไปใช้เนี่ ย, ปยงปลา ก็เรียเงี้ยสากระเบนเนี่ยไปปัดมันมีรากมันมีกิ่งออกมาสิกิ่งเอาไปปัดอีกด้านมัในให้โตว่ากิ่งกิ่งไม้พราะตัดพวกก็ไปเนี่ยดอกผลที่มันเป็นพิษที่มันเคยออกด้านนั้นก็มันก็ไม่ออกอุปมาก็เหมือนกับโสดาบตรีมาเป็นต้นเวลามาเกิดขึ้นมาแล้วปกติเนี่ยกายกรรมวิญญกรรมและมโนกรรมต้องตัดโลกทั้งหลายมันจะเป็นไ ป, ไปกับกิริยามั้ย พอไม่ได้ทํากิจในการที่จะป่างนานาที่เลวอะไรได้เลยไม่ได้เจริญสีนสมาธิปัญญาในการที่จะอบรมเป็นไปตามลําหล่ตั้งแต่โลกียาไปนจนถึงโลอุตาราและทำทําอื่นให้สิ้นไปได้แต่อยู่มาวันหนึ่งข้านเหล่านี้ก็มาภาคเทียในการอบรมในการจเจริญในที่สุด จ, จริงๆทามโสโดาปฏิมาให้อุบัติเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อโสโดาปฏิมาอุบัติเกิดขึ้นมาแล้วชื่อว่ากาหรกรอทำรูปภู แล้วก็ล่าสมุทยัยทำนี้โรธในแจ้งแล้วก็เจริญอริยมรรคในในในขณะเดียวกันก็แปลว่าในขณะกิจนั้นเนชื่อว่ากาำกิจในการกําหนดรู้กิจในการลา่ากิตในการทําให้แย่มแล้วกิจในการเจริญเนี่ยได้สมบูรณ์ระดับโสดาบุญเป็นต้นสกอถ้าทางมีมารนาตามนักเล็กลอาหลัมกมรรคก็เหมือนกันเนี่ยมันยากเลยอริยมรรคเนี่ยเขาถึงบอกว่าทําให้กิเลสนทะ้สิ้นไป เช่นยางในโสดาปฏิมาจะทําสักยาทิฏฐิวิจิตริขาสีระประตปรามาให้สิ้นไปยางในสกาธาธรรมมาจะทำราคาโทสามุหะให้เบาลงอยู่ยางในอนาธรรมมจะทําโทสากให้สิ้นไปยางในอาตมาจะทำกิเลสที่เหลือทั้งหมดให้สิ้นไปนี่เป็นต้นจนไม่มีกิเลสหลงเหลืออยู่แต่กิเลสวาวนาเนี่ยต้องแยกกันถ้าระดับสัมมาสัมโพธิญาณเนี่ยนะ นอกจากกิเลสจะหมดแล้ววาสนาก็หมดไอ้คาว่าวาสนาเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่อย่างที่เราแปลกันเนี่นะคนนั้นเขามีวาสนามากคนนี้มีวาสนามากวาสนาในที่นี้ก็แปลว่าเป็นความเคยชินอย่างเช่นพระปิรินทวัชชะเนี่ยเวลาจะพูดแต่ละใครเดี๋ยวเจ้าคนคอยไปไหนมาเนี่ยจะมีพระพูดแล้วเไหรอย่างนี้เป็น เป็นวาสนาที่ท่านละไม่ได้แต่ท่านไม่มีดิเดกแต่อุปนิสัยอย่านหรืออย่างนัาาา้นภาษาที่บุตเนี่ยจะชอบมีอาการกระโดดเจอร่องเจอเจอน้ำเอจออะไรแค่กระโดดเป็นอุปนิสัยที่เคยเป็นลิงมาเงี้ยก็ละวาสนาของประเดี๋ยนี้เลยหรือบางบางท่านบางโอง์ก็ชอบนอในการที่จะกระทําในสิ่งที่เป็นความคุ้นเคยของประเดีอันนั้นเขาเรียกว่าวาสนา ถ้าระดับสัมมาสัมปวิยานเนี่ยละกิเลสแลว้วก็วาสนาก็ละได้ดุฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเราไปดูในพุทธธรรมหรือพุทธญาณทั้งสิบแปดอย่างของพระพุทธเจ้าพระเจ้าไม่มีไม่มีอาการขุนผันไม่มีอาการเผลอเลยอะไรต่างๆอย่างเนี้ยหรืออย่างยกตัวอย่างนะว่าถ้าสารีบุญเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ตอนนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าพระองค์ปราศนาจะหลีกเลง คือพะุทธเจ้าบอกวต้องการจะหลเล่นเนี่ยภาษาลิบุตรก็บอกว่าข้าพระองค์ก็จะหลเล่นก็ยังไม่สั่งสอนเหมือนกันคือต่อไปข้าพระองค์จะไม่สอนแล้วก็จะหลีเล่นเหมือนกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไเ้ยคำนิยตันทีบอกว่าท่านดูว่นยาลิบุตการกระทำของเธอไม่ถูกต้องถ้าในลักษณะอย่างนี้ชื่อว่าเป็นการกระทําที่ไม่ดีเห็นไหมว่าความคิดลัตน์สลายอย่างนี้พระพุทธเจ้าเลยแต่ความคิดบอก เราก็บรรู้แล้วอะไรแล้วเราก็หมดที่เหลือแล้วเนี่ยหลีกเล้นเอาความสุดเฉพาะตัวความคิดของ ห, หน้าหาลัางแบบนี้แต่ความคิดลกักษณะ น, นี้ถือว่าเป็นความคิดที่ไม่สมบูบมรณนะ์เป็นความคิดที่ไม่ดีเพราะไม่ไม่สั่งสอนบุคคลอื่นเนี้ยนะไม่ไม่แนะนําบุคคลอื่นอย่างเนี้ยไม่ใช่เป็นความคิดที่มีที่เหลืนะแต่พระพุทธเจ้าว่างจัยว่าเป็นความคิดที่ไม่ดีเป็นเคื่อเจริระดับ แค่นั้นในเรื่องของบอกว่าความรู้ในการสิ้นกิเลสอันนี้เป็นยามในอาริยมะมัสส่วนอนุปาเคยามาังและแกยามในอาริยผลอันเป็นผลที่ยังไม่เกิดโดยปฏิสติหรือเกิดขึ้นที่สุดที่ความไม่เกิดขึ้นใ น, ในกิเลสีิมาก น, านั้นฆ่าเลยเ้าบอกว่าอนุปาเทยามาังยามในอาริยผลเนี่ย เป็นผลที่ยังไม่เกิดโดยปฏิสนธีก็แปลว่ายกตัวอย่างเช่นโสดาปฏิผลเนี่นะยางในโสดาปฏิผลเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นกับบุคคลใดแล้วบุคคลนั้นจะไม่ไปเกิดในใบยภบูมือตัดปฏิสนธีในใบยภูมิทั้งหมดอย่างเราท่านทั้งหลายนี่นะตราบใดยังไม่ทําโสดาปฏิผลไม่เกิดขึ้นไม่มียางในโสดาปฏิผลนี่นะปฏิสนธีในใบยภูมที่ลอเราจะเป็นลัลลังปฏิสนธีไม่ใช่เป็นแสง หลายๆ้ร้านปฏิสตอทิแต่ว่ามันจะมีโอกาสหรือไม่มันจะมีโอกาสให้ผลหรือไม่อันนั้นมันอยู่ที่วิธีการใช่ไหมอยู่ที่แต่ละบุคคลถ้าอย่างนั้นเอาโอกาสปฏิสตอทิในวัยผู้มนไปไม่เหมาะถามว่าเราเคยโกรธไหมเราเคยโลภเราเคยหลงไหมเราเคยกระเพิดการะเพิทเจริญวิญญาณกระเพิดเมโนกระเิดที่ผ่านมาเนี่ยพบเนี่ยเราเคยไหมการเหล่านั้นมัาทปฏิสตอทิได้หมด ยกเล่นกรรในขณะนอนหลับเพราะกรรมในขณะที่นอนนี่นั้นเช่นนอนไปก็ฝันไม่ดีเป็นเรื่องอะไนี้ไม่สามารถส่งผลในปฏิบัติการได้แต่ส่งผลในบวชกิจแล้วท่านถ้ายกเล่นจากการนอนหลับแล้นั้นส่งผลในปฏิบัติการได้ลองคิดดูที่เราเคยคิดไม่ดีเคยทําไม่ดีเคยพูดไม่ดีที่เป็นการเลือดเถิดเถิดเถิดเถิดเถิดแล้วมโนเถิจเถิดเอาแค่ครบนี้ก็เยอะแยะมดฉะนั้นพิบาตกล่าวคือที่จะยังอุเบกขาทั้นทีแล้วนะเป็นส่ิบัติ ทำกิจสติสัมพนธ์ในอวัยะภูมิยเยอะแยะหมดลองลองคิดแกว่าคนบางคนไปนั่งชื่นชมทาเรยังไปเกิดวิญญาเลยอะแยะแต่เราเคยไปชื่นชมไม่รู้เท่าไหร่ใช่ไหมเอาเข็นหูสวยจริงๆเป็นร่างหลายใจมลมก็แรงอากาศจะดีว่าชืๆๆๆ่นใจจริงๆบางทีก็กแหน่จริงๆถ้ามาอยู่อย่างนี้มันจะชื่นใจจริงๆเอาเข็นดิน หมกศักด์ที่อยู่ในแถวนั้นก็ชื่นใจแบบเรานี่นั่งนี่ไปเกิดคือ ว, วนเวียนอยู่นนะแล้วนั้นเขาก็เคยชื่นใจอยู่นีนั่นะี่ทำมาคิดอย่างเดียวน่าปวเพราะว่าเอาคิดยังไงเอาอะไรเป็นข้อคิดมีฟ้าที่เจอโลกนีงนะที่ตั้งกำลังขันาแล้วมันมีอยู่วัน่งท่านแค่ต้องบีอนะ่ะอยากจะกินอ้อยนะ่ะตั้หาโลค้าที่ความอยากของท่านแล้วในขณะเดียวกันท่านเกิดเป็นลงปัญบ า, านั้นถึงตายไ่กัน ใจก็ประวัตถ <day> <speaking in Russian> ึงน <sh arp inhale> <LI BR Y> ี่ค้ออ้อยเลยตายมัเป็นนอนอยู่ในค้ออ้อยเราเอาแค่นี้อันนี้ขนาดข้าผมเพียนเพียนมาแทบแย่อย่างดีได้แค่หนอนหนอนในข้ออ้อยบาทีเราไม่ค่อยระวังความคิดเลยแค่อหนใช่ไหมบางทีเราเห็นใครหน้าตาดีๆหน่อยก็ไปปลูกพักเลยวันก่อนวันก่อนเืึกหมอหมอหมออะไรไปที่ยุราดิหมอเขาเล่าให้ฟัง เขาบอกว่าท่านฟ้องด้นยนะพยาธิชนิดหนึ่งเขาจะพยาธิตัวแบนแบเนี่ยหนึ่งข้อพยาธิเนี่ยมีไข่ประมาณแสนกว่าฟองมากกว่าประชากรอั่งเคยแล้วเราคิดตัวในในในตัวเราเนี่ยมีพยาธิไม่รู้กี่ล้านตัวเจ้านั้นเราเนี่ยขันทั้งโลกขันใบหนี้เนียที่เราแบกรับอยู่เนี่ยประชากรหลายล้าน แล้วถ้าเราเชื่อช่องขันใดขันหนึ่งเนีโอกาสที่จะไปปฏิสัมพันธ์ในในนั้นเน่ยสูงมากลองคิดกันนี่คือถามว่าคนที่ไม่รู้เรื่องตรงนี้เยอะๆถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าบัตเกิดขึ้นถ้าไม่อายสายสัมพันธ์ยุทธายางหลงพุทธเจ้าแทงตลอดบอกว่าเนี่ภิกษุตายแล้วเกิดเป็นเลนเป็นไรก็มีนะคุณครับถ้าไม่มีพุทธพจน์ตรงนี้บอกบอกไว้เราไม่รู้เลยนะว่าคนตายไปเกิดเป็นมดเป็นฝูง เราไม่รู้ลยแต่คิดว่าคนลพบกับเรามันเป็นธรรมชาติมันก็เกิดตามอุตบ้างเกิดตามมีอาหารของมันเกิดขึ้นมาแล้วคิดอย่างนี้ที่ไหนได้มันมีตัววิญาณในปฏิสติมันกาบักกันแล้วน้องที่ว่า้าพุทที่ศสตร์เนี่ยไม่เกิดเล็กนนกกระจอกใช่ไหมนกกระจอกใช่ไหมแล้วเราที่ไม่ใช่พุทธศาสตร์น้องคิดเยอะเลย ถ้ามีคนใดคนหนึ่งหายไปก็เจอนอนก็นึงหรือว่างเลยใช่หรือเปล่าไปอาหารจิงมบนางสองสามการน่ยาที่เกิอยิ่งมันก็จะไปพี่ก็ว่าแต่โทษของการที่ไม่แทงตลอดสัจจะในที่สุดจริงๆก็ก็ไม่พ้นจากอรภัยสัไม่ไม่พ้นจากอรภัยสัจเนี่ยตรงนี้ก็บอกว่าทำลายติดสุดที่ใน ถ้าในกลุ่มที่เขาเป็นปสัสดาวะบานแล้วเ้าเขาก็สบัดเขาก็ปลอดโรคโอกาสในการปิดเขาปิดอา ย, อยุภูมิใช่ไหมทีนี้อย่างเราเถ้าจะปิดอายุภูมิได้ก็ต้องมีปาฏิโมกขังวานศีเพราะปาฏิโมกขังวาศีเนี่ยโดยศาสต์ของเขาเนี่ยเขาแปลว่าเป็นศีนที่ป้องกันหรือปิดทุกในอายภูมิตลอดถึงเป็นปัจจัยเบ่งทุกในวักจักเป็นต้น ถ้าาปฏิโมกษังวสินไม่ดีนี่นะสินห้าสินสิบสินสินห้าสินแปดสินเจ็ดสินสรอยยี่สิบเจ็ดเป็นต้นไม่ดีนี่นะเอาตัวไม่รอดเอาตัวไม่รอดเดี๋ยวว่าแต่ตัวอะไรหัวก็ไม่รอดหมดเลยเรียร้อนี่ก็ต้องต้องพยายามเอาสินแเนี้ยจะเป็นปัจจัยจะเป็นปัจจัยในการที่ปิดปิดการในในขณะที่เราไม่สามารถทำ ไอาา้อะมาตรีย่างใดอย่างหนึง่ ง, ง, งไม่ได้ปรากขึ้นี่เป็นอย่างนี้นะอันนี้คือธรรมะบทสองทีนี้ท่านพระสัตรีบทก็บอกว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็แล้วธรรมะบทสองประการที่พระผู้มีว่าเจ้าผู้ทรงรู้เป็นพระธรรมจะสัมมาหลวพุทธเจ้าพระองค์นั้นตัดไว้ชอบแล้วพวกเราทั้งหมดนี้แหละเปสังขยาณาไม่ถึงวิวาทกันในทางนั้น เพื่อให้พรหมจรรย์นี้ตั้งอยู่ได้นานดํารงอยู่ได้นานคำว่าพรหมจรรย์ในที่นั้นคือมรรคพรหมจรรย์ก็แปลว่าเออเนี่ยทําถ้าเรายังรักษาว่าทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเราปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เนี่ยพรหมจรรย์ระดับแรกก็คือศาสนาพรหมจรรย์เข้าเอาคาสอนของพระพุทธเจ้าเขาตั้งอยู่นานแล้วเมื่อคําสอนกศาสนาพรหมจรรย์ตั้งอยู่ได้นานก็จะเป็นปัจจัยแก่มรรคพรหมจรรย์เช้นตาก็มีปริยัคมีคําสอนอยู่เนี่ย อย่าลยมว่าคนที่จะลัาบาปได้เนี่ยคือคนจําคำสอนไนดะ้ถ้าคนไม่มีสุดตาไม่ทรงสุดตาไม่สั่งสมสุดตาเนี่ยรับบาปไม่ได้ไม่รู้จะเอาอะไรไปรัเอย่างยกตัวอย่างเช่นเราจะรับโทรศัพทได้ก็เพราะศีลจะลับราชาได้ก็เพราะสมาธิจะรับโมหะได้ก็เพาระาะปัญญ า, ยายเราไม่รู้ตรงนี้วเวลาโทรศัพท์เกิดขึ้นเราก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปละ ก็ไม่ได้อบรมสีไม่ได้เจริญสีไม่ฝึกขาดสีก็ละโหรสักไม่ได้เวลาลาคะความก้อหนักความเพลิดเคลินความดีๆต่างๆเกิดขึ้นก็เจริญสมาธิไม่ได้ไม่เส็นไม่รู้อยากอะไรเวลาโมหะเกิดขึ้นก็อบรมปัญญาไม่เสร็ตรงนี้เป็นต้นจานั้นศาสนาพเมจามเป็นต้นจะเป็นบรรจัยแก่มัสสภมพเจามเป็นเจริลงและตั้งอยู่ได้นานข้อนั้นคือเป็นไปเพื่อความเพื่อคูลแก่ตนหมู่มาก คำสอนของผู้นิจจเพื่อคู่เพื่อคนหมู่มากเพื่อความสุขแต่คนหมู่มากเพื่อบุคคลในชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อกรอบครัเพื่อความสุขใ น, เ, เ, น เ, เ, เ, เทวดาด่า น, น, นรนู้ทั้งหลายตรงนี้คำสอนของผู้นิจจังจะเป็นอีกที่หมดนะที่บอกว่าพหุชนะสุขายาพหุชนะอีตายยาโรกาลุกคำบายยาเป็นต้นอันนี้เป็นธารมาหมดสองจบแล้วต่อไปก็ อ, อีเมโขอเอาโสเป็นต้นประกาศความตามลายที่ได้กล่าวมาแล้วพระเกณฑละแสดง สามารถขีรถด้วยอำนาจแห่งธรรมะทหมดสองทั้งหมดสามสิบห้าคู่คือภาษาอินบท่านสังคทรนาลอยกองพระธาวินัยในสัมคีติสุขขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเนี่ยเพื่อความพร้อมเพียงเพื่อเพื่อคูนแต่คนหมู่มากเพื่อความสุขความสุขเนี่ยนะความสุขระดับปฐมธรรมประโยชน์เนี่ยจริงๆสูงสุดคือตรงนั้นนคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยยิงอยู่ท่า เบื้อต้นก็คือเป็นไปเพื่อทิฐาทำวิจาระประโยชน์ประโยชน์ในปัจจุบันและต้องไม่ขัดสัมปารายิกาประโยชน์แล้วก็ประมาถาประโยชน์ด้วยก็เป็นไปได้กรณีต่อไปก็คือสังคีติมวสามอธิโคอาโสเตนะพะศวตาชานาตาปัฏตาธารตาสัาพุธีนะตโยธรรมมาสัมมาทาขาตาท่านผู้มียอยู่ทั้งหลายธรรมม์มวสามประการที่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงรู้ ทรงเห็นเป็นมาตรฐานสำมำสำพุทธเจ้าตัดไว้ชอบแล้วูีอยู่พวกเราทั้งหมดนี้แหละพึงสรรคายนาไม่พึงวิวาดกันในทางวินัยนะแล้วก็บอกว่าเพื่อจะได้เป็นประโยชน์นะเพื่อคมประจำนี้จะได้ตั้งอยู่นานระลงอยู่ได้นานข้อนั้นเป็นไปเพื่อความเพื่อคูนแก่คนหมู่มากเพื่อความสุขแก่คนหมู่มากเพื่อข้อแก่ชาโลกเพื่อประโยชน์เพื่อเพื่อคูนแก่ความสุขแก่ทวดาและมนุษย์ทั้ง แล้วก็บอกว่าธรรมะหมวดละสามอย่างคืออะไรตีนี่อกุศลา a n i โลปอักุศลังโโสอักุศลังโมโหอักุศลังอักุศรรมูลสาคือท่านแสดงอักุศลมูล o o l าอักุศรมูลคือโลภะความอยากได้อักุศลมูลคือโทสสความคิดประทุษร้ายอักุ s a r a m o o คือ โมหานี่แปลว่าแปลว่าความหลงไงแปลว่าความหลงเจ้าธรรมะบทนี้ยเราเราฟังกันมาเยอะโลภะโทสะโมหันและแล้วชาวบ้านก็พูดกันมากอย่างโรกปดหลงโรกปดหลงเนี่ไงพูดพูดกันมากทีนี้เวลาพูดกันมากมากไปแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าจะเข้าใจ ว่าไอ้โลกกดลงนี่คือ อ, คอะไรไหมเหมือนคำว่า อ, อ น, นี้จำทุกาำอนัตตานี่ยคนพูดกันหมดผมไม่เที่ยงไปเจอหน้ากันหมไม่เที่ยงแต่ไม่เที่ยงของเขาเนี่มันปแปลกอย่างไหคือไอ้คนที่ไม่เที่ยงบางคนยิ่งโลกแรมรู้รก้กหมดแล้วนไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาแต่โอ้โลกจัดเลยคนะทีนี้คําว่าตัดถาลกลุพติติโรโพเนี่ยนะ บรรดาธรรมเหล่านั้นชื่อโลภะเพราะอัวิบัญญัติอัถคก็คือแปลว่าอยญัติอกุลอากุศล น, นั้นเป็นมูลรากด้วยว่าเป็นโลภะมูลรากแห่งอุศลนั้นจึงชื่อว่าอุศลมูลที่นี้ว่าในทีคณิกายปฏิกวัตในท่าสุตตะท่าสุดมีข้อความบอกว่า ทำสามอย่างนั้นเป็นไปในส่วนข้างเสื่อมเป็นไนทำสามอย่างนั้นก็ได้แก่โลภะโทสดะและโมหะทั้งสามอย่างนี้เป็นไปในส่วนข้างเสือ่อมคือเป็นธรรมไม่ใช่เป็นธรรมะที่เป็นไปในส่วนของฝ่งายเดีเลยส่วนในขุททตาพิกา ร, รอิติพุทธกาในอัคคุสวรมูลสูตรเนี่ยนะท่านพระนอนเล่าว่า พระพุทธพระผู้มีภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนพิสูุนทั้งหลายอบุตรละมูลสามประการสามประการเป็นไนโลภะเป็นอบุตละมูลหนึ่งโทสะเป็นอบุตรละมูลหนึ่งแล้วก็โมหะเป็นอบุตรละมูลหนึ่งฉะ น, น, รรนั้นโลภะโทสะโมหะเกิดขึ้นแล้วในตนย่อมเบียดเบียนบุรุษผู้มีจิตลาบกเหมือนขุยไผ่เบียดเบียนไม้ไผ่ใช่ไหมเวลาท่านยกตัวอย่างอย่างยกตัวอย่างท่านพูดที่บอกว่าโลภะโทสะโมหะเวลาเกิดขึ้นในตนเนี่ยนะ ย่อมเบียดเบียนบุรุษผู้มีจิตอลมกเหมือนขุยไผ่ย่อมเบียดเบียนไม้ไผ่ใช่ไนะคาว่าเบียดเบียนบุรุษเนี่ยบุรุษที่ผู้หญิง่าอยบุรุษก็ต้องผู้ชายไงไมอย่างบุรุษตะโู่ที่บอกว่าคํว่าพระพุททพุทธุทุทธพธพุทธุทธพธพุทสารทธพปุทุทุทุ ที่สมควรฝึกเขาก็ถามมาว่าเออคําสอนของพระเจ้าเนี่ยเน้นปึกแก่บุรุษใช่ไหมไม่ฝึกสตรีใช่ไหมท <c oughs> ี่จริงคําคเนี้จำได้กล่าวแล้วเป็นประธานยังไงเป็นนายที่กล่าวหรือ ป, ประธานแต่ไม่ใช่หมายถึงบุรุษอย่างเดียวหมายถึงสตรีด้วยอย่างยกตัวอย่างเช่นพราราชาสเสด็จเนี่ย ไม่ใช่เสลชัยเพราะพระาชานั้นม the ีบริวารมีขลาเฉลี่ยบริพาลร่วมเสลด้วยนี่เสมือนการที่บอกว่าคุยก็แอบเหมือนบอกว่าโลภะโทสะมหะเกิดขึ้นในตนแล้วก็เบียดเบียนบุรุษผู้มีจิตแลังจะเป็นบุรุษหรือสตรีะถ้ามีจิตรางก์เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยก็เบียดเบียนเหมือนคุยไผ่ก็เบียดเบียนไม่ผาดเขาบอกว่าเหล็กเนี่ยเสนินเนเกิดเลยเกิดจากเหล็กอันนี้กทำงานมันก็ิีดขาดทิเดียว ไอ้ขวี่พายมันยังมันจะเกิดขึ้นมาแล้วกัดกินไอ้โคกไม้ไผ่ทีนี้อกักขุสรามูลเนี่ยนะเพราะเป็นธรรมเป็นทั้งอักขุศลและเป็นทั้งรากเน่าของอักขุศลทั้งหลายคือตัวก็เป็นอกุศลด้วยแล้วยังเป็นที่มาของอกุศรและธรรมทั้งหลายคือโลภะเนี่ยถามว่าเขาเป็นอกขุสรไหมเป็นแล้วก็ยังเป็นรากของอกักขุสรด้วยคืออกักขุสรยังมีทั้งหมดว่าโลภะโทสะโมหะทั้งหมดนีงไง ที่จริงในกลุ่มของโลภะเนี่ยเช่นโลภะกระแดทิฏฐิกะ็ะแดมานากะก็ะแดอันนี้ก็กลุ่มอาคุสมโทสะอิสามัฉริยากุกุจจาอันนี้ก็อาุสมโมหะอวิการโนระปอุเทจจานี่ก็ทิฏฐิมานะวิจีวฉาเนี่ยอกุศมนักธรรมทั้งหลายเหล่าเนี้ถามออกมีอะไรเป็นรากมีโลภะเป็นรากมีโทสะเป็นรากมีโมหะเป็นราก เนี่ยตัวโลภะโทสะโมหะเนี่ยนอกจากเขาจะเป็นอกุศลแล้วเนี่ยเขายังเป็นรากของอกุศลนึงทีนี้เขาได้กล่าวเอาไว้บอกว่าคําว่าเป็นรากเง้าถ้าคือเป็นเหตุเป็นเหตุก็ได้เป็นแดนก็ได้หรือเป็นเป็นไปแห่งผลคือให้ผลให้อกุศลทั้งหลายน่ยเกิดคําว่าเป็นปัจจัยก็คือเพราะเป็นเหตุให้ผลอาศัยเป็นไปให้อกุศลทั้งหลายเกิดขึ้นเลยอีกอย่างหนึ่ง เขาบอกเป็นปะภาวะเพราะเป็นแรงเกิดของผมอกุณโสดมูลเกิดก่อนอกุศโทั้งหลายก็เกิดขึ้นมาทีหลังเ ย, ย่อไปอย่างเช่นเช่นปานาิบาอธินาทานตามยวิชฌาจานมุสาวว่าติสุนาวาจาพุรุสวจาลพะปราปา่าอันนี้สมมติอันนี้อันนี้เป็ น, นแต่อคุณโแต่อคุณโเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีรากรากของเขาจะเกิดก่อน เมื่อรากของเขาเกิดขึ้นมาแล้วอาวุโสแล้ทำเหล่านี้ก็เกิดขึ้นมาอย่างพวกมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังขปามิจฉาวาจามิจฉากรรมัญตามิจฉาอาชีวามิจฉาวายามามิจฉาสติมิจฉาสมาชิมิจฉาวิมุตติมิจฉาญาณะเหลยเนี้อันนี้เกี่ยวกับเป็นอกุโสอาวุศสเหล่านี้มีรากก็คือโลภะเป็นรากบ้างโทสะเป็นรากบ้างโมหะเป็นรากอื่น กิ่ยางเลือเป็นชนกเพราะยังผลของตนไม้เกิดขึ้นเป็นสมุทรถาประกาศผู้สถาปนะให้การผลิตฝนเป็นนิพพัทธประกาศกระดูกให้เกิดกิเมีโลภะเป็นต้นชื่อราฆ่าว่าเขเป็นที่ตั้งของอกุศลทั้งหลายทีนี้โดยโลภะนี่นะท่านบอกว่าเป็นเหตุให้บุคคลจะทาบาปทั้งหลายมีการฆ่าการคิดร้ายนำมาสรุิบาป เผ็ดร้อนเช่นการถูกตำหนิถูกจองจําตลอดทุการประสบทุกแห่ใบความขมก็ดูดูนี้บอกว่าทําไมเราเกิดมาในปัจจุบันเราพบที่ถูกตำหนิถูกจองจํำถูกจองจําปัจจุบันไม่ถูกจองจําแล้วหล่ที่จริงถูกจองจําโดยโซ่โดยตรวนนั้นอย่างแต่ถูกส ai ังสารวัตรมันมี มันมีอยู่ส่วนหนึ่งนะที่พระพุทธเจ้าไปเสด็จไปวิริยบาตไปเจอภิกษุสองก็ไปเจอคนถูกโซ่ตรวนมัดพระพุทธเจ้าเอาว้ตระพร้าพยายามพจทธเจ้าก็เหยียนข้างในหน่อยเลยท่านแบบนี้หน้าทรมานถ้าเกิดถูกจองจำพุทธเจ้าก็ดูก่อนพิจารอันนั้นไม่ียกว่าเป็นโซ่ตรวนันนั้นไม่ได้ว่าเป็นการจองจำใีถาวรนะแต่สังสารวัตรเนี่ยะบุคคลที่ยังออกจากสังสารวัตรไม่ได้ออกจากวัดต่าไม่ได้ถือว่าเป็นการหลุ ถูกจองจําที่ถาวรเนะี่ยสรุปแล้วพวกเรามีก็เป็นนักโทษเนะี่ยเห็นไหมเป็นนักโทษของสังสารวัตรนะและเป็นนักโทษแบบประเภทที่ถูกตัดศีลแบบประเภทตลอดชีวิตเนะี่ยแล้วตัวมาใหม่ก็ถูกตัดศีลให้จาคุกเต็ดคุกตลอดชีวิตอยู่เรื่อยๆอยูนะ่แต่ความรู้สึกว่าเราไม่ีไม่คิดว่าตัวเราเองเป็นนักโทษ เมื่อไม่คิดว่าตัวเราเองเป็นนักโทษเราก็เลยไม่ขวัญขวายในการที่จะออกจากคุกกับคือสังสารวัตอในสาว้องคำว่านิโรธาเนี่ยนิโรธาเนี่ยหมายถึงอนิพานเลนะไอ้คาว่าโรธาเนี่ยแปลว่าคุกเนี่ยโรธาศัพท์เนี่ยแปลว่าคุกนี่เนี่ยแปลว่าพ้นนิโรธ า, น เ, นานเนยแปลว่าคน้ น, า น, น, าคนจากคุกกับคือสังสารวัก็นเลย ทีนี้ถ้าเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเรามีนักโทษใช่ไหมนักโทษของสัมถารวัตทีนี้บอกถันฝัวใช่ไหมเราจะต้องหาทางออกเลยนะออกจากคุกขังคือสัมถารวัตใช่ไหมก็ไม่ต้องไปคิดหาวิธีออกเพราะพระเจ้าบอกวิธทางเดินในการที่จะออกเลยไม่ต้องการไม่อยากจะเดินบอกไว้ก่อนแล้วรู้แล้วลราท่องในแล้วทํามาที่สีดทํามาแล้วก็ปาท่องในแลเดี๋ยววันนี้เขากลับไปนอนนะพี่ถ้าอย่างนี้ก็จะกล เจอสตาว่าคําที่ชื่อว่าโลภก็แปลว่าเป็นเหตุให้คนอยากได้หรืออยากได้เองหรือเป็นเพียงอยากได้เท่านั้นเลยโลภมีการยึดถืออารมณ์กล่าวเป็นรูปเสียงเป็นต้นเป็นลักษณะเหมือนลิงเง้นะรักหลัโลภถ้ายอยูม่มาวิจะลีติดตังในในอัคคาหรือในดีกาหรือทั่วไปก็จะอุมาเหมือนลิงที่ติดตางหรือก็เหมือนกับไอเนื้อที่โยนไปในกระเบื้องที่ร้อน พอยนเนื ơi, ้อเข้าไปโปะในเนื้อมันจะติดแกะออกยางหรือเหมสีทาบ้านนี่เหนียวเหนียวหน่อยเนสรุปงั้นก็คือลักษณะของโลพาเนี่ยถ้าไปไปไปรับอารมณ์อะไรเนี่ยถ้ติดอารมณ์นั้นให้าก็เกียดด้วยนะว่าเออมันเป็นปัญญาหรือโลพาหรือวิธีคิดไม่ได้ถ้าเห็นอารมณ์ใดที่มันเข้ามาสู่คอของทางจากปุถุวันหรือตะวันการตะวันยู่อตะวันหรือมโนตะวัน อารมณ์ได้ก็แล้วแต่ที่มันผ่านเข้าม า, าต่างๆของระบบริางกายและทางใจเพราะผ่านเข้าาพวกเรื่องไหนมันชื่นอกชืนใจอยู่เลยนะแล้วก็ลืมว่ารมนั้นไม่ได้เลยทีอันนี้ชักเลยมันติดและติดในอารมณ์นั้นบางทีไม่ใช่อย่างเดียวนะมันอารายาวรมันลักขณะอารายาวอนถ้าเราดูอย่างที่ว่าบอกว่ากุซาราชาตามหานางเราอดีร้อยยนอันนี้ชักเลยเนี่ยลักษณะของโรพา ที่อ่านาวงวพาวลีหนีกับเมืองตนเองแล้วก็สละกทิ้งา ร, ร, ราชบัลลังก์แล้วก็วิ่งโดยเท้าเปล่าร้อยโยอดยอดนึกถึงของอีลงได้ลองคิดือวิ่งวิ่งโดยอํานาจของผู้หญิงแล้วมีอยู่ในเรื่องหนึ่งนะเป็นอันเป็นประวัติของพระโพธิสัตว์คือตอนนั้นพระโพธิสัตว์ก็เป็นพระเจ้าแผ่นดินแต่นี้ก็มีในความ น, นี้มีผานคนหนึ่งไปเจอช้าง ช้างตัวนี้เป็นช้างที่ลักษณะดีเป็นช้างเผือกอะไรนี้แต่ที่ต่อมาก็เลยกระตักตรงเนี้ั่านก็ชอบอยู่ใช้ไหมก็ไปโค้งช้างเมื่อได้ช้างมามาแล้วก็ให้ความช้างมาไปฝึกโอฝึกอย่างนี้แล้วพอไปฝึกครบเด็กเด็กอยู่ต่อมาก็ส่งช้างที่ช้างเไยเข้าไปใ่อุทยานมีอยู่วันหนึ่งในนี้พวกช้างทั้งหลายพวกช้างป่าเนี่ยพวกช้างพังช้างพังเปนช้างโรงเรียน ทางพังช้างพ า, ายหลายมันเข้ามาไปอุทยานของเวลาชางแล้วก็บาข่ายทางบุญจริญปัสวละลัตสวะทีนี้ต่อมาช้างที่ไฟพระโพธิสัตว์ทรงทรงช้างไปเนี่ยใส่ช้างไปเนี่ยประทับอึ้นคอช้างไปเนี่ยมันตกมังไม่ได้ได้กลิ่นได้กลิ่นในอุจจาระของไอปัสวะตมียนช้างพังพอมันได้กลิ่นแคนั้นะนะมันวิ่ง มันวิ่งมันสลักความช้างเลยตบอย่ากหลังช้างก็เหลือแต่ว่าพอิษฐ์ศัตดิ์อยู่หลังช้างวิ่งเข้าป่ามันตามช้างบนเมียบไปเอาขอพอดิษฐ์ศัต SO ด e ์ก็ใช้ขอที่ศับอย่างสับสับไม่อยู่สับยังไงก็ไม่อยู่ดีมันวิ่งวิวิ่งไปที่มันผ่านต้นมะเดื่อมีกิ่งใหญ่เล็กเล็กต้นมะเดื่อเป็นที่ตึ้งแล้วก็เกาะต้นมะเดื่อแล้วก็อยู่บนต้นมะเดื่อเขาเอาลูกมะเดื่อกินเกล็ดตา ชางก็วิ่งเขา้าป่าต่อมาอีกต้องเป็นกับครึ่งวันราชบริพันธ์ตามมาอยา่เขามารับเาเลยเรียกควัน้ามาบอกบอกตกลงโทษลฝุดช้ายังไงเลยมะไปฝุช้งา ง, ย, าางยังไงบอกว่าเรเลาจะตายเลยเนะนี่ยเจออันเนี้ยฝ่ออายฝ่ายควัช้างก็บอกว่าไม่ไม่เกินเจดวันเลยช้างก็กพรช้งางมันุดมาดีจริงหรือเปล่าถ้าไม่กลับจะปรป่ารชีวิตหร อ, อกจริง กลับมาว่าครบเ็ดวันช้างก็กลับเพระกลับมาเ็เสร็จก็บอกี่ฝึกดีจริงหรือเปล่าจริงสาวเธอรอด็ก็เอาเหล็กเนะี่ยเอาเหล็กเข้าไปเผาไฟแดงเลยนะพอาะเผาไฟแดงก็บอกช้างบอกว่าใช้มวงจับเดืองเนี้ยขนาดเหล็กแดงเนะี่ยมันเออด้วยความเชื่อฟังเนี่ยนะใช้มวงจับขึ้นมาแล้วแล้วก็ไม่ช้างนี่ตายเลยอะยอมตายอเงี้ยเลยก็เลบอกว่า พราะโพธิศามาคิดโอ้โหขนาสุดดีขนาดนี้แล้วทำไมเนี่ยวิ่งเนี่ยก็เลยบอกว่าเนี่ยโทษของโลภะพอพอได้ยินเขา่าโทษของโลภะแค่นั้นละโอ้เพราะโพธิศามีจะดุนึกในใจว่าโอ้โหโลภะนี่น่ากลัวมากก็กลัวเลยกบัวเลยขอบ่งเป็นเมฆะบาลรรีไย นี่คราบมีเจรนาอย่างนี้ว่านี่เราไม่เคยเห็นโทษเพราะโ ร, ารพาแบบนี้ว่าว่าโรพาเนี่ยมันมันดุแรงขนาดขนาดช้างขุดมาดีขนาดนั้นเลยแต่พอไปถึงเวลาเขาก็มีแนวอยู่ขนาดว่าให้ให้ก่อยให้จับเล็กแดงๆตาเยังทําได้แต่ถึงยาพี่ไปเจอก็เป็นเค่คนกินข้าวแล้วเอาไม่อยู่แล้วเขาบอกมีการติดติดแรมเป็นหน้าที่ เหมือนเนื้อที่ใส่ไปในกระเบื้องที่ร้อนเขาบอกติดติดส่ิลักษณะของโลภะเนี่ยและนอกจากติดแล้วยังว่ามีการไม่สลัคือไม่ยอมสลักเป็นผลด้วยเป็นสีน้ำมันหนึ่งลักษณะหัวลิงติดตามจิต ก, การงานของโลภะหรือหน้าที่ของเขาเหมือนเนื้อที่ใส่ลงไปในกระเบื้องเป็ร้อนชิ้นเนื้อส่วนผล ผลปลากรของเขาก็เหมือนกับสีน้ำมันท่านมีความเห็นความชอบใจในธรรมที่ทำให้เกิดกิเลสเป็นเหตุ ใ, ให้เกิดนี่รัสแล้วต้องโลภะนี่นะโลภะเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เรียกว่าตัณหาใช่ไหมเรียกว่าตัณหามีธรรมบทอยู่โโยเรื่องที่บอกว่าสูงทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันตรการตาจุดราดฉลดที่พวกคนเขาหมกอยู่แต่ผู้รู้หาท่องอยู่ไหม ตรงนี้ที่พระพุทธเจ้าสอนแก่อาภัยราชภูมิมาคืออาภาัราชปุมาิเนี่ยเป็นโลกช น, นะคือคนก็แข็งเมืองขึงน้นมีชนะโก็ยกกองทัพไปรบพอช น, นะกลับมาเสร็จพระเจ้าพิพิสานก็สถาปนาตําแหน่งให้นอกจากสถาปนาตําแหน่งให้แล้วยังไม่พอก็ยกนางสนมที่สวยงามที่สุดที่ว่าอาภายัยราชปุมาิชอบให้ใหนาง พอตจนางสนงนี้ก็โอ้โหไม่ออกจากภาษาราชวังนะทั้งน้จันทร์ทั้งอะไรต่างก็ไล่เราในตัวจริงเนี่ยนางนางสนมนีตายเหมือนเหมือนนันจะตีหมาหมันพอตายเล่าที่กินไปอะไรไปเนี่ยที่เมาดื่นสังเมาแห้งคือลาที่เรียรวาลาทาเยอย้อมใจพอต่อมาก็พอพอนางี่ตายก็กลายเป็นโทมันแล้ ก็เฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกดูก่อนสูงทั้งหลายจงมาดูโลกมีอันตร ก, การทาดุลรากฉลบทงั้นถบอกว่าขันเนี่ยขันเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารมียาเนี่ยเนี่ยกายกับใจเปนต้นเนี่ย อ, อุปมาเหมือนลากฉลด ไอตัวราชรถเนี่ยถ้าเอามาเอาผ้าเอาธงเมาแรงต่างมาประดับแล้วตกแต่งก็เหมือนกับเสื้อผ้าตอนที่เราใส่ประดับแขนี่ยใช่ไหมผมเอ่เยอะไรเอยแว่นใจอะไรต่างมาประดับเนี่ยเหมือนราชรถที่พวกคนเขาหมอกอยู่คนเขาคือคนทานคนโง่หมอกอยู่หมกมุ่นอยู่พเพลิดเพลินอยู่กินดีอยู่หลงไหลอยู่ไม่ทำกิจที่ควร ท, ทําเลยวพราเห็นอารมณ์เหล่านี้ก็ชื่นใจยินเพลิดเพลินอย่างนี้ย แต่ผู้รู้หรือบัณฑิตทั้งหลายหาข้อยืดมากบัณฑิตทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าสาวว่าของพระพุทธเจ้าหรือคนที่เจริญในนะสถิถมมติปฐมเป็นเจ้าแบบนี้เขาตายกันหมดแล้วเขาไม่โมโหหมหุุนในสติระที่เน่าเปืออ่บบถถอยพงแบบนี้พาแสดงลักษณะพรไอะไรถึงวันได้บรู้เป็นพระโซดแบบนีาขาข้ศูนตั้งคาถานี้คาถาเดียวได้บรรลุเลย เรายังจับต้นธนบาร์ไม่ถูกเลยว่าอะไรเป็นทุกขสัจอะไรเป็นสมุทยัยยะสัจอะไรเป็นยุโรธอะไรเป็นมร์เนี่ยคือคือล่าสนาอานี้คื อ, ค, อ, อ, ค, อคือโลภนประการมจมาคือว่าโลภะ น, นี่ให้เกิดทุกเรียกว่าตัณหาเมื่อถึงความเป็นรา่าก็เรียกว่าโมหะโลภะเอาไวา้เรียกว่าโลภะมูลถ้าเป็นราชาอกนะเมื่อถึงฐานะเป็นนุววันเรียกว่ากรรมวิชัญนะ เมื่อถึงฐานนัางความกำหนัดเะเรียกวาราคาเมื่อถึงฐานนัเป็นกา ร, รมรบวชเขาเรียกว่าอภิชาหุตทีนี้ก็เวลาเราเปเรียกแต่เาเรียกต่างกๆๆันหมดเลยาวโรพาเนี่ยถ้าเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เรียกว่าตัณหาตัณหาสมุทโยเรียกตัณหาถ้าเป็นรากเน่าของอกุศลเขาเรียกวาราคาถ้าเป็นนิวรก็เรียกก ร, ร, มรามไม่ฉันทะ ถ้าถึงฐานา้าความกําหนับ ก, ก็เรียกว่าตราคะถ้าถึงฐานะเป็นกรรมอบดก็เรียกว่าอาภิชาความที่เพ่หนึ่งอภิชาอันนี้ก็ลักษณะของโลภะก็จะเป็นลักษณะนี้ในในหบทธรรมจากรก็มีทางโขงปนาพิทเวทุกขสมุทโยอยาาริยสัจจัง ยาอยาตัณหาโปโนควิกางันทิราคาตาตาตัตระตตระพินันตินีเสรยาทิทางกามาตัญหาภาวะตัญหาวิภาวะัญญาอันนี้เขาเรียกสมุทยเป็นการมาตัญหาบ้างภาวะตัญหาบ้างวิภาวะัญญาดีไปนี้ถ้าต่อไปโทสามนะโทสามเนี่ยมีความดุร้ายลักษณะเหมือนสารพิษถูกประหารล้วนี่แต่คือเหมือน มือนงูที่ถูกฆ่าแล้วไม่ตาย ม, มีการกัะ ส, สากกระต่าเห็นการและติดเป็นหน้าที่เหมือนคนถูกวงกออ า, กางดาพิษรักษาเนี่ยนะว่าโคตสาเนี่ยเหมือนอะไรเหมือนสัศรพิษถูกประหารมันจะไม่ตายเวลาเราเอาไม้อะไรลาไปทุบงูอ่ะเพราะมันไม่ตายโอ้มันโกรธมากเลยเมัน ท, าานที่กระตากกระจ่ายคนที่โกรธเหมือนเนี่ยนะ ลักษณะของคนโกรธถ้าจะดูก็คือว่าเหมือนมูถูกทุบไม่ตายแล้วมีการกระตับกระสายในกายและจิตเป็นหน้าที่ตักว่าแล้วจิตล่ะหลังจากมีอาการหุดหงินอย่างนั้นเนี่ยกายก็หุดหงิดใจก็หงุดหงิดท่านใช้คำว่ากระตับกระส่ายก็คืออยู่ไม่สุขแล้วลเหมือนคนถูกวางยาพิษ ้ะมีการประตุ้นลาเป็นผลเหมือนศัตรูได้โอกาสละพลังแข็แล้วก็มียาคาตะ ว, วัตถูกเป็นเหตุใกล้ให้เกิดอาคาตะ ว, วัตถูกก็เนี่ยคือว่าติด ป, ประการเนี่ยนะอาคาต ว, วัตถูกที่บอกว่าเขาเคยทาํ า, า, าทความเสียหายให้กับเรากําลังทํา <c oughs> ค, ทความเสียหายให้กับเราจะทําความเสียหายให้กับเราอีกสามเคยทําความเสียหายให้กับคนที่เราลักกาลังทําความเสียหายให้กับคนที่เราลัก จะทําความเสียห า, ยากับคนที่เราอันนี้ก็เป็นอีกสามแล้วก็ทําประโยช น, น, น, น, น์ให้กับคนที่เราเกลียดเคยทําประโยชน์ให้กับคนที่เราหยุดกำลังทําประโยชน์ให้กับคนที่เราเกลียดแล้วก็จะทําประโยชน์ให้กับคนที่เราเกลียดให้แปลงให้ตัวสัน่นถ้าเราเกลียดใครถ้าเราเห็นคนคนนั้นอีกคนนึงไปทําประโยชน์ให้เราก็ไม่ชอบ <c oughs> ใช่ไหมยังเราเราเราไม่ชอบคนคนเนี้ยแต่มีคนไปพูดดีดๆกับคนคนเนี้หมองแรง เพื่อนของเราเนะี่ยาเรามีเพื่อนเราก็ไม่ชอบเลยคนคนี้อีกคนนี้พอไ่เจอหน้าคนที่เราไม่ชอบเนยไปพูดพี่น้องพี่เทาเราก็ยังดีเลยผมไปพูดดีทำไมอ๋อคือเราเราเปนยายเร็ๆๆเพน ก, กระาต่อมาคีสะดุดตอเรงหกลมอ่อันนี้ก็เป็นอ า, าคาสวรรค์ปัจจัยที่เป็นประจัยเกิดโทศัพท์โมเป็นรากเหง้าก็เรียกว่าโทรศมูลเป็นนิวรเรียกพยาบาทนะ ถ้าเป็นาการมาบก็เรียกวิญญาบารเป็ น, ปนตนน้นก็เปลี่ยนไปด้วยกันต่อมาคือโมหะโมหะเนี่ยเขาแปลว่าปิดบังสภาวะตามความเป็นจริงของอารมณ์ไว้คําว่าปิดบังสภาวะตามความเป็นจริงของอารมณ์เช่นปิดบังไม่รู้ถึงความจริงของการดูการได้ยินเป็นต้นหรือปิดบังไม่ให้เห็นไม่ให้รู้ในอนริยสัจสีเออ่เวลาเขาปิดบงังยกตัวอย่างเช่น ในทางจากักรุณาวาเนี่ยนะเขาบอกว่าตอนที่ท่านพระพายย่างเนี่ยเห็นที่พระพุทธเจ้าตรัส บ, บอกว่ารู้ความพายยางเมื่อเห็นจักเป็นสักว่าเห็นเมื่อได้ยินจักเป็นสักว่าได้ยินเมื่อทราบจากักเป็นสักว่าทราบเมื่รู้แจ้งจักเป็นสักวารู้แจ้งคํามว่าเห็นจักเป็นสักว่าเห็นเนี่ยท่านก็บอกว่ารูปอารมณ์กับจกักรุณาญาณ ที่จริงคําว่าเห็นเนี่ยตัวที่เข้าไปเห็นเนี่ยคือตัวจักรปุยยางเข้าไปเห็นลูกบอลไอ้ตัวที่ถูกเห็นเนี่ยคือตัวลูกบอลแต่การที่ไม่เห็นอริยสัจหรือการที่โมหะมันปกปิดเนี่ยทําให้เราบอกมีความรู้สึกว่าเราเห็นสัจเห็นบุคคลเห็นหญิงเห็นชายเราไม่เข้าใจกระบวนการของคำสอนหรือกระบวนการของวิสีจิตที่เกิดขึ้น ว่าทิฏฐังทิมฐมาตาภวิสติเนี่ยบอกว่าเห็นจักเป็นสักทว่าเห็นเนี่ยบอกว่าไอ้ทิฏฐิคือว่าเห็นในที่นั้นคือตัวจักปุวิญญาณนั้นเป็นผู้เห็นตัวรูปารองนั้นถูกเห็นทีนี้จักปุวิญญาณที่เข้าไปเห็นเนี่ยตัวสัมปติชนะก็เข้าไปเห็นสันตีแล้วนะก็เข้าไปเห็นเป็นต้นแบบเนี้ยท่านบอกว่าเมื่อเห็นเนี่ย จับเป็นจับประมาณว่าเห็นก็ได้ก็แปลว่าเมื่อเห็นแล้วเนี่ยเอาจับอวิญญานเป็นประมาณเพราะจักอวิญญาณเนี่ยไม่โลภใช่ไหมไม่โกรธไม่ขัดเคืองแล้วก็ไม่ลุมหลงไม่โลภไม่ขัดเคืองไม่ลุมหลงจักุกุญญานเนี่ยเขาเห็นเขาจับเป็นศัพ์ว่าเห็นเั่านั้นเองเขาไม่มีความตําหนัดไม่มีความขัดเคืองไม่มีความลุ่หลงในขณะเห็น สัมปติชนะก็ไม่มีความกำหนัดกัดเคืองรุ่มหลงสันติแล้ะก็ไม่กำหนัดไม่ัดเครือ ง, นะ อ, งครองไม่รุ่มเราก็จงเอาจาอับอุญญาณเอาสัมปติชนะส ต, ติแล้วนะวัฏฏะน่ะเหล่านี้เป็นประมาณในการคือจะไม่ทํ า, า, า, าราคะโสดาบุญให้เกิดขึ้นให้ตั้งขึ้นในชานา้านะการเห็นในลักษณะ น, นี้เขาเรียกว่าเห็นจากปัสภาวะส่วนตัวที่ถูกเห็นเนี่ยถามว่ปปารูปารมณ์เนี่ยถูกเห็น ไม่ใช่ไปเห็นเลยว่าเป็นหญิงเป็นชายทีนี้รูปารล ม, ม, ม, ม, ม, มเนี่ ย, ย, าายเยกิดขึ้นจากปัจจัยใช่ไหมใช่รูปารลมเนี่ยเกิดจากสมุทฐานทั้งสเกิดจากกรรมบังคิตบางประตูบ้างหันแต่ว่ารูปารลมไม่อายปัจจัยอะไรเกิดบอกอาศัยดินน้าไตลมรูปารลมอย่างยตัวอย่างเช่นเรามองเห็นหน้าใครทั้งหลายเนี่ยก็ยิ่งก็จะเห็นรูปารลมทีนี้ที่เราเห็นรูปารลมได้ก็มีกลุ่มของดินด น, าน้าไตรมประชุมกันเป็นแท่งทั้งให้เราเห็น ทีนี้ดินน้ไฟลมเนี่ยเกิดจากตามส่วนหนึ่งเกิกดจาจิตส่วนหนึ่งเกิดจาอุตุเกิดจากอาส่วนหนึ่งถามว่าจริงๆแนละ้วถ้าทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากปัจจัยแม้ตัวจากขุญญาที่เข้าเป็นคําจิตในการเห็นทันศนะจิตเป็นต้นเนี่ยก็เกิดจากจากขุญญาเป็นต้นแบบนี้ที่จริงตรงเนี้ยการที่จะไปรู้ได้ขนางนั้นก็คือมีคําสอนมีปริญาค่อนข้างค่อนข้างแน่ค่อนข้างตรงนตนเนี้ยมันมันติดบาง จิตบางเข้าไว้ก็ทาให้เราไม่เห็นตามความเป็นจริงคืออริยสัจก็ไม่ปรากฏอย่างยากตัวอย่างอย่างนี้นะถ้ามองในภาพธรรมดาว่ากันในที่ที่เราไปอินเดียเนี่ยเขาบอกว่าอินเดียในเวลาในสมัยก่อนแม้แต่ในปัจจุบับนนวิทยาลัยเบอเลยคือว่าเขา ก, ากระจายฐามันก็มีการสั่งคราวเมีความการสั่งแพทย์แล้วก็สูงทีนี้ วันก่อนเขาก็วันก่อนเข้าก็มาถามครครับครเพื่อประเทศไทยเนี่ยิดีนะ ม, มีวันนะแต่ประเทศอินเดียมีวันนะั้นท่นี้ก็ก็เลยถามว่าเออแล้วดีเนีไยกับประเทศไทยทีออ่ประเทศอินเดียเนี่ยเขายังมีการแบ่งชั้นเนี่ยอะไรท่าก็เลยถามว่าเออเอ阿拉มองมุมหนะึ่งว่าคนอินเดียนเนี่ย เขามีวันนะาเขาก็บอกเลยว่าเขามีวันนะแต่คนไทยเนี่ยจริงๆมีวันนา้ารึเปล่าตัวสมมติถ้มีขอทางมาหาเราเรามีความรู้สึกกับคนนั้นอย่ า, ามีพ่อค้าพยาเชิมาหาเรามีราชมนตรีมีเจ้าใหญ่ในโตมาหาเราความรู้สึกของเราเนี่ยยังมีการแบ่งว่าคนนี้สูงคนนี้ต่ำคนนี้ที่จริงมันมีอยู่ที่จริงมีแต่เราไม้บอกว่ามี ที่วันน้าเนี่ยมันเพียงแต่ว่าเราจ ะ, สะแสดงออกหรือไม่สแสดงออถ้าไอ้วันน้ามันมีชื่อของกิเลสนะคนที่ไม่มีวันน้าจริงๆต้องคนที่ถาาือจับกิเลสในใจแล้วกันเนะฉะนั้นข่าวอกว่าวันน้าจริงๆมันมีชื่อของกิเลสทีนี้บอกว่าเธถ้าเราไปอริยสัจจะปรากฏหรือมายกทธเ็อย่างเช่นว่าเราไปเห็นคนที่เขาอยู่ในฐานะสำคัญเวลาเราเห็นพวกนี้พวกเราเร า, เราคิดอย่างไง ถ้าเรามีความรู้สึกว่าุคนนี้แย่ยังคนนี้โสกโปกคนนี้ไม่ดีเป็นตัวอะไรเนี่ยสแสดงว่าอย่างนี้อริยสัจไม่ปรากฏเบื้องต้นเนี่ยก็เรียกว่าสัมมาทิฏฐิไม่ปรากฏแหละแต่ถ้าตัวอริยสัจปรากฏเนี่ยเบื้องต้นมันต้องอะไรเกิดหรอกกรรมสัตวดาวสัมาทิฏฐิต้องเกิดต้องเกิดบอกว่ า, วาที่เขาไดสถานะเช่นเนี้ยแสดงว่าอากุศลวิบากกาลังผลส่งผลให้กับเขาอยู่ ฉะนั้นเมื่ออากุศลวิบากกำลังผลิตวิบากให้กับท่านคนนี้อยู่เนี่ยเรากาลังในขณะในฐานะที่เรากําลังมองเห็นอกุศลวิบากหรือเห็นอากุศลกรรมกาลังส่งผลได้อยู่ในขณะนั้นเน่ยควรกาหนดอย่างน้งอันนี้เป็นสัจจะอะไรต้รู้บอกนละอันนี้เป็นทุกขศัสใช่ไหมเป็นทุกขศาสเนี่ยไม่ใช่เป็นสัจจะอีควนละเช่นถ้าเราเห็นคนตกทุกขได้ยากเนี่ยเราไปอู้อย่าไป เราเป็นแสดงความเราเขียแสดงวเราไปคิดที่เราจะเป็นละที่จริงเขาให้กําหนดรู้ให้กําหนดรู้ว่าอันนี้เป็นพุทธศาการกำเนิดรู้ก็คือว่าเออเป็นยาตัดเป็นยายังไงตีกระดาปริเดยาย่งก็ไปในไข้ปวดเวทวิจัยอะไรนะถ้าอย่างนี้ก็เรียกวิทยาศาสตร์ปรากฏประการต่อมาคือว่ามีความมืดมนแห่งจิตและมีความไม่รู้ในกปะดาษกระดมืดมนแห่งจิตก็หมายความว่าในขระาษนั้นจิตไม่มีปัญญาเป็นต้องเกิดขึ้น และมีความไม่แทงตลอดปกติดศราว่าเพราะเราเป็นหน้าที่แล้วก็มีการปฏิบัติโดยชอบหรือมีความมุ่มุ่ในเรื่ผลมีการทําไว้ในใจโดยอุบายไม่แยกขาดโมหะมีเป็นมูลของอัตตสุรธรรมทั้งพวงนะเป็นมูลของอัตตสุรธรรทั้งพวงเยอะเลยอย่างเช่นอาวิชชาปัจจยาสังขาราเนี่ยเป็นมูลของสังขารทั้งพวงเลยอาวิชชาเป็นปัจจัยเป็เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยเป็นเกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยเป็เกิดนามรูปเป็นก็เหล่านี้ย นามลูกเป็นประจายมิเกิดสราเยสนาปัสสาะเวทนาเป็นต้นหเหล่านี้ฉะนั้นลักษณะอย่างนี้จึงเรียกว่าเป็นเป็นมูลของอาบุตรธระคำทั้งปวงพวกกราค้าโทสาโมหะเป็นต้นหเหล่านี้ยเกิดขึ้นมาก็ยัมีโมหะที่ะเป็นมูลนี่เป็นไปด้วยคำอย่างนี้นะก็ธรรมะหอดสามตรงนี้ก็กอเกิดทีนี้ มีเครื่องมือรัพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้วาธรรมมเวราติตาธรรมจาริมฉัพตังมันตังยะต้าววัสการีเอสามิสัมโสดเมสุจินีนัตกติณคัจจิตธรรมจาริติขบอกว่าทาแล้วย่อมรักษาผู้บุพเพธรรมดุดร่มใหญ่ในฤ ด, ดูฝนข้อ น, นี้เป็นอันสงแห่งธรรมที่บุพเติแล้วผู้บุพเพตินก็ไม่ไปสุดคัจจิ ถามบอกว่าอะไรเป็นความมุ่งหมายของพระผู้มีภาคเจ้าในข้านนี้ความมุ่งหมายในข้อฐา น, นี้ก็คือบุคคลเราใดต้องการจะค้นจากอบายถ้าต้องการจะค้นจากการไปเกิดถ้าต้องการที่จะไปค้นจากการไปเกิดปเป็นเปลือยตัวตายตัดใจฉามตัดในโลกนี่แนะถ้าต้องการอยากจะค้นก็ต้องกระพือเท้าก็ต้องกระพือเท้า โซนอีกคำหงบว่าโจรที่ถูกจับไปในทางเข้าบ้านโจรที่ถูกจับไปในทางเข้าบ้านบอกว่าย่อมถูกฆ่าหรือจองจําด้วยกรรมของตนเช่ในใดเรล่าศาสตร์ที่ตื้นชีพไปแล้วเนี่ยนะย่อมถูกฆ่าหรือจองจําในปลาโลกด้วยกรรมของตนเช่นั้นไะด้ท่านบอกว่า คามมุ่งหมายของพระเจ้าก็คือว่าบุคคลเนี่ยจับสวยบาปอันไม่นา่าปรารถนาที่ไม่น่ายินดีเนี่ยของกรรมที่ตนกระทําสั่งสมไว้ก็มีผลเป็นทุกข์ทีนี้อีกข้อหนึ่งว่าผู้ใดบุคคลเป็นผู้บริโภคมากมักง่วงซึงนอนหลับพลิกกลับไปกลับมาเหมือนสุกรใหญ่ที่คนเดินด้อยเหย่อบุคคลนั้นเป็นพวกเขาย่อม เข้ามา ด, ดูห้องกันบทในคาถาที่บอกว่าความมุ่งหมายก็คือว่าชนเราได้ปราศนาจากพ้นจักชะลาและหมดแล้วนะคือต้องการอยากจะพ้นจากทุกข์ต้องรู้จักประมาณในการบริโภคแล้วราสำรวจในทวารอินทรีย์ก็ประกอบความเย็นเป็นเครื่องตืง่นในที่ได้กล่าวถ้าในรักตัณหาอย่างนี้ก็จะเป็นปัจจัยในการพ้นค้นจักจากอกุศลธรามิต่นงะๆในคาถาต่อไปบอกว่า กาแ 6, 5, 5, 5. 5รแย้พุทธเจริกแล้วเขาแบบกุศลละมูลคือโลภะความไม่อยากได้กุศลละมูลคือโทสะความไม่คิดไประทุสลายกุศลละมูลคือโมหะความไม่ก็คืออาโลภะความไม่โลภะทำที่เป็นปฏิปักษ์กับโลภะด้วยความคิดเกลื่อแผ่นี่เป็นจาระนิอาโทสะมีความไม่ประทุสลายหรือทำที่เป็นปฏิปักกับโทสะนี้เป็นเมตตาส่วนโมหะเนี่ย ความไม่หลงนี่ทำที่เป็นปฏิปักกับความหลงนี่เป็นชื่อของปัญญาเอตอนในข้อนี้พระพุทธเจ้าสั่งให้ภาษาญี่ปุตรเทระแสดงคำแต่พิสูจทั้งหลายประมาณห้าร้อลูกขณะที่พระพุทธเจ้าประทับที่สับบกบคลานีเนี่ยที่คาคาใกล้มุนยมป่าในทุตระท่านจำแนตั้งมาติกาไว้อย่างละสิบเช่นหมวดสิบ แล้วก็หมดสามเป็นต้นเหลานี้ภาษาทีบุตรก็แสดงทางสามอย่างถ้าแสดงอโลมพอะอัตโทสอารมหะนทีนี้อโลมพะเนี่ยเป็นเหตุให้ไม่โลภหรือว่าตัวเองไม่โลภหรือว่าเป็นเพียงความไม่โลภอโลมพะมีมีความที่ว่าจิตไม่กำหนับในอารมมีความที่จิตไม่ติดในอารมเป็นลักษณะเหมือนอะไรถ้าสังเกตว่าอโลมพะในลักษณะก็เป็นยังไงบอกว่าเหมือนกันกับหยดน้ําที่ไม่ติดอยู่บนใบบัว คนที่นน ม, มีอโลพาชิตมากๆเลยไม่ค่อย like. ไม่ค่อยจยอยากได้อะไรเวลาได้สิ่งของอะไรต่างๆแบบนี้นะเมื่อเมื่อวานเด็กที่เป็นหลานเป็นลูกเป็นลูกของลูกของพี่ชายเข้ามาที่บ้านมาเด็กก็ที่เขาเห็น้ำมูกเขาก็จะไีลไหล อัจฉริก็ฆ่านพอก็ได้ฆ่าพบเนี่ยโอ้โเขาเขาเรยกว่างแล้วเขาบอกว่าท่านเกิเร่นงเมตตาของมีอยู่ไหมแต่มีช้าเลยนแสดงอัจฉิยะใสเกิดมาเป็นคนโลภแท้ๆเลยใชยังเล็กๆอยู่วยโอ้แล้วเขาเรียไปซ่อนไว้เลยนะแล้วก็เรีมาขอใหม่แล้วเอาอะไรให้ไม่ได้เขาเฝ้าหมดโอ้ยโลก คือเขาอัจฉริยะใสเ้าเนี่ยเขาอยู่ในพบที่มีโลภเป็นบริวารเยะสุดมากพวกนี้นะจริงอยู่กรรมแต่ไม่ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จริงใช่ไแต่ความโลกที่มันเป็นสนังเวีอาายอัจยาใสพวกเขาเนี่มันสังเลยนเนี่ยความความโลเที่สังข์ฝัเป็นอัจฉยาใสก็เลย อันนี้บอกบอกได้เลยถึงแม้มาเกิดเป็นมนุษย์นี่นะเพราะมันผิดปกติ<ม>อันนี้ถรือว่าผิดปกติไม่ใช่เหมือนหยดน้ําไม่ติดใบวัวมีการไม่หัวเป็นหน้าที่เหมือนกิจสุผู้ค้นแล้วจากการยึดติดในสกุลมีการไม่ติดใจเป็นผลเหมือนบุรุผู้ตกไปในของที่ไม่สะอาดเมื่อหลุดพ้นออกมาแล้วก็ปรับก็ก็ไม่ปรารถนาที่จะตกไปโลกนี้ลักษณะของความไม่โลภเนี่ย ก็คือไม่ติดใจในอารมณ์ทุกๆอารมณ์ที่เข้ามาสู่ทางสวรรค์ดาวขึ้นหทิ้งกันไปและนอกจากไม่ติดแล้วเนี่ยก็มีการไม่หวงเนยไม่หวงแหนคือเหมือนท้าที่พ้นแล้จากตระกูลตระกุลคือไม่หวงตระกูลแล้วก็มีการไม่ติดใจเปนผลเขาบอกว่าบุรุษเนี่ยไปตกไปในหลุมอุจจาระหือหลุมคูต่อมาตนนัวเองก็กระเสือกกระสนแ ล, ล้พล้นพ้นมาแล้วก็อาบหน้าออก้าวแล้ว ถามว่ายังมีความแปลกหนาที่จะตกไปในหลุมมุกพูดได้ไมผมไม่มีชั้นใดคนที่ไม่มีความโลภก็มีความละดถึงเนี่ยเขียนซับภาย น, นอกเหมือนอุจจะระผสมเหมือนพอรนะพุทธศาสนาที่บอกว่าตอนมานถามบอกว่าอีกเจ็ดวันเนี่ยท่านจะได้เป็นพระเ้าเจ้าพรักตร์ผมเป็นพระเ้าเจ้าพัตร์เนี่ยมี มีทว ok ีท mm ั้งสี่เป็นขอบเขตแดนนะอย่างเช่นตอนในมหาสุทัศนาสูตรใช่ไหมวอกว่ามีเมืองแปด0มืนสี่พันเมืองล้วมีปราการแปดหมืนสี่พันรากาอย่างเงียมีเตียงบรรทมแปด0มืนสี่พันเตียงมีอาหารสำหรับอาหารวันละแปดหมื่นสี่ำสหรับไม่ชอบเลยจะอะไรกินกินได้หรือใน่ีเนีินแต่ คือจริงๆถ้าความโลภนี่นะถ้าความโลภนี่นะมันอู่ันเยอะหมดท่าบอกว่าท่านไปติดเหมือนๆะเหมือนก้อนน้ำลายก้อนเขลาก้อนเศรติดอยูไปลาลิ้นถ้าก้อนเ็ษที่มาติดอยู่ปลายลิ้นแล้วไม่แล้วไม่คืนเข้าไปแล้วทอมมองกสถานเดียวกันใดเขียนรัยล้มบัตรที่มันมีอยู่ในโลกใบนี้อยากจะคลายที่มีความรู้สึกขนาดน้ต้องลับไปมองดูว่าอยากได้คลายหรมัไม ไ <S uch ed> ปก็นิส ก, ก้อนียละนิส ก, ก้อนตเนเนะเวนอะไรอย่างเงี้ยไปเรืนี่มั น, นก็น่ากลืนกลับไปใหม่อย่างนี้แต่อย่างนี้ไม่ใช่มีตบลักาาษณะของอัลโลพาตินไม่เล่ากนะันส่วนอธโลพาเนี่ยมีการไม่ดูแลหรือมีการไม่พิโรดเป็นลักษณะเหมือนนิผ้ผปูคอยช่วยเหลแล้วก็กําจัดความมาฆาาความรร้อนเป็นหน้าที่ เหมือนเนื้อไม้จันของแล้วก็มีความล่มงเงยน็นเหมือนจันเพ็ญที่เยี่ยมเยียนยาวท่อมอนนี่ตรงเรื่อ้าล้ามโท้าัตว์เลยนัเพราะลักษณะของคนที่ตนี้เทรศทัพว์เป็นเจ้ายเรียนเนี่ยไม่ที่ไม่ใช่นะไม่ใช่ว่าไม่ดูร้ายแนละ้วไม่พิโรธพิโรธเนี่ยที่เป็นสาสตร์ของของศาสตรจานเพราะ่าไม่ไมีโรธนะคือคือมีลักษณะเหมือนนิดปุกปอยช่วย แล้วก็กำจาดความอาฆาตได้ด้วยความเร่าร้อนเหมือนไม้จันหอมแล้วก็มีความร่มเย็นเป็นบนปรากฏเหมือนใบจันทร์วันสองเย็นไม่ไม่เรา่าร้อนส่วนอมโมหะปัญญามนีแทงตลอดสภาวะแทงตลอดไม่ผิดภลาดดุดการแทงลูกศรที่นายขมังขนุนที่ฉลาดแล้วก็มีการสองหเห็นหน้ารงเป็นหน้าที่เหมือนประทีบสองแสงสว่างให้เหนสิ่งต่างๆแล้วก็ไม่หลงไหลเป็นผล โดยดชี้ทางเนี่ยทุกคนไปมาที่หลวงพางั้นอะโลอะโลพาเนี่ยเป็นค่าศึกต่อมนติมีความเสนี่ถ้าถามว่าโลพาเนี่ยเป็นปฏิปักษ์ต่ออะไรเป็นค่าศึกต่ออะไรเป็นค่าศึกต่อความะหนี่หอะโลพาความไม่โลภถ้าโทษาเนี้เป็นค่ า, คาศึคกคือเป็นมนตินต่อความเป็นผู้ทุศีลคนโกรธเนี่ยทำลายศีลได้เองได้ให้รเหราเกียดจะดูว่า สิงที่มารักษาที่ดีถ้าโกรธเยกะตัวอย่างนะสมมติว่าเราเดินเดินเดินไปนะ เ, เกิดว่ามีามีสุนัขตัวนึกก้งมากัดเราก็จะมาทางถิ่นเป็นอย่งนี้ไ้ไงโอ้จะได้เห็นสุนัขเป็นแมวเป็นอะไรเลยเจตการเมื่วันยุงเอาแค่ไม่ต้องหน้าเอายุงนะแค่ยุงมา ก, กัดก็โกรธก็เป็นทำลายถิงนได้ดีร่ า, างไนน์นี้ก็เรียกว่า โพสาพนี่แหละทาลายสิ่งทำลายสิ่งะนั้นอาโพสาพนี่ยอาโพสาก็เป็นปฏิปักษ์ต่อความเป็นผู้ทุศีลถ้าไครมีอาโพสาพมากๆกขาจะไม่ทุศีลส่วนโอมอาหานี่เป็นข้าศึกต่อความไม่เจริญในกุศลธรรมทั้งหลายคือโมอาหานี่ให้บุคคลหลงไม่รู้เพราย่อมอยู่กับอกุศลแต่ถ้าอโมอาหานี่ปัญญาเน่เกิดขึ้นมาแล้วก็จะเจริญในกุศลธรรมทั้หลายอยู่ตลอด อารมพากเป็นเหตุแห่งคารเช่นคนไม่โลคเนี่ยก็จะตายโรคเนะี่ยตื่นไม่มาวันนี้เราได้ให้อะไรใครนี่อย่าก็จะตายวัดรักษ์ไหนอย่างนี้นหนนใหอ้อาหารให้ของใช้ของกินให้ความสบายใจะอะไรต่างก็จะมีความตื่นอยากจะให้อยากจะให้ถึงว่าเนี่ยนะมีคนมีอารมพากมากแล้วเป็นปฏิปักษ์เดี๋ยเขาเป็นเป็นเหตุแห่งครอารมณ์ศาสต์ก็เป็นเหตุแห่งสินก็จะตายโรควันนี้ก็เป็นสินของเรา คนที jour, my mind, my mind, my mind now, bit, ่น right? okay. ี่อาโทสังมากๆมองอะไรมองไปที่ไหนเป็นสีงงเสน่หหมดมองไปมองไปตามเสื้อผ้าสิ่งของบ้านหรืออะไแต่อันนี้ก็เป็นสีของเราเป็นสีของเราไม่ใช่เอาหมดนะคำว่าเป็นสีก็เป็นสีเนี่ยพิจารณาก็เป็เหมือนจะเป็นหยิบกระสุนเรพี่แยกนั้นเลยพีเนี่ฉะนั้นมองทุกสิ่งทุกอย่างที่มันไม่ใช่ตัวบัตรของเราก็เป็นสีกุศลสิ่งนั้นจะเกิดลักษณะนี้ก็เรียกว่าอาโทสัก็เป็นเรียนเรียนสีส่วนอารมณ์มากเขาเป็นเรียนเรียนท ส่วนอโมหะก็เป็นเยนแห่งภาวนาทั้งสมถภาวนาและวิปัสนาภาวนาเนี้ยมีอโมหะมีตัวปัญญามีตัวเคลื่อนที่นี่บุคคลทรงจําโทษที่มีอยู่โดยความเป็นโทษย่อมเกิดเผยโทษทั้งหลายตายเพราะความไม่โลกเพาบุคคลในโลกแล้วย่อมปกติทุกหมาแปลว่า บุคคลน่ะตคงจำโทษที่นี้อยู่ในความเป็นโรคแล้วเขาเปิดเผยอย่างนั้นเนี่ยเวลาท่านตองรบบทเนี่ยถ้าองค์ไหนโลคจะไม่เปิดเผยจะไม่เผยควาไม่เผยความผิดเลยคำว่าโรคในที่นั้นก็คือกลัวกลัวเขาจะรู้ความิดเดี๋ยวถ้าเราจะเปิดเผยฝ่าฉิดเดี๋ยวคนก็จะไม่รน่าิะเราก็จะเสียอาหาย ฉะนั้นแต่ ท, าท้าก็ให้เปิดเผยกับท่านคือสแสดงอาบเวลาไปทําอะไรผิดขึ้นมาก็ไปเปิดเผยไปสแสดงไปสเป็นปเทศ น, นถ้าหากว่าอาบัติคนเทศนาแลประเทศนาควรจะสละสิ่งของก่อนไปเทศนาก็สละหรือควรจะอยู่ปริว่าสการมก็ต้องอยู่ตรงนี้ไปต้นฉะนั้นที่บอกรองทางอ้าเนี่ยบุคคลโรคแล้วก็ปกปิดโทษคนโรคท่านผ่านไปปกปิดโทษนั่นเองให้สังเกต ด, ดูถ้าเรื่องอใหญ่ๆเลยนะ คนที่ไปโทษเจริญคอร์รัปชันไปช่อล่าดังหลวงเนยปกปิดหมดปกปิดเราไม่ได้ทั้งที่เราเป็นคนมีก็ประกาศกันเลยนะกั น, นส่วนบุคคลทรงจำคุณที่มีอยู่เพราะที่มีผู้กระทำต่อตนโดยความเป็นคุณก็ย่อประกาศคุณทั้งหลายให้เป็นไปเพราะความไม่มีโทษจัดเพราะว่าบุคคลผู้มีโทษสากระดุซลายแล้วก็รบหลูยคุณนะั้น คนที่มีโทรศักท์กับธุระนี่นะจะลบหลู่คุณส่วนคนที่มีอ่างโทรศัเนี่ยจะประกาศคุณทั้งหลายใเต็มไปต้องระวามให้ดีก่อะให้ต้องเห็นด้วนะว่าคนที่กล้าประกาศคุณควา ม, มดีของคนอื่นเนี่ยคนก็มีโทรศัพท์ไมนี่เนี่ยต้านเลยเช่นเราเห็นบุคคลนี้เขา เ, เขาทําความดีเนี่ยแล้วก็เป็นอ่าคนคนนั้นอาจจะเขาจะไม่ค่อยดูกับเราก็ทีเนี่ยแต่ก็ ประกาศเลยโอนี่เป็ น, ป น, น ค, นานคนนนนวนามจริงค น, นที่ประกาศประกาศคุณความจริงแล้วบุคคลอื่ได้จะเหวหน้าคนนี้ใช่นหมจะเป็นพวกของใครก็แล้วแต่คนวคนนี้เขาทําริงประกาศเป็นความอันนี้ลักษณะของอาโทศาสร์นี่บุคคลที่ทรงจําหรือสภาวะตามความจริงโดยความโดยสภาวะตา ม, ามความจริงก็ประกาศสภาวะตามความจริงให้เป็นไปเพความไม่หลงเพราะว่าบุคนนคลเ น, น, นี่ยคนหลงให้ย่อเคืออสิ่งที่แท้จริงว่าเป็นสิ่งที่ ก็หมายความว่าย่อมถือสิ่งที่แท้จริงว่าเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ไม่แท้จริงและหรือเอาสิ่งที่ไม่แท้จริงว่าเป็นสิ่งที่แท้จริงแท้จริงแล้วขณะคนที่มีมีโมหะเนี่ยสิ่งที่มันไม่จริงก็ไปเข้าใจว่าจริงอย่างยกตัวอย่างเช่นว่ามันไม่งาวเนี่ยคนที่มีโมหะก็ไปเข้าใจว่างามนะของที่มันไม่เที่ยงคนที่มีโมหะก็ไปทำลายทำอะไรเนี้ย ของที่มันเป็นทุก็สําคัญเราเป็นสูงของที่มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนก็สำคัญเราเป็นโดยเดียวอย่างยกตัวอย่างในอายาธรรภาพในขันนี่เนี่ยที่ประกอบไปด้วยหัวคนได้บฟันเหนียเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามใจไตตับต้ืตอไตใหญ่ไตน้อยทั้งหมดถ้าเราพิจารณากันจริงๆเนี่มันไม่ได้สวยงามอะไรเลยมันในส่วนขอมันเองก็มันก็ไม่งามเรื่อตั้งแต่ผมเลยมันก็ไม่งามนี้เป็นต้นแต่ว่าคนที่มีโมหะมากๆก็มองงงเ ตาก็งามคิ้วก็งามผมก็งามใบหมูก็งามปากก็งามมีตเหล่านี้การทีทัารที่มันมันมันเต็มไปด้วยของที่มันไม่งามแต่ถ้าคนมีอโมหามีปัญญาก็จะแข่ตลอดสภาวะเ่านี้ได้เลยนะ้หมือนพิสูรรุ่งเดืที่ท่านพิจารณาอภิกาต่อมาถามที่ว่มีผู้หญิงคนหนึ่งทะเลอะภษามีพอทะเลาะเสร็จก็แต่งตัวแต่งตัวอย่นีเสรวิงออกไปจาบ้านมาเจอพิกษุกลังเดินจงกองอยู่ ก็พอเห็นพวกก็เกิดวิปร้าก้นมาล่องหัวล้อพิกตูโรมีนี้ท่านก็จับเอากระดูกฟันมาพิจารณาเป็นอธิการกรรมฐานพออธิกาตกรรมฐานปรากฏแก่ท่านนั้นไม่ใช่เห็นแค่วันนั้นเป็นกระดูกเห็นทั้งร่างเป็นกระดูกไปหมดเลยนี่ไงท่านก็ยังตาลบสังเวชโกรธใจเกิดขึ้นเขาอยาเจริญวิปัสสนาในส่วนนี้นั่นได้บรผลต่อมาก็มีสาวนี้เดีนตาม ตามมาเลยามาถาเห็นผู้หญงคนหนึ่งแต่งตัวดีๆวิบานมาทางนี้ไหมเนี่ยถ้าทันเขาบอกไม่เห็นจะเห็นเป็นร่างลระดูกเดินผ่านง้ายลักษณะการเห็นแบบนี้แสดงให้เห็นว่าอภิกรรสัญญาในปรากดอันนี้เห็นถูกเห็นนี่งามแต่จริงๆถ้าเราจะมองกันยังไงให้เห็นว่ามันเต็มไปด้วยของผลและปัญาเงื่อนไขโดยแยกเปีนเพราะของจริงเป็นอย่างไรแต่โดยมากเนี่ยเราเอาอะไรกินที่หน่อยอ่ะ เราเอามองไม่เห็นนะคือคำนวณไม่ออกเลยถ้าจะตื่นจะมองได้เห็นข้างในเอามาวิจัยถ้าเห็นตามความยินก็ไม่เห็มันก็เลยเห็นในควของงามเพราะเห็นในความเป็นของงามมันเป็นที่ตั้งอุปราห์ใช่ไหมที่โมหะันก็เกิดมันก็หลงในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งวามหลงเพื่อเกินในอารมณ์เป็นที่ตั้งวางเพื่อเกนแล้วก็ในที่สุดเราก็แหงตลอดสัญญาอะไรไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้วิจัยอะไรเลยที่นี่ในพระในสมัยพระพุทธกาลนี่ ทันค่นวิจัยสิเหล่านี้เราเวลาเลยวิจัยท่านค่นี้ที่เวลาเจอหน้าท่นพวกเนี่ยท่านจะต้องถามท่านท่านเจริญกรรมฐานอะไรใช่ไหมเจหน้าท่านถามนีว่าเรื่องท่านอยู่อยู่ด้วยกรรมฐานอะไรมีทำอะไรเป็นเครื่องอยู่าท่านเคยารู้บอเจอกายาเวรานาจิตาไรต่อมแตปัจจุบันไมเจอหน้าท่นนี่นะ เาว่าไม่มีนะเจหน้าการถามว่าเจคำาษาบ่นไหนเนี่ยน้าตายนี้เจาษาบ่นไหเนี่ยมันเจอนแไม่ได้ถามมีบ้างไนเหรอเจอหน้ากันวิโทระทัดไร่เนี้ยเป็นยังไงเจอคำภาษาเป็นยังหรือ่าไม่ได้ีท่านม no you know ีก็แสดงว่าอย่างนี้ครอใจปิดใจคอต่อทีนี้ประการต่อมาจะบอกว่าทุก เกิดจากการรักท่าแจกของรักย่อมไม่มีเพราะความไม่โลภคนโลกมีสภาวะี่ดถือความรักและความอดทนต่อการทักท่าแจกของมัไหของไปที่รักไหมถ้าว่าคนที่มีความโลภมากๆเวลาทักท่าไปเป็นี่ยปวทุกข์ก็มัาฉะนั้นคนที่เขาไม่โลภเนี่ยเวลาเขาจะจากอะไรเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาเขาเลยคนที่เขาเขาเกิดความไม่โลภพ่อตายแล้วแม่ตายแล้วน้องตายแล้วพี่ตายแล้วหรือเราก็จะตายแล้วอย่างนี้ไปต้น คือบุคคลเหล่านี้ไม่ไม่ไม่ไม่ติดไม่เยึบติดตาบเวที่บอกว่ามีขาโยอะเลยยมีขาท่านในท่บบานบวชเนี่ยยังไม่มาเออท่านก็บวชอยู่ที่เนี่ยแต่ท่านบวชตอนอายุมากแล้วเนี่ยที่มาบวชเป็นเจ้าบวชมันยี่สิบกวปีอยู่ต่อมาโย้หญิงเกิดป่วยใช่ไหม พอยกผู้หญิงป่วยก็้วผมบอกว่ามาบออาจารย์ครับผมผอยู่ไม่ได้แล้วถาเป็นไงคือยองผู้หญิงปวยเดินไม่ได้อยู่ประมาณแต่ไ้ทําะไรผมก็ต้องสึกไปดูแลก็ถามว่าแน่ใจว่าแน่ใจสุกอยงผมหมดบุญแล้วหมดนะบอกจะทำใครได้ยังไม่ทำเลยจะทำกานเสร็เลยอ มีวันแล้วยังต้องไปบรรยายธรรม ท, ที่ที่วัดจัน่นแดงไมเจอพราไม่เจอก็มันนั่งร้องไห้แล้วมนนามงงนะถามเลยอยู่ไม่ได้จริงเขาจะเกิดข้อบวนไหมสึกไปได้เดือนสีกวันอ่ะทาไมทาไมถึงจะมาบวนเอาโหนกบ่นเก็งหน่เลยล้มพ้นไปก็พ้นไม่ได้กขเบ่นเก่งอ่ะเอ า, างาานนั้นจ้ผมขอบ่นตลอดชีวิตแล้วก็ โอ้ยน oh. ึกว่าบวดมันที่ปวดอยู่ไม่นานเอ้าปวดได้ไปถึงเดือนพราเข้าภาษนไม่นาป่วยนานแล้วยังไม่หยิดป่วยนะเขาบอกว่ามาทำาตาร์บอกว่าผมผมตอนนี้ไปดูที่เกิดตายแต่ยัมีอยู่ไม่หยตายที่ตายแล้วจะผมมานั่งคุฟังกิน้ตาทห่เสียใจเลย เสียใจหรือเปลาโอ้โหอยู่หนึ่งวันด้กันกินน้ำดื่เป็นกเงี้ยหลวไม่ได้เสียใจว่าแล้วบอกมันมาจบที่คอนะแสดงว่าร้องง้ายแล้นอื่นเหมือนกันมาร้องก็คิดถึงจริงเลยว่าคือมันนั่งอยู่เนี่ยมาอยู่ที่ก็คิดถึงมีกลับไปคือยังไงไปดูที่กังชื่นใจเลยนะไปดูที่ที่จะอยู่เยเห็นไหมตัวโลคานเนี่ย ขนาดก uh, ็าบวกมาแล้วก็ตั้งพยายามมาเพื่อตปัจจัยี่สิบกว่าปีนงถ้ามันยังไม่ได้จับอารมณ์นั้นมันก็ไม่รู้เท่าไหร่พอจากขึ้นมาแล้วแล้วบอกนี้ทาไมตขนาดนั้นปังเาเป็นเขาเป็นเนียผมเพราะจะพูดยาวๆผมเก่งเลยโหน้ากลัวจริงๆครับถ้ากครไม่มีจะรด้ดีนะที่ยี่กุตรก็ายดี่บางอยนี่นะถ้าจะว่าเป็น จากการทักท่าของลัย่อมไม่มีเพราะความไม่รู้ทีนี้คนโลกเนี่ยมีสภาวะที่ยึดถือความรักและความอดทนต่อการทักท่าทักทําไม่ได้คือ ถ, ถ้ามีความโลภมันก็จะร้องไห้ตัวทันหานิท้านเราร้องห้นี้สัมปชัญญาวัดนั้นพระพุทธเจ้าเป็นตรัส บ, บอกกับกับอัยราชกุมารบอกแกสัติมหามหาบอกแกนางปติจารา เขบอกว่าทุกข์เพราะการร้องไห้ของบุเคลในสังสารวัฏเนี่ยน้ําตาที่ไหลออกมาเนีมาเป็นน้ำในมาสุน陀แสดงให้เห็นใช้เราที่ติดท่าั้งโลคามาในสังสารวัฏเนอย่างยาวนานมากน้ํำในมาสมุน陀เนี่ยน้ำเยอะแล้วใช่ไหมอันนี้ยังน้อยกว่าน้ําตาที่เราที่ไหลออกเนี่ยที่เราเพราะจะการทัดท่านี่นะจัดของรักนี่นะจะร้องไห้ขนาดนั้นแคนะินี้ทุกข์เนี่ยนะ ทุกการประจบกับของไม่เป็นที่รักที่ชอบการย่อมไม่มีว่าความไม่มีโทสะทีนี้บุคคลที่มีโทสะประทุชลายแล้วเนี่ยมีสภาวะยึดถือสิ่งที่ไม่เป็นที่รักเพอดทนต่อการประจบสิ่งอันไม่เป็นที่รักไม่ได้อันนี้ก็หมายความว่าก็ประจบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักเป็นต้นเหล่านี้เนี่ยก็ก็ทุด ทุกมีการไม่ได้สิ่งที่การขนาย่อมไม่มีว่าฟังไม่หยุดแล้วก็บุคคลผู้ไม่หลงย่อมมีการพิจารณาอย่างนี้เพราะขั้นจะตพึงได้สิ่งนั้นมาแต่ที่ไหนติดต้นมันก็หมายความว่าคนที่เขามีปัญญาเ น, นี่ยนะเขาจะพิจรารณาบอกว่าเรามีชาติเป็นธรรมดาเนี่ยคือชาติคือความ เ, เกิดชาติชราคือความแก่หมดหน้าความตายติดต้นถ้าเราจะปรับสนาว่าขอให้เราอย่าได้เกิดเลยมันมันมันต้องเกิด ขอให้เราอย่าแก่เลยอย่าเจ็บเลยอย่าตายหรือต้นความปรับสนาอย่างเนี้ยมันปรับสนามในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้จะตราบใดยังมีทุเรศสังขารเลยว่ามันก็เป็นไปไม่ได้เพิ่มมีเป็นประโยน์ไฉะนั้นบอกว่าการการอยู่เป็นสุกร่วมกันของเคากาทั้งหลายเพาความไม่เพราะความไม่รู้การอยู่เป็นสุกร่วมกันของบันไดทีทั้งหลายเพาความไม่หลงการอยู่เป็นสุกร่วมกันของกระดานระดับเมฆทั้งหลายเพาความไม่มีโทสศั ความเกิดขึ้นในปิติวิสัยย่อมมีย่อมไม่มีเพราะความไม่โลภถามบอกว่าสัตว์ทั้งหลายโดยมากเข้าถึงความเป็นเปรือกเพราะอะไรเพราะตัณหาด้วยว่าความไม่โลภเป็นปฏิปักษต่อตัณหาถ้าถามบอกว่าพบหน้าเนี่ยการที่จะไปเกิดเป็นปิตในปิติวิสัยปิติวิสัยที่พบของเปลือัยู่ดกเหรือเปรกที่มีวิมานก็ได้เวมาวิตเปรร ถ้าพวกเวมานระเปรดเนี่ยเขาเรียกเปรดที่ปฏิส่วนที่ด้วยอุเมราสันตียแล้วนะุณส ม, มิบาตหนึ่งเดีพวกนี้เป็นเศษข้างบุมนก็มีพวกนี้เรายังสบายหน่อยจะเป็นเปรดแต่มีวิมานอยู่ถามวาไปด้วยหน้าของอะไรตั้งหันกรมที่มีตั้งหานี่แหละเป็นบริวารเป็นแวดล้อมทำให้ไปเกิดเปรดถ้าเป็นเปรดที่ทรมานหน่อยก็โอ้โหเปรดที่แท้ไม่มีอาหารกินนี่ที่อยู่อาศัยไม่มีผ้าจะน่งห่ม น, นี่การมารสุดๆเลยเปรพวกนี้นี่ตายได้นามุตัหนหง่ะฉะนั้นความโลภเนี่ยถ้าเราไม่โลภปีแงเนี่ยการไปเกิดเป็นเป็นแล้วก็สบายโอกาสจะไปนางคนไม่โลภปีจะเป็นคนชอบโผลเนี่ยความเกิดในนรกย่อมไม่มีเพราะความไม่มีโรสสัจสัจบอกว่ากิงอยู่เนี่ยสัจทั้งหลายย่อมเข้าถึงนรกได้ด้วยรสสัจเพราะความเป็นผู้ดูร้าย อาโทรัพท์เป็นปฏิปักษ์หรือโน้ตอย่างนี้โอ้โหสั่นในโกเนี่ยที่เราไปเกิดเป็นสัตว์ในโลกเนี่ยถามว่าไปชดใช้กรรมหรือไปทํากรรมฮะไปชดใช้กรรมหรือไปทํากรรมที่จริงนะสองอย่างเลยนะที่ไม่เป็นสัตว์ในโลกเนี่ยเพราะว่ากรรมเป็นตัว อ, อย่างวิบากที่เกิดขึ้นแต่ในขณะที่ถูกความร้อนแผ่เขาในขณะนั้นโทรศัท์เกิดไหม ในขณะที่โทษจาเกิดนั่นถือว่าไปทำกรรมใหม่ด้วยโอ้โหทำเอาสุดๆแกรรมร้องสุดเสียงมันโทษจังจ้าเอาภสศน์ก็เกิดตลอดเลยตลอดช่วงวิถีที่จะเป็นภูศนไม่มีเลยเอาไฟกี้ติดๆกันอย่างนี้นะแล้วจะให้เกิดบุญเหนียวไม่ได้บาปเกิดตลอดอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ฟ้าเกิดขึ้นแหงนกำเนิดกัเทระฉานย่อมไม่มีเพราะฟ้าได้หลงที่อยู่บุคคลผู้หลงอยู่เป็นนิด ด้วยโมหกะก็เข้าถึงําเนสิสัตยรรจฉาโลอรโลพาเป็นปัจจัยแก่ความไม่มีโรคบุคคลผู้เพราะเมื่อบุคคลไม่โลคแล้วย่อมไม่เสพสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์บุคคลผู้ไม่ไม่โรคกึงไม่มีโรคนั่นคนที่มีโรคภัยแค่เจ็บมากเลยเพราะว่ม า, ามีความความโลคใ น, อ, นอิเดียอาภวะสาก็เป็นปัจจยัยแก่แก่ความเป็นหนุ่มสาว คือบอกว่าคนที่เกิดมาหน้าตาดีๆนะเพราะว่าเพราะว่าเมตตาแตน้าตาไม่ดีเฉพาะโทธสัยเป็นนางมาริการนะพราเออไตร่ตรองพระเจ้าเออทําไมนางที่เกิดมาลูกชั่วกระดมแต่สงสารพระพุทธเจ้าก็บอกว่าองค์มือพระที่แล้วเป็นคนมากโกรธผูกโกรธกลเป็นคนชอบให้ทางแล้วก็เป็นคนที่อไม่รู้วินวิน แนะ่ความมากักโกดผูกโกดเนี่ยไม่ใช่ไปทำลายคนอื่นทาลาอยอะไรทั้งรูปชัวว่วตัวันส่วนฉะนั้นอะโลพาเป็นปัจจัยแก่ที่ไปเยา้ายวนนะคือการเกิดในเทโวโลกอโทตาก็เป็นปัจจัยแก่พรหมวิหารเกิดในพรหมโลกอโมหาก็เป็นปัจจัยแก่อ า, ย, ย, า, า, ย, ายาวิหารการเป็นพระอิมพันเรียอะไรนะส่วนอะโลพาเป็นปัจจัยให้ได้โคภาสมบัติ คนไม่โลภแล้วก็เป็นพูดได้เพราะฉะนั้นโภคาเป็นผลจากการจาคาคนที่เกิดมารวยทั้งหลายเนี่คือคนที่ไม่โลภแน่ดิบเนี่ยเกิดมาก็ทําอะไรนิดๆหน่อยก็กำลังรวยเนี่ยคือเขาไม่โลภไอ้คนยิ่งโลภยิ่จนแต่งยิ่งยิ่งโลภยิ่งจนตงไถ่ขถา้ข า, าตสองไถ่ข้าที่แล้วโล่มากไปหน่อยนี้นไม่เอาเละ ท, ะาท้าใาเป็นปัจจัยแก่นี้คือสมบัติ คือเมือ่อบุคคลไม่มีโทศรศัพท์ปัดโทรศยแล้วก็ได้มิตรและมีการไม่เสื่อมสนิทคบกับใครก็แตกกันบ้ากทะเลาะกันบ้างเหล่านี้คือโทศรศัพท์ถ้ากคนที่มีเมตต า, ามากๆคบกับคนไี่เยืยวยาบางทีคบกันมาแต่แรกแต่น้อยปัจจุบันยังคบกันอยู่ส่วนน้ำโมหามาวนีเป็นปัจจัยแก่อัตตาสมบัติหมายความว่าบุคคลไม่เหลุดเมื่อทําประโยชน์ทุกตนนั่นเลยย่ยอมชื่อว่ายังตนที่ดีก็ อารมคัเป็นบรรจัยแก่การไปเกิดในเทวโลกอารมซเป็นบรรจัยเกิเกิดพอารมห์ก็เป็นบรรจัยแก่การเป็นัาการศน้องๆก็จะเป็ น, นาออามพอดีก็จะนิจพอดีอวนันผมก็ถาวาการคำว่าการรักษาศีลนะครับ สำเป็ไหมว่าต้องตามสีอยู่เรื่อยเพราะสุดนใหญผมเคยเจอมาคนปฏิบัติจะบอกว่าเราดีแล้วเราไม่ดื่มสุราเราไม่ฆ่าใครเราไม่ไว่าใครแล้วก็ทำอะไรก็ทำแต่ยายแล้วสบไปชีวิตแต่ว่าเขามีสีหรือเปล่าครับคือจำเป็นต้องตามคือคือเรื่งสีเนี่ยเป็นนามธรรมสีนี่เนี่ยเป็นนามธรรมสีนี่เป็นกุศลสีนในที่นี้ไม่ใช่อากุศลแล้วสี ปัญหาว่าการเจริญศีลก็บอกว่าการอบรมศีลการรักษาศีลแต่ว่าจําเป็นต้องปารบศีลโดยบ่อยต้องตาลบเป็ถ้าไม่ปาลบบ่อยๆเนี่ยเพราะศีลเป็นนานมธรรมถ้าในขณะที่เราไม่ตารบกุศรละศีลข่าววันในขณะนั้นอย่างยกตัวอย่างให้ผมม่ได้ทําชั่วอะไรผมก็ดูโนรักษาความวิทยุถามว่าในขณ ะ, ะ น, ข น, นั้นใจปเป็น ถ้าเราดูโัศน์อยู่ใจเราก็น้องไปในเรื่องของข่าวสามได้างบามทุกข์ปรากดขึ้นบ้างความโลภเกิดขึ้นไงขนาดความโลภเกิดขึ้นก็ไม่มีสีความโกรธเกิดขึ้นก็ไม่มีสีแล้วตัวเป็นตัวทํำลายสีไม่ได้ไหความหลงเกิดขึ้นก็ไม่มีสีโดยเฉพาะว่าความโทสะเกิดขึ้นก็นอกจากจะไม่มีสีนั่นยังทําลายสีด้วความโลภเกิดขึ้นนอกจากนั่นแล้วก็ทำลายสมาธิความหลงเกิดขึ้นก็ทําลายปัญญาสิกขาสามไม่เดินแล้ว ในขณะนั้นฉะนับุคคลที่เขาจะอบรมสีเนี่ยก็ต้องทําสีให้เกิดขึ้นอยู่ตลอที่นี้การจะเกิดขึ้นอยู่ตลอดได้นั้นก็ต้องเกิดขึ้นจากการเริ่มเริ่มฝึกขันในการที่จะทาปุสราสีให้เก็นขึ้นให้ยกเปรียบว่าเวลามีตาติโวกขังวอร์สีเนี่ยเวลาเราสมาทานก็ดีด้วยว่ามีตาติโมกขังวอร์สีเนี่ยข้ า, า, า, า่ เออยังเอาตัย่างมาตานาบิบลหนึ่งสัตว์มีชีวิตรู้ว่าสัตว์มีชีวิตมีจิตคิดจะฆ่ากางความเพียรเพื่อฆ่าสัตว์น้ตายลงเพความเพียรทาไมต้องมีองค์ของสิก็แสดงเห็นว่าชีวิตของเราต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นเมื่อเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นเนี่ยถ้าเราไปมันไม่ใช่คนเนี้ยังมีสัตว์ดิบอาชามีสิ่งว้ายร้องอีกเยอะแยถ้าเราไปคิดปฏิทุสร้ายเขาดิปปุ๊บเนี่ยมันจะริ่มเป็นความเศร้าหมองสิ่งนั้นดีถ้าหากว่าเออ จะทำไปเสร็จจบขึ้นมาแปลว่าศีลนั่ก็ถ้ามีแค่ปัิโมกสัาวรศีลเนี่ยเดียวนีไม่พอท่านที่สอนอินทรียสังวรศีลเนี่ยนะการการปิดไม่ให้บาปคือในตัวนี้จะเป็นเหมือนรั้วเนย่มอุปมาเหม well. yes. um, ือนวลวเราจะเลี้ยงวัวเอ่ยดูแลวัวให้กินกินข้าวข้าวในบ้านนอกจากคอยดูวัวไปอยแล้วที่นี่สุดท้ายบอกว่า เมื่อเมื่อวัวเราเป็นไปไว้กินใต้ต้นไม้คนที่ดูแลทั้งหลายต้องคอยเหลียบมองดูเมื่อวัววัะไปกินหิ้าใกล้ในบ้านเขาหรือเปล่าฉันใดเวลาเอาศีลขึ้นมารักษาแล้วก็หันไปดูศีลไปบ่อยการหันดูศีลไปบ่อยนั้นก็คือการตารกทำให้ตัวส่นศีลนั้นเกิดแล้วอีกข้อหนึงก็คือล้อมล้อมดูในวัวก็คือปิดบาปทางเทวานั้งหมดเพืไม่ให้บาปเกิ ฉันว่เป็นควารจริถ้าเราว่าเขต่อหน้าได้เลยที่ว่างว่างอยู่ได้ดิฉันผมนั่งอยู่ตอนนี้ก็ก่าก็เอาได้ได้อยู่ถึงห้าก็ได้ไดคือรถอยู่ก็เอาราได้เพราะว่าอย่างนั้นเขาเรียกว่าอบรมศีลถ้าไม่ทําอย่างนั้นนะปริมาณของศีลก็ไม่มีกําลังเพื่อปริมาณของศีลไม่หนาเน่นไม่มีกําลังก็ไม่เป็นบาปแห่งการไปริ่มสมาธิเด้ดเดี่ย แสงสีนเนี่ยไม่ใช่ว่าเกิดหนึ่งขนาดจิบแล้วมันจะเป็นที่ตั้งของปาโมชปิจิตัศนที่สุขสมาธิได้ให้สังเกต ด, ดูว่าในชีวิตของเราท่านทั้งหลายทำไมรักษายสีแล้วไม่เคยเกิดปาโมชปิจิตเลยก็เพราะว่าเราไม่เคยปาลบเลยกุศลแสงสีงสไม่เคยเกิดเดือดหมาแน่นสมัยก่อนเวลาเขามองดวงจันทร์พวกเนี่ยเขาเห็นดวงจันทร์แววแววไปนิดหนึง่งเขาก็าสุดทุ่งสะเกดหันมาดูแสงของเราจะหว่าเหมือนกับดวงจังนทร์ไห พอมาตรวจสอบดูแล้วมันไม่ด่างพร้อยนตามโมตีตีปัปะสสตกิก็คือมันก็เป็นนิจาัของสมาธิและปัญญาเป็นนิดนในปัจจุบันในการรักษาสีที่ไม่ตาลบบ่อยๆปริมาณของสีมันก็ไม่หนาแ น, น่นมันก็ไม่มีกําลังพอเนี่ยคุณจะทำเพื่อสูงดูสมาธิและปัญญาฉะนั้นการทําให้เกิดขึ้นมากๆแล้วจะทําให้ปริมาณของกุศล ส, สีนั้นกระหนาแ น, น่นยิ่งหนาแ น, น่นเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นฐานรองรับกุศลธรรมเรื่อสูงมากขึ้น นั้นต้องต้องไปล่าถ้าไม่เปล่าเรก็ไม่มีวิธีืที่จะทําให้ผู้สมัครไม่ใช่สมาทานครั้งเดียวแล้วก็สมาทานครั้งเดียวแล้วมันมันจบแค่ตรงนั้นมันก็ไม่มีอะไรดีถ้าต่อท่านคนมันจะพูดกันอยู่เรื่อยว่าการทานบางสมิตรทานเจทานแล้วได้บุญอิ่มบุญกับเราเราพท่านซึ่งทานปกติตักทานเล้วตักด้วยทานอะไรด้วย อะไรเป็ความจริงนะว่าอะไรบุกเป็นตรงนี้ตรงนี้ต้องไปดูในในพระสูตรที่พระพุทธเจ้าสอนในปนสอนแก่ในอา마ขันพระสูตรคือในสูตรเนี่ยพระพุทธเจ้าจะสอนแก่อา마คันทพันคือที่เป็นเป็นเป็นฤๅษีฤๅษีเนี่ยสอนเนื่งปริมติ คือกรงเลือดสีเนี่ยพ่อแม่บริวารห้าร้อยเนี่ยจะกินเปลือกกินาาเน่ามันกินใบไม้แล้วปฏิเสธเนื้อปลาอนนี้ก็เป็นต้นหก็ใช้ชีวิตอยู่อย่างนั้นมาจนได้ชานสมาบัตเมื่อได้ชานสมาบัติมีอิทธิฤทธิ์ต่างต่างอย่างนี้ยอยู่ต่อมาก็ทราบข่าวว่าพระพุทธมีพระพาทเจ้าเนี่ยอุบาสเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อทราบข่าวอย่างนั้นก็พากันหอมมาแล้วก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้า แต่ด้วยการที่ตนเองเนี่ยถือแบบนี้ก็ลังเกียจบุคคลนึ่นก็เลยไปถามพระพุทธเจ้าว่าเกิดข้าแส่เมื่อผู้มีพระพุทธเจ้าพระองค์มีสวยกลิ่นดิบไหมคือสวยพวกปลาเนื้อหปล่าใช่ไหมเพราะว่าถ้าสวยปลาแล้วเนื้อเปน็นต้นอะไรนี้ชื่อว่ามีกลิ่นดิบสิพระพุทธเจ้าก็เลยกลัาวดูก่อนามากันท่ารามบอกว่าคําว่ากลิ่นดิบดิบเนี่ยไม่ใช่เป็นชื่อของปลาเนื้อปลาอะไรเนื้อจะเป็นชื่อว่ากลิ่นดิบได้อย่างไร แต่กิเลสคือราคาโทรศัท์มูฮัตเป็นต้นนั้นในสูตนี้ก็จะยาวจวานระดัไปลรับขนาดนี้เป็นชื่อของกินทีนี้ในการกินนะีะพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าหากว่าเรากินผักจะกินด้วยราคาโทรศัท์มหฮัตกินโดยนะ ไ, มนนนนไม่พิจารณาเนี่ยไม่ปัจจเวทขนาเนี้ก็ผิดถ้ากินเนื้อไม่พิจารณาค่อมบริโภคก็ผิดเพราะทุกะสงค์มันอยู่ตรงนี้ มันอยู่ตรงที่ว่าในขณะที่จะ บ, บริโภคอาหารเข้าไปเนี่ยบอกว่าบริโภคเพื่อเพื่อเป็นปัจจัยแก่การเจริญกุศลและทำไม่ใช่เพื่อให้เกิดกําลังพลังทางกายเป็นต้นเพื่อความลำ่ำสามพ่อความสนุกสนานเป็นต้นไม่ใช่แต่ว่าถ้าไปพิจารณาโดยความเป็นภาพพิจารณาหรือเปล่ว่าร่างกายไม่ได้อยู่ในการจะบวชปฏิบัติได้ก็ต้องอาศัยธรรม ท่านเนี่ยท่านจะสอนบอกว่าท่านไม่ได้เน้นบอกว่าว่าเนื้อหรือไม่เนะื้ท่านสอนให้พิจารณาก่อนแล้วคิดค่อยบริโภคปัปจจัยมีอยู่เหตุผลมีอยู่นะแต่ถ้าหากว่าไม่ไ ม, ไม่ไม่พิจารณาก่อนบริโภคนี่นะถึงกินผักก็ผิดไม่ต้องพูดเถ็นกินกินกินนี้เพราะว่าพวกบริโภคเข้าไปแล้วจะเป็นปัจจัยเกิดตัญหามาหน้าที่สิงั้นผิดใหญ่เลย แต่นั่นจะบอกว่าเอการบริโภคหรือไม่บริโภคไม่ได้เป็นประเด็นตรงนั้นสัเกเด่นก็คือว่าในขณะที่ว่าการหนึ้านะจะบอกสีโกน ต, ตีปริสุทธิมาจากหนึ่งไม่เห็นไม่เห็นคุอไม่รู้ว่าเขาไปทำอะไรยังไงสองไม่ไม่รู้ว่าเขาฆ่ามาเพือ่อทำสามประการก็คือว่าอไม่ได้ยินคือว่า มันจะบริสุทธิ์ด้วยการไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นแล้วก็ไม่ได้ยินอย่างนี้เป็นต้นไม่ใช่จะบริสุทธิ์ได้ด้วยการที่ว่าเราไปกินผักถ้าไปกินผักัวกนี้เรากินเรื่องหน้าเห็นกรนามานะก็ผิดเพราะจริงๆไม่ได้ถึงประเด็นประเด็นว่าเมื่อชาวบ้านเขาอยู่เป็นยังไงเราต้ออยู่ที่ใครยเมื่อสภาพสังคมเปลี่ยงแปลงไว่าหนึ่งเราต้องไม่ไปฆ่าและต้องไม่ไปส่งเสริมไม่ตข้าข้ามอย่างนี้เลยก็และท่ น, น, นี้คนที่ทางงาํางานลงฆ่าสัต ก็ต้องโปรงินเงิดมากมากมากแล้วก็เอามาขายในตลาดแต่เราไม่ร้สิทธเราไป่รูเสิทธเจตนาเราไม่มีเลยเจตนาในการฆ่ามีหนึ่งจับมีชีวิตสองรู้ว่าสัตว์นั้นมีชีวิตสามมีจิตที่จะฆ่าสี่ทำความเพียรเพื่อฆ่าห้าสัตว์นั้นตายเพราความเพียรนะครบกรรมมบวกกันมีองค์ประกอบดีนี้หนึ่งจับมีชีวิตั้มไม่มีชีวิต รู้ว่าศัตมีชีวิตในหมายถึงว่าบุคคลอื่นแล้วก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้มีจิตคิดจะฆ่าไม่นีตายมาแล้วเนี่ยทางความเทียนก็ไม่มีศัตราลงเราะความเทียนก็ไม่มีฉะนั้นผู้บริโภคไม่ผิดแต่ถ้าอากวไปบอกว่าเออพรุ่งนี้เอาตัวนี้นยเนี่ยผิดเลยเหีนไหมผิดแล้วอย่าตอบตอนนี้คนถามแล้วจะมีคนบางคนที่บอกว่าทําไมเราไม่หยู่จิน เพราะว่ามันเป็นการส่งเสริมการค่าทางอ้อมไม่ส่งเสริมทางตรงก็จริงจะส่สริมทางอ้อมใช่ไหมถึงก็จะตอบไม่ไม่ไม่เกี่ยวในการในการจะส่งเสริมถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นมีปัญหาอะไรเยอะมากเลยว่าอ่ามันจริงๆในเรื่องของการว่าส่งเสริมหรือไม่ส่งเสริมมันไม่ใช่ว่ามันจะไปไปหยุดหยุดหรือไม่หยุดมันไม่ใช่เพราะปัญหาเกี่ยวกัเรื่องการค้าบางทีก็าไม่ได้ฆ่าวัตจริงกันเยอะ สัติมเกิดมาในในควารที่จะต้องข้าวนั้นในในสังสารวัตรเนี่ยมันมีการเขียนข่าวมันรู้ทํามต้อ่ข้ามันรู้ทั้งที่ไม่ได้กินแล้วข้าวเยอะด้วยทั้งที่ไม่ได้ข้าไม่กินว่านไม่ใช่เหตุปัจจัยแค่กินอย่างเดียวนั้นเรียนจะข้ามันมีเหตุปัจจัยเป็นพันๆปัจจัยในการที่จะข้าแต่เราเราถือว่ามันยังพอยังอัจจะขาพให้ของเราให้เป็นไปได้คือจะสามารถเลีชีวิตของเราให้อยู่ไปได้วัตถุประสงค์ของเราเพื่อการเจริญปุถุสะต่าง เพื่อที่จะภาคเพียงในการสร้างบ่อนีในการที่จะทำะํำกุศลที่จะไม่เกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดขึ้นแต่ว่าคุณจะฆ่าะอะไรต่างๆนั้ น, มนไม่ใช่ปัจจัยดที่ที่เป็นคนเรอกู่นั้ไม่ใช่ตันเพราะฆ่าว่าถามว่าต่อให้คนไม่กลุ่มหนึ่งเนี่ยในประเทศหนึ่งนั้นไม่ฆ่าอีกประเทศหนึ่งก็ฆ่าเล่นไปไม่ได้เลยเพราะเอตุปัจจัยการฆ่าไม่ใช่แค่ฆ่าว่ากินอย่างเดียวยังเหตุปัใจอ ย, อยู่อีกเยอะ ทั้งๆที่มนุษย์เนี่ยบางยุบบางสมัยเนี่ยอ่าไม่ไม่ไม่กินเนื้อสัตว์กันเลยบางประเทศแต่ก็ฆ่ากันแต่ก็ฆ่า่าเนี่ยฆ่าย่ํอ่งถามว่ามดบวกในฆ่าั้มฆ่าเวลาขึ้นมาในบ้านก็ฆ่ามันก็เป็นสัตว์ใช่ไหาถ้าคุณจะมีเมตตาคุณต้องมีเมตตาให้ครบจริงๆนะไม่ใช่ว่าแหม่คุณฉีดยาฆ่าแมลงฆ่ามดฆ่าปลวกฆ่าผลก็ไม่ได้เลราก็นี่ติ๊กบออกไงว่าคนบางคนเนี่ยปากว่าตาขี้ บอกว่าไว้ตัวเีงไว้ทำนี่เนี่ยแจริงๆว่าที่อยู่ก็วนี้ที่ทำมุ่งจะสร้างกุฏิอยู่ที่นี่เนี่ยสักตายเป็นละล้านเคยจ ะ, ะดุ่มระเรืองบ้างบ้าก็ไม่เคยใช่ไหมถ้าอย่างนั้นถ้าคิดมากขนาดนั้นมัต้องไม่กล้าไม่จะดุจู่เพราะสักตาเยเยอะไม่กล้าไม่จะกินยาหาถามว่ามันมันมันหลีกเลื่ยงย พ, พ่อมองไม่เห็นกันนะท่านเวลาขับรถไปก็ยุ่งดิ มแมลงตายไปหมดเลยใช่ไหมถึงบอกว่าจริงๆแล้วมองมันภาพกว้างแล้วเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วคาพูดลองคําเนี่ยมันเป็นเพียงอุบายหลอกโคดบางกลุก็ไม่มีแท้ที่จริงเนี่ ย, ๆๆ เ, ยเขาเขาทํำเลยเ้าไม่ ไ, ไมีเมตตาจริงถ้าเมตตาจริงๆเนี่ยก็ <ๆ S 2> จ, ยจะต้องมีอัธยาศัยก็จะต้องมากกว่านี้แล้วจะต้องไม่ไม่ว่าคนอื่นถ้าคนทมีเมตตาจริงไม่ใช่ตัวเองกินปากแต่ว่าไปว่าคนอื่นไปยากย่เป็นา ถามว่ายักมันเกีบยวลาค่าโทรศัพท์วานยั้ถามว่าคุณยังมีราค่าโทสศัพวนอยู่รเปล่าถ้ามีคุณก็เก็บคืองะไรต่อแล้วก็จับต่ต่อาับเลยที่เียบอกว่าเวลาที่สุดตีจิตมันดับนะฮะตับก็คือจะต้องเกิดขึ้นทันทีเลยไม่ว่าจะทบนี้หรือทไหนก็ฟูไหนก็ได้อล้วที่เครีม พรน้ำวนนะคะพำน้ำวนนะคะถึงจด้ยินที่ใจมันสงบสามวันกลับมาที่สิที่อยูติดนื้นว่าเราเราตัวติดครบแล้วก็เคลื่อนองัวแล้วแล้วมันจะมีเมมทวธรมมมรมะสีธรมมมรมะฤทธิธรรมะอยู่หลายใเลเรื่องที่บอกว่าตายแล้วสิบห้าวันเ็วันแล้วกลับมาเล่าให้ฟัง ว่าไอ้โทนรบมาไอ้โทนี้มาไอ้โทนนี้มาถ้าพูดตามหลักทฤษฎีแล้วถ้าจูงติดแล้วขึ้นครบแล้วก็คือจบแตบบ่ว่าตายอยู่้วครับทำไมเา้าถึงสามารถขึ้นมามีชีวิตได้ต่อไปตรงนี้ตรงนี้อธิบายได้สองลักษณะครับโดยลักษณะแรกเนี่ยที่บอกว่าคนที่คนที่บอกว่าตายตายแล้วฟื้นเนี่ยเอ อ, อัน น, น, นี้อันนี้เราเรื่องจริงๆในในสุพรรณ ที่จหวัสดสุพรรณบุรีเนี่ยมีวีโยมอยู่คนหนึ่จก็ชื่อเป็นเป็นคนจีนกนะ็ไม่คเชื่อเรืเ่องบัตร่างบเรื่องอะไย่างเงี้ยทีนี้ทีนี้ก็อยู่ต่อมากันเนี่ยคนก็กดว่าแกตายอันนี้เมื่อประมาณตับกว่าปีเขาบอกว่าตายเด็ดเร็จก็เขาบัตรลไปตั้งสมยก่อนเขาก็ไม่ได้ฉีดย ผมไม่ได้คิดจะก็พอใส่ลงแล้วก็ท้าขาวผูกท้าขมุนท้าก็ไปสุดที่นี่พอไปสวดสวดกันอยู่ท้าองค์สุดท้ายเหลือไปก็เห็นได้ลุกขึ้นมาด้วยความกลัวก็พากรีบลุกเดินเดินออกไปก็ร้ามไป <c oughs> องค์ที่สองนี่เนื่องค์กองค์นั่งพระนั่งเข้าน้ำก็นะเหลียวไปดูไม่เห็นมาเหลืยไปดูอ้ามไป นั่นแหละคับแต่เกิดง่ายนันงชลาผลปรากฏว่าจอไม่ได้ตายแกก็เล่าให้ฟังว่าแกเนี่ยตายไปแล้วเนี่ยแกก็ขึ้นไปก็ไปเจอเหมือนกับนายีิยาบานันพอไปถึงบนนุ้นไปนเสร็จเนี่ยแกก็หิวแกเห็นอาหารเยอะแยะไปหมดก็จะไปหยิบอาหารเนี่ยก็ ม, ะะยาายมีคนมาตักมือเน่ยไม่กินนี่เป็นต้นไนะเนี่ย ถ้าถามแล้วยืดต่อมาแค่ก็เก็บฟื้นลงไปรักษณะอย่างนี้จะจะมีเรื่องเล่าเล่าในสารคัญมาบอ่บอยถ้าถามบอกว่าอย่างนี้ตามหลักคําสอนใกตายหรยงต้องบอกว่าอย่างจริงๆคือยังไม่ตายแต่มันเป็นอาการเหมือนโลกแล้วก็เหมือนฝังอย่างนีแต่ในทางการแพทย์ุบแล้วว่าตาย วดคือคือการตายทางแค่ย์กับตายทางธรรมะตางก็คือว่าถ้าทางวิทยาศาสตร์กางแพทยเนี่ยจริงอยู่ชีพตุ้มชีพประจอาจจะหยุดเต้นไปครับแต่ทางมาโนทาวารและวิถีคือทางด้านจิตใจเนี่ยมันเอาเครื่องนตัวได้ความคิดเนี่ยถึงว่าเรานอนปุ๊บเนี่ยความคิดเราจะไปตรงไหนคิดเรื่องอะไรไม่มีใครจับได้งนั้นสภาพของร่างกายเนี่ยจริงๆแล้วมันยังไม่มัน สภาพร่างกายอาจจะเบาที่สุดจนจับไม่อยู่แต่ว่าทางด้านมโนทวารทังด้านจาตใจเขายัางเป็นไปอยู่ทีนี้ว่าไอเหตุปัจจัยเนี่ยเหตุอของความฝันเนี่ยมันเหตุปัจจั ย, ญญยทั้งสอย่างกรรมบัณฑาระดับเทศังหอรก็ได้ใช่ไหมแล้วก็เทวดาบนใจจิตอร์ก็ได้ทีนี้ถ้าสมมุติว่าทนที่ไปเจอเหตุการณ์แบบนี้ยเป็นกรรมก็ได้ เป็นกุศลกรรมแลืออุโสพกรรมมาตัเกเตือนเขาทําให้เขาฝังในหินแบบนี้ทีนี้พอกลับมาปุ๊พอเขาฟื้นกลับขึ้นมาเนี่ยเขาเลยมีความเชื่อว่าเขาไปจริงเพราะเขาไม่มีพื้นฐานทางความศะะออรัทธาเลยแต่เขาเห็นกัดตัวเข้ามาเลยเรื่องแบบรักกันไหนเนี่ยถามว่าเป็นกรรมอะไร น, นี่ได้ลยนะบางทีก็เป็นเทวดาโดนใจแล้วเทวดามากำหนดมิตให้เห็นนะอาจจะเป็นเทวดาที่เป็นเพื่อนพ่อแม่พี่น้องในสังสารวัฏเนี่ย ทา่านมีสักด์แต่ทา่านมีศักด์ใหญ่หน่อยสามารถจะกําหนดหรืออะไรในสัตว์เหลนี้ได้ก็กําหนดให้เหตุเหตุการณ์ต่างๆเห่านี้ไฉะนั้นในเหในลักษณะย่านี้ก็บอกว่าประการแรกเลยก็คือ ว, ว่าหนึ่งคือฝันแล้วก็เป็นกรรมอีกว่ากลางนี้ก็คือเป็นเรื่องฝันธรรมดานี่ไหนทีนี้จากการพิจารณาจิตอวลด้วยนะก็การที่ความเรื่องนี้มายเยอะ เพราะางรื่นี้มา เ, อเยอะๆอะไรต่างๆแบเนี้ใจก็เลยเอาวอนเป็นเรื่องแบบ น, นี้พอตัวเง อ, องเหมือนสลกไปอย่างเงี้ยก็เลยไปยืดเอาที่ตัวเองคิดเป็นเรื่องนี้ไว้ก็กลับมาก็มาแล้วนั้นนะหนึ่งจริงก็ได้ไม่จริงก็ได้เรื่องพลังเนี้ยถ้าหากเป็นกรมนไม่มีจริงแต่ถ้าหากเป็นเรื่องจิงอาวอนกับเรื่องจิตวอนเนี้ยไม่ไม่มีความจริงแต่ถ้ า, า F, เรื่องเทวดาโนใจบบางทั้ง เทวดาที ình, c, á, à, ่เป็นเทวดาหลอกก็ได้เทวดาบอกเรื่องจริงก็ได้อันนี้เราเป็นก็แยกไปะครับก็ไ้ชื่อการปฏิบัติที่กมแสอนรือีไเชื่อเรื่องวร ซึ่งแต่แต่ทจ้ก็ได้ตัดวที่สุดในมาเช่อเรืวงว่าผิดนะวันนี้มี ส, มสุดที่ดูดวงโบราณให้กับคนทั่วไนแล้วเขาสุบมพยายามไม่อยากเะดวกแต่พอไปดูดวงแล้วมันจะเกิดขึ้นจริงมันแปลว่าอะไรทำไมมันถึงเกิดขึ้นจริงทำาหเราอยากไปดูอีกแต่ไม่อยากไปดู เคือคือคือจริงจริงคือเป็นเรื่องว่าเกี่ยวกัเรื่องของดวงดาวบนท้องฟ้าหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของเลิกหรือลายมืออะไรต่างๆบอกว่ามันจริงไหมต้องบอกว่ามันจริงระดับหนึ่งแต่มันไม่แน่รอนมันจริงแบบมันไม่เที่ยงอะไรอาใเงี้ต้องมองมองต้องมองถามแบบนี้แปลว่าเปลี่ยนแปลงได้ มากด้วยมันไม่แค่เปลี่ยนแปลงได้กนาดนั้มันเตรียมแบบมากๆเลยไม่ไม่ต้องอะไรหรอกขนาดว่าไม่ต้องพูดถึงเรื่องดวเอาระดั บ, บว่าวิ ช, ชาระดับอนาคตังพิยามระดับอนาคตังพิยามว่งาาองพระชายาสุติจนซึ่งรู้ว่าอนาคตเลยว่าท่านผู้นี้จะต้องตายแต่ต่อมาเนี่ยท่านบู้นี้ไป ทำกรรมเกี่ยวกับารช่วยชีวิตจากอะไรเป็นต้นเหล่านี้แล้วไม้ตายไม่ตายช่วงตรง น, นั้นแลการทที่ทําไว้เนี่ยเป็นเพื่อหนุนไปขับดันทาให้พ้นจากอุบัติหตุอุบัติภัยดังนั้นจะได้ไปด้วยเพฉะนั้นในเรื่องการเอาเอาความรู้สึกไปผูกไว้ตรงนี้ยมันเป็นปัญโภษอย่างหนึ่งมันเป็นความกัวงวลอย่างหนึ่งในที่สุดจริงๆเนี่ยทําให้ตนเองเนี่ย ไม่เข้าถึงคำตอบทำให้ตัวเองในความหมายแท้ที่จริงเนี่ยถ้าถามบอกว่าไอ้การดูดวงตรงเนี้ยมันมีส่วนจริงน้อยไม่น้อยมากที่ว่ามันมีส่วนจริงบ้างหรือค่อนข้างแั่นหน่อยเพราะราอาศัยหลักการที่ระดับสูงหน่อยแต่ในในส่วนที่ว่าการระดับสูงหน่อยก็จริงเนี่ยมันมีความไม่แน่นในทุกวันมีความเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาด้วยนะจ๊ะ ทะนั uates, <met> ้นเดีวบกพระพุเจ้าเขาบอกว่าดวงดาวบนทองปลาเนีมันจะไปมีอิทธิพลก่อชีวิตของมนุษย์จะไปหแต่ชีวิตของเราที่มันจะต้องเป็นเจือปะสบเจออย่างนั้นเนี่ยมันเกียบกับการกระทําของเรานเกี่ยวกับการกระทําของเราแง่ดีและแง่ร้าเนี่ยทําไมว่าสิ่งเลวร้ายบางอย่างเกิดกับเราบางครั้งสิ่งดีเกิดขึ้นกับเราเี่เพราะว่าเราเนี่ยเป็นประโยคน้าศูนย์ตัดดังประโยคนาวิบัติแบบคือชีวิตของเราเองเป็นคนทําให้มันเต็มไป เช่นเจาสิที่ไม่ดีทั้งหลายเนี่ยมีจริงล้วมันเกิดจากตัวเราเองเนี่ยนะบางครั้งเนี่ยถ้าเราไปดูพวกเนี่ยโมหกว่าเออสิ่งไม่ดีจะเกิดขึ้นกับเราพวกเนี่ยไอความวิตกกังวลต่างๆนี่ก็เป็นแบบไม่เคยดีบางทีเกิดขึ้นเราตลเราทีเดียวเราก็แหมยด้วยความที่เรามีโมหะเป็นเจ้าเหนืออยู่นล้ก็ไปเผาไปเผาให้เขาทั้งหมดไปเลยแท้จริงแล้วมาพิจรณาตามคกสอนมันไม่ถ้าว่าทัพลูกใดเลยครับทุกท่านต้องที่ปราศ แต่ว่ามาระยะหลังเนี่ยระหว่างศาสนาพุทธกับศาสนาพราหมณ์มันก็ปดปีไปพอเป็นเรียมนมาค้าก็เริ่มเรียนหลายสาสตรทั้งพุทธศาสตร์ทั้งโหราศาสตร์พอเรียนโหราศาสตร์ขึ้นมาเนี่ยถ้าสมัยก่อนก่อนก็ทําพราเป็นพิธีที่จะตึ่นพิษม้คนที่เข้าถึงธรรมะแต่ความมาระยะหลังมันเอาแค่จองอยู่ตรงนี้มันผิดหลัากการไปเลย แต่ช้าเนี่ยถ้าไปดูในชั้นของดีการท่านให้รู้เรื่องโหราศาสตร์ไว้ไหให้รู้ไว้ที่ให้รู้ไว้เนี่ยเพราะว่าอะจะได้อธิบายใโยมก็เข้าใจแต่อธิบายเนี่ยไม่ใช่ไปดูโยมเนี่ยอธิบายว่ามันมันแก่ของพันอยู่เรื่องนี้ยสาระก็มีแค่ตรงนี้ยแต่มันไม่ควรเป็นสาระอะไรที่จะไปยึดถึอเพราะมันไม่ได้เป็นปัจจัยเหตุการณ์ที่จะพ้นจากอะไรได้เลย ที่สจริงๆน้นเราจมอยู่ตรงเนี้ยชีวิตคือฝากไว้อะไรก็ไม่รู้ที่จริงพี่อ้าเขารู้จะได้อธิบายเรื่องโวงตาวหรอะไรให้โยก็เข้าจเพราะ่จริงตรนี้ไม่มีความที่ความจริงจากอะไรกม่รูเพราะว่าท่านผู้ดูก็ไม่มได้เนี้ยนะการางอุตสหญาณไม่มีไม่มีปุเพนิว่าสารนุตสิยาอะไรอาศัยตำราอาศัยอะไรต่งเนี้ยเอามานดูตำราเลขหนึ่งดูคนเป็นพันเป็นล้านคนเนี่ยถูกสักคนหนึ่งโอ้ก็คอมเมน จากร้อคนถูกคนเดียวนั่นเนี่ยลักษณะอย่นี้ก็อธิบายยงเข้าใจว่าจริงๆริงือฉนั้นโดยหลักในพมาชาวาสูตรแล้วผิด ไ, ไ, ไม่ใช่บริจาคตำแหน่งเปืนตามใจว่าเ ป, เป็นสิ่งที่จะไม่ควแต่ให้รู้ไหมการความรู้แล้วถือว่าไม่ใช่หลัไม่ใช่หลักเกณฑ์ไม่ใช่กฎเกณฑ์ของชีวิต เพราะว่ามันไม่ใช่ที่สุดของชีวิตและถามว่าแก้ปัญหาของชีวิตได้หรือไม่ได้ดูเหมือนต้นต้นเหมือนจะแก้ได้แต่ที่สุดยังแก้ปัญหาไม่ได้ถามบอกว่าเออถ้าอาจะพ้นจากอะไรตรงนี้สมมุตินะว่าเราเนี่ยทําบาปมาเป็นเลยเป็นทั้งทั้งอย่างบอกเออไปดูเห็นได้แค่อย่างเดียวยแต่อีกอีกตั้งเก้าร้อยเก้าถึงเก้าอย่างที่เราจะเจอเอกุศลกกรรมตอบผลเราไม่เห็น อันนี้ถือว่าแม่นไหมมันมันมันไม่มีความแม่นยำอะไรเลยมันถูกเลยเช่นว่าเจอหน้าใครพวกก็ต้องหิ้งโชคไม่ดีอช่วงนี้ตัะช่วงนี้ไม่ดีต้องสะดอก้อต้องอะไรสมมุติอย่เนี้ยนะถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยอกุโสกรรมมันคอยจ้องเล่นงานตลอดเลยชีย้ไปตรงไหนถูกเลย เพราะว่าเราเคยทำบาปมาเยอะแยะทาบุญเยอะถ้าเราไปเปิดช่องนิดเดียวบาปมันจะส่งผลปัญหาว่าเราประมาทไปต่าชีวิตที่เราอยู่ถ้าเราประมาทในส่วนนี้ไงก็ทาให้อภที่นันนน้ไม่มีโอกาสมีโอกาส จ, จะเป็นมาเรื่อยๆ าการสร้างบุญชนิดใดที่สามารถส่งผลได้ในชาติคือคือบุญทุกชนิดเนี่ยเขาจัดเป็นสามการกันคือว่าการทําเขาเรียกกรรมทำกุศล ก, กรรมนเนี่ยนียก็คือบุญเนี่ยกุศลกรรมเนี่ยในขณะที่เราทําต่อหนึ่งครั้งเนี่ยหนึ่งขณะเนี่ยมันจะให้ผลได้สามการหนึ่งให้ผลในปัจจุบรรันพบ สองให้ผลในพบที่สองถัจะพบนี้สามก็ให้ผลที่พบที่สามถึงต้นไปจนกว่าจะปฏิวติผ่านดนั้นกรรมทุกประเภทเนี่ยกรรมทุกประเภทก็จะเป็นอย่างนี้หมดเลยให้ผลในประจุบ้างให้ผลในพบที่ตัดให้ผ ม, มในพบทีมม่สามนี้ก็ไปก็จะเป็นแบบน้แต่ละกรรมที่ทาไปแม้จะในขนาดฟังธรรมนะคือตะกรรมที่เกิด บางครั้งเนี่ยกุศลที่เราทำไปนนเนี่ยในปัจจิบันยังไม่มอยู่กัเพราะว่ามีกุศลยังอยู่กำลังส่งผลอยู่เขาก็เไม่ได้โอกาสในการให้บิบัติหรือบางทีให้แต่เราก็ไม่รู้ตัวว่าไ เ, นะเพราะเราไม่มีกรรมปัจจักตาสมาธิไม่มียานปัญญาที่จะรู้กรรมและผลของกรรมเช่นว่า ในขณะที่เราได้เห็นดีได้ยินดีได้กลิ่นดีได้ลิ้มรส อ, อาหารที่ดีได้สัมผัสที่ดีๆเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าเป็นกุศลกรรมในชาติไหนเราไม่ทราบเลยเพราะว่าเราแยกแยะกรรมไม่ถูกแยกแยะผลของกรรมไม่ถูกอย่นยกตัวอย่างเช่นมาในปัจจุบันเราพกเนี่ยเราเราก็ทำดีมาตลอดแต่ในขณะเดียวกันกุศลกรรมก็ส่งผลทําให้เราได้เจอกับคนที่ดี ทํากิจาการอะไรต่างๆก็ๆมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเป็นต้อนอะไรที่แทที่จริงเขาให้เรามีตลอดเวลาแต่เราก็ไม่รู้ตัวยว่ามันเป็นเจตนาในขนาดไหนที่ตัวให้ผลแต่ให้ไม่ให้ถ้าต้องมีโอกาส ก, ก็ให้แน่นอนกรรมทุกกําที่ทําไปทั้งดีและไม่ดีเขาจะผลิตวิบากให้เราตลอดเวลาอย่านี้ว่าชีวิตของเราไม่อยู่ได้ด้วยแรงกรรมและเราก็กำลังทําใหม่ไอ้ทาใหม่มันมากกว่าที่เรารับ รับเนมันน้อยแต่ทำเนี่ยมันมากเพราะเจตนาที่กําลังทําไหม่มันมากเล ย, ยนน เ, ล เ, นเนี่ยอีเชิญน่าเจ็บขนาเนี่ยการับใหม่เนี่ยเห็นดีได้ยินดีได้กดลิ่น ด, ดีเรี้ยงว่าดีขนผ่านดีกลับรับอารมณ์ต่อแบบ่ชิญน่าที่ดีเป็นต้องอันนี้คือผลของกา ร, รดีถ้าไม่ดีก็คือเป็นผลของอันดุสุนทกรรมแล้วก็ได้เห็นได้รับออกันอยู่ตลอดเลยนะเช่นบางวันเราก็ได้รับคําชมบางวันเราก็ได้รับคําด่า บางวันก็มีคนขอบคุณบางวันก็มีคนค น, คนอื่ายมันมันได้รับอีกระดับเวลาแหละผลฉะนั้น ก, การการได้รับต่างๆแบบนี้ชื่อว่าถ้าเป็นตุนสมนีแบบ้และอกุสมนี้ผลค่อยๆแต่ถ้าถามบอกว่าการอะไรที่ให้ผลได้เร็วถ้าเราทําต่อยกัปอย่างเช่นในสมัยก่อนถ้าทำกับท่าที่ออกจากนิโรธสมาบัตินี่เลย อ ย, อย่างนั้นเงยกตัวอย่างเช่นข้าท่านออกจากนิโรธสมาบัติให้ท่านเห็นดูว่าข้านเนี่ยถ้าเป็นต้าหลัเนี่ยท่านาเข้านิโนารธาบั่ิท่านก็จะคิดว่าเช้านี้เป็นต้นท่านจะไปโลกทา่ทานก็จะไปอนุเคราะห์คนบุญทหล่อย่างนี้ไ ป, ป็นต้นแค่นั้นในยุคเน่ยเขาเรียกว่ายุคยุคของเลยของพุทธศาสนาเพราะสมัยยุคที่พระพุทธเจ้าลงาสองมีพระชน ถ้ายุคนั้นเน่ะทุกคนเนี่ยยังตังคือพระโสดาบาันถ้าเยอะบุคคลที่เต็มบ้านเต็นเมืองหมดเลยยกตัว อ, อย่าง เ, งเช่นหลวงพาอเทศนาปลดพระเจ้าพิมิสานเนี่ยคนสิบเอ็หมื่นได้เป็นพระโสดาบาันอีกหมื่นนึถึงพระราชนทรัยแล้วอีกเยอะแยะหมดที่ได้บรรลุใช่ไหมพี่เทศนาที่สาวัตถีที่ธารนิสีพี่อะไรต่างๆนี่เป็นต้นฉะนั้นพระเยอะบุคคลที่เป็นคราวาสในเดือนกว่าไปเต็มไมหมด คนเย็ยนลงก็ถือดอกมายกเยนกก็นเราฟังครับเราคิดดูว่าคนที่มีคุณธรรมระดับอย่าง ใ, น ใ, นใครได้เก็น้องพ่อได้สงข้พ่อได้ทำบุญด้วยบุญเข้ามาหรือพระอรหันต์นี่เลือกกันได้เลยประเภทที่อภินญยาระดับเย่นยกตัวอย่างเช่นพระยาโสชาพร้อมไนบริวารห้าร้อาหกแตกขาในปฏิสัมพิทธแล้วก็บรรลุอภิญาหตัวเราพรก็จะเจ้าเรียกหาในดาดินดบาโปเลยเงี้ยนะใเนี้ย เราทั้งค่ายอย่างระดับอย่างนี้ไม่ต้อ ง, องขอเขาเกิดมาเพคคื่ออารมณ์เคาะคนดีๆทั้งค่าไปทําบุญก็ก็ทันทีเลยก็อย่างชนิดที่ว่าพอทำปุ๊บเนี่ยภายในเจ็ดวันก็มันรูปผมกันดังดีเลยแต่ในปัจจุบันเนี่ยด้วยการที่คุณธรรมเหล่านั้นก็คนที่ทําให้ถึงมีจริงก็น้อยลงการทําบุญก็เหลือแต้ว่าเอเ อ, เอแล้วก็เราไปใช้ในการสารูปสงฆ์คือผู้ทรงธรรมอะไรอยางเงี้ยว่า ก็ยังมีพ่อแม่มีผู้มีอุปการะคุณมีใครต่างๆที่จะตามให้เราได้ได้กระทาําก็มันก็ยังถือว่าเป็นยุคออยังพอหามาบุญได้มาถึงแม้จะน้อยก็พ อ, อยังพอที่จะปรกอบวัตรระดับแต่ถ้าจะให้ระดับอย่างต้นๆเลยอย่างเช่นในสมัยลังกาเนี่ย อาสนะที่ว่าเว้นจะพ่ายย้ํไม่มีเลยเึงนพังพานอาสนะที่ปูไว้สําหรับให้คนไปถวายข้าวยาปูหรือถวายอาหารที่ปูไว้ตามลานที่กลางการทุกอาสนะที่พ่ายเป็นนั่งฐางท่านจะต้องพิจารณาปัจจัยเพื่อบรรลุผลเลยนั่เองพอมาท่านถือกลางไม่ต้องบรรลุไปได้ท่านบวกเข้ามาท่านไอจีงอาจารย์นั้นอ่ะมายุบหลังๆก็ความไอจีงไอจรงมันนิดน้อดน้อยถอยลงไปก็เก่งไปแล้วท่านรักเราได้ หนึ่งเจตนาเราสมบูรณ์ทั้งาการสองเราได้เนนาพื้นที่ที่สมบูรณ์ด้วยคุณธรรมมีศีลคุณะมาธิคุณปัญญาคุณเป็นตรนี้ดสมก็ค่อนข้างดีทั้งนัยยะตรงนข้าก็เราไปทาบาปกว่าานเลยขอคุณลาเปิดไป เห็นตัวว่ที่นนกำนดโตปัจจบัป็นจังหวะโตระเจ้าอุ้ยที่ต่อไปจะเป็นพระเจี่เท่าไเ็นว่าเ <it> <ul> ป็นโสมขายเลยท่กำหนดมาคือก็ก็ต้งนับนับเป็นกี่ปีกนถ้าคานวณก็อย่างนี้ว่าปัจจุบันมีร้อยปีรถปีอายุของมนุษย์ยังไงร้อยปีปัจจุบันมีแล้วเจ็ดสิ้าปีเป็นอายุขนับตั้แต่พระเจ้าบริวารพอร้อยปีพวกก็ลดลงมา จากการร้อยปีก็เหลือเก้าสิบก้าลดลงมาเรื่อยๆจนปัจจุบันเหลือเจ็ดสิบหปีเ็ดสิบห้าแล้วมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆอย่าะร้อยปีร้อปีหนึ่ง้อปีร้อยปีไต่จนถึงอายุสิปีพอสิบปีต่อมามันลดเรื่องวุ่นวายกันอย่างหากา่าแกงกันอย่างเยอะต่อมาก็เริ่มมีคนสมุทร์รรมปุ่มิรืพอเริ่มสมุทรธรราก็จเรื่งเป็นวงกว้างขึ้นทะมีอายุประมาณเจ็ขึ้น ร้อยปีขึ้นปีร้อยปีขึ้นปีขึ่นปีการเป็นร้อยปีสองร้ปีสามรอย ป, ป, ป, ป, ปีอายุก็จะขึ้นไปเรื่อยเรื่อจนกายเป็นน้าสงไข่นั่งไม่ได้ต่อมาก็เริ่มทาอะไร เ, เสื่อมลงไปร้อยปีจนมาเหลืออายุแปดมืปียุคนั้นแหละพระสิงห์อริยมีใจจะมา จ, าจัดการรู้เก็งหลวงพ่อเจ้า ตื่ตโจ๊กๆก็ประมาณแปดนีคุยกันหนึ่งปนาน ม, มากเลยก็นานมากแต่ว่าในความรู้สึกของในคนที่เขารอกันทั้งหลายเขาถือว่าไม่มากจากนี้ไปแปปีด้วยอหือว่ามันจะถึงปืนปามันจะละ็อกตามลาดับแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็ลอมาอีกจนอายุอายุไขมันลดปีแปดปี ก็จะเป็นไปะะที่ปัญหาว่าปัญหาก็คือว่าคนที่จะได้เจอก็ต้องเป็นคนที่สราบอธิยศาสตร์ศานาค่อนข้างใหญนไม่ใช่คนคนนี้อธิยาหลายคนที่ไม่เคยทราบเลยถ้าอย่างนั้นถ้าไปเจีงนี้ก็ไปว่าหมดหมดถ้าจะกลับแต่นี้ต่อไปก็เป็นอ อ, อสุเนี่ยกลับเป็นกลับที่ไม่มีผู้เจ้าอพินนะ้อ กจายอันนี้จะจำไม่ก็ได้แล้วแต่ว่าก็ไปอีกนานมากเป็น้าศูนย์กลับเป็นกลับที่ไม่ีพระเจ้าอีกนะก็มีแบบไม่รู้เรื่องรู้ราวกันถือศัพท์ก็ได้อีกนะนับถือศัพท์ก็ได้อีกถือโลกศาสนาก็ไดอีกมันมีประจําโรกอยู่แล้วผู้ศักด์นามมีชั่วระยะการเวลา ตตวกมตไปแล้วเกิดเป็นัุบนี้แงะครธาตเข้ามเาีความเป็นไปได้มีความเป็นไปได้ถ้าหากว่าต้องมีหลักอย่างนี้ดนะ้วยต้องมีหลักว่าคื อ, ค, อคือในปัจจุบันนะี้หนึ่ง ฟังทำจากพระพุทธเจ้าเมื่อฟังทำจากพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยนะเลือไม่ได้บรรลุแสดงทำก็ไม่ได้บรรลุเรีนามาก็ไม่ได้บรูลุพระพุทปฏิบัติคือเป็นคนที่ถ้าโดยกระดกก็คือปฏิบัติโดยเพ่งคัสต่างๆเอาทิงเอาใจรนใจเรืในยารื่อแต่ไม่ได้บรรลุถ้าไปเกิดเป็นธรมดา พอถ้าไปเกิดเปเทวดาปุ๊บเนี first, ids, ่ยเพื่อนเทวดาก็จะสะกิดสะกิจบอกเนี่ยท่านเคยเป็นมนุษย์ท่านศึกษาประพฤติฏิบัติท่านมีอาจารย์ก็จะระลึกได้เมื่อระลึกได้ก็ปรพฤติฏิบัติแล้วก็เดินนั่นกลุ่มหรือว่าเมื่อไปฟังธรรมบนนู้นพอไปฟังปุ๊เนี่ยมันก็สัญญาเก่าที่เคยฟังมันเข้าที่บวก เป็น ja. อัปยาศัยในส่วนนี้ก็เป็นปัจจัยการบรรลุบนนั้นได้ก็ดีเลยเป็นรักญด้ได้หรือถ้าไห <ical? ogens. S 1> ้ได้บรรลุตรงนั้นถ้าหากว่ามาเกิดเป็นมนุษย์นะมาเกิดมาเป็นมนุษย์ทันโลกุตจ้าอุนไดอุนหนึ่งจ้องทาก็จะการเป็นุกคลได้หรือไม่เห็นั้นาใครที่สั่งสมอัปยาไัยไปอย่างดีเนี่ยโอกาสจะไปบรรลุเทวดาก็มีถ้าไม่บรรลุเทวดามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ย แต้ฟังธรากพรพุทธเจ้าก็เป็นประเภทหนุนพันเท้าพายาสัตวรู้เร็วจะเป็นไปได้ไหแต่ว่าคนสวัสดิ์ทั้งหกชั้นนี้ใครเป็นคนสอบมาพุทธเจ้ารู้ป่ว่าไม่มีเอ้เลยมากก็เป็นพวกเทวดาอดย่าลืมเทวดาที่เป็นว่าอาหารมีเยอะมีเยอะหมดทุกชั้น อย่างถ้าว่าทันเราเอเนี่ยเท้าสกาวของเองก็ไรวดเทดาที่เป็นที่บรรลุสัจธรรมเยะเนี่ยข้อธรรมสักทางที่ว่าทำก็สำคัญนะก็สาคัญว่าถ้าเราเป็นพู้ดูชนเนี่ยโดยมากเราจะคิดไม่ด้ออกถ้าเราไม่สั่งมจากอดีตเในปัจจุบันเนี่ยเพราะไปในโนมากคือมันสวยงามก็จะวง่เพิ่มขึ้นอยู่ก็ต้องสั่งสมในปัจจุบันให้ดีสร้างเป็นอัจรยาใส่น แตาวในคำสอนใจน้อยคือไปฟังทำจริงกันก็อย่างนี้นะเพราะว่าสาว เดี๋ยวทับได้ทำนะก็เอวััน